เ9้าเก้าเราแปปเดียวเข้ามาแดวมารอคิวกันอยู่นะสามสีโอเ ค, คอือวันนี้อาจารย์ผมไปไล่เข้ามาก่อนเชิญอาจารย์สบายดีแล้วขอบคุณบอาจารย์ค่ ะ, ะสบาย<ง>ดีแล้วค่ะอะอวันนี้หายดีแล้วนะหายดีเลยค่ะ รเรียบร้อยครับปกั้ดยนปกปกติแล้วค่ะโอเคไปเที่ยวได้ลนะต้องไปหาหมอวันท well> ี่เจ็ดค่ะต้องหลังหลังทำมาเออหมอให้แพทย์ให้ไปพบวันที่เจ็ดเพื่อ follow up ตอนนะเพราะว่าจะไปฉีดโควิดกันค่ะเออจองคิวเลย ทางศูนย์แพทย์พัฒนาก็ให้ให้เราจองคิวได้อะค่ะบอกว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะเพิ่งลงทะเบียนวันนี้ค่ะแล้วได้รับแจ้งมาเขาบอกว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนวะก็น่าจะเป็นแอสตรนะคะไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัคซีนอะไรเพียงแต่ว่าให้ให้จองเวลาได้ให้ระบุเวลาได้แต่คนอายุเกินหกสินี่เขาจะให้แอสตราเขาจะ ชีนโนแบกนี้สำหรับคนอายุต่ำกว่าหกสิบก็เลาว่าจะรอะอย่างไรก็ได้ได้มีภูมคุ้มกันค่ะตอนนี้ก็ไม่ออกไปไหนค่ะก็ก็อยู่บ้านกันเป็นปกติค่ะเพรก็ฟัง<ด>ฟังพระอาจารย์เมื่อคืนนี้ก็ได้ได้เรียนรู้เยอะนะคะคือได้ตามแล้วก็ได้ บอกจิตตัวเองว่าอย่าลืมสิ่งที่รู้แล้วอะไรเงี้ยนะคะอาของพวต้องฟังบ่อยๆดูบ่อยๆเพราะเดี๋ยวลืมค่ะลือให้มันเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมค่ะเมื่อกี้ก็ได้อ่านจากจากใน a ฟ e b o ๊ k นะคะที่เป็นภาพภาษาอังกฤษถามตอบยิ่งยิ่งชัดเจนใหญ่เลยนะคะอืมดีติดตามได้ทั้งสองภาษาค่ะเือว่าอะไรกําไ ค่ะเพ่อได้กำไรได้สองภาษาใช่ค่ะค่ะแต่พอถึงสี่ทุ่มก็ก็ลาไปนอนแล้วค่ะสังขารสั่งก่อนนี้ไม่รู้จะถึงกี่ทุ่มเดี๋ยวต้องรีบเร่มเลยนะช่วอนเยอะไม่ทำเป็าจะไม่ง่วงก็อยู่ยาวั้ง่วงก็ต้องนี่กําสามสิบแล้วยังเอาวันนี้เอาทักทายแค่นี้ก่อนนะมีคำคายไม่ไเอาขอบคุณที่ทัก ไม่มีก็ขอจะได้ไปต่อเลยนะวันนี้วันนี้ช่วงแรกๆนี้อาจจะต้องทำเวลาหน่อยก่อนอย่างนั้นพวกที่มาทีหลังจะไม่มีโอกาสได้ได้ถามตอบโอเคนะนะถ้าห้ยหายเร็วๆนะคุณครกราบอาจารย์คุณบริสเชิญคุณบริสต่อเลยเก่าแล้วมาสการพระอาจารย์แล้วค่ะแต่วันนี้มีอะไรั้ย ไม่มีคำถามเข้ามาฟังเจ้าค่ะอาจารย์ก็จะได้ไปที่ท่านตอบไปนะเจ้าค่ะครเ๋ยว้าเวลานเดี๋ยวสองยางคนนี้กว่าอย่างแี้ครับที่เราัเลยเจ้าค่ะคุณกล้องคุณกล้องกิิจากลาบรีจากเพชบรีครับเพชรบุรีครับมาไงมีอะไรหมครับพระอาจารย์ครับเอ่อโควิดอย่างนี้ตอนตอนแรกผม ผมจะไปซ้อมอยู่วัดนะครับที่หลวงพ่อสงบครับแล้วทีนี้ตอนคืนเนี้ยพ่อเขาส่งไทม์ไลน์มาพอดีว่าแบบมีคนไปติดโควิดเงี้ยครับแล้วเข้าไปที่วัดมาครับแล้วทีนี้พ่อเขาเลยบอกว่าถ้าไปแล้วกลับมาบ้านเงี้ยมันก็เหมือนกับเขาไม่สบายใจว่าแบบโคจรมาให้เขาอะไรนะ <c oughs> ใช่ครับอืก็ไม่ต้องกลับเลยก็อยู่วัดไปครับมีก็ไปอยู่วัดเลยเหครับพระอาจารย์ กลับมาเล้าตัวนี้ผมยังไม่ได้ไปเลยครับตอนแรกผมตั้งใจไปแล้วครับอ่ก็อย่าเพิ่งไปนะนี้เก็บตัวก่อนนี่ช่วงนี้มันระบาดไปว่างขวางไม่รู้ใครติดไม่ติดเนีดีไม่เข้าใกล้คนได้ดีที่สุดเันที่วัดก็อยู่บ้านได้อ๋อครับที่วัดก็คนเยอะอย่างเงี้ครับแต่ที่บ้านที่บ้าน ถ้ามันจําเป็นต้องเจอก็ต้องไปก็ไปเด้อถ้าไม่จำเป็นก็อยู่คนเดียวดี ก, กว่าปลอดภัยกว่าก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวล า, าครับอาจากครับคือจำจำเป็นนี่คือต้องขนาดใจถึงจําเป็นนะครับอะไรนะถ้าจําเป็นนี่คือแบบแล้วแต่เราหรือว่ายังไงครับอ๋อจาเป็นยังไงถึงเป็นสิ่งที่ต้องทําขาดไม่ได้อะไรอย่ <c oughs> ไม่ถึงก <ไป S 2> ็ไม่ซือาหารไม่มีอาหารจริงก็เราลยซื้ออาหารเลยไม่ถึงว่าพาระที่บ้านหรอครับอาจารย์ไม่หมายถึงเ อ, อกไปข้างนอกบ้านนี่ตอนนี้ยให้เก็บตัวกักตัวถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปถ้าสั่งให้ก็ส่งมาได้ก็สั่งให้ก็ส่งมาสั่งอาหารสั่งอะไร <c oughs> ถ้าออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากและอย่าเข้าไปอยู่ใกล้ที่กลุ่มที่คนแพร่อาจกัน <c oughs> นี่คือคือคนอยู่บ้านหรือคนอยู่วัดดีครับพระอาจารย์เราเนี้อยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าจะไม่รู้ไปมีมีใครมีติดไม่ติดเนี่ยอยูบ้านดกให้การมันสงบก่อนแล้วก็ไปมีเวลาเยอะๆตอนนี้รักษาชีวิตไว้ก่อนครับอาจารย์ไม่มีคําถามอะไรใช่ไหมไม่มีนะ ค, ครับอาจารย์โอเคอาจารย์สายทิพย์เชิญอาจารย์สายทิพย์ มันจะลองเล่กเวลาหน่อยไม่ยืดเยือนะว่างไปเลยมีอะไรแอบน้ัตการพระอาจารยค่ะถามสั้นๆเลยค่ะ<ห>เว<อ>ลาที่เรานั่งสมาธิเราไปถึงท่านอุเบกขาค่ ะ, คะก็คือมันว่างไม่ได้ยินเสียงแล้วก็เอไม่มีลมหายใจค่ะทีนี้มันเผลอดีใจเราจะทํายังไงดีคะ<ช>คือมันก็้าปข้งในแล้วก็เอ้อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรก็กลับมา กลมาที่ที่เก่าได้ใช้สติดึงจิตเขับมาให้ลื่เฉยเฉยให้รู้เฉยเยไปค่ะเพราะนั้นพยายามค่ะแต่ว่าแพ้ความดีใจค่ะก็เลยอถอยออกมาไม่เไรหรอกไม่เป็น ไ, ไม่เมสียหายถอ <ทำ S 1> ยถอยได้ก็กลับเข้าไปใหม่ได้ดูลมได้ก็ดูลมใหม่พูดโทรหม่ก็ได้ค่ ะ, ม, ะมีคำถามแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ เ, เลื่อให้คนอื่นได้ทำค่ะพยายามเข้าไปบ่อยๆเข้าไปมากๆนั่นแหละเป็นที่เป็นแหล่งของความแหล่งบันเทิงที่แท้จริงปลอดภัยจากโรคภัยแท้จ็ไิมไม่มีโรคระบาดไม่มีโรคเอชไม่มีโรคอะไระแหล่งบันเทิงที่ปลอดภัยคืย<อ>ดีดใจแล้วไตสั่นก็เลยหลุดออกมาเลยค่ะ ควบอาลมณ์ควบคามยึดใจไม่ได้ไม่เป็นไรแหละใหม่ๆก็อย่างเงี้ใ ห, หม่ๆก็ทุกคนก็อย่างน้อยเรารู้ว่าเราเข้าได้ท้ทีเราก็พยายามกลับเข้าไปอยูเ่เง<ช> <ๆ S 2> ี่ยแต่เวลาเข้าไปใหม่นี่อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าอ้ยเราเคยเข้าได้ต้องเข้าให้ได้เดี๋นี้นะให้เหมือนเมื่อกี้นะอย่าไปคิดอย่างนั้ น, นะ่ะแต่คิดแล้วมันไม่เข้าแล้วต้องดูลงไปไม่รู้ไม่ชี้ไปเลื่อมาเดชไปเลื่อมานาคต อดีตก็คือผลที่เคยได้แล้วอนาคตคือผลที่จะได้กอย่าไปคิดถึงมันให้อยู่ปัจจุบันให้อยู่กับลมไปดูลมไปเดี๋ยวมันก็ได้เราไปคิดถึงอดีตว่ามันคราวที่แล้วมันสงบมีความสุขอยากจะได้อีมันไปแล้วไปอดีตแล้วอเออเมื่อไหร่จะได้อีกทีคิดถึงอนาคตแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วไม่มีวันได้เพราะมันมันไม่ได้ดูลมมันนั่งคิด เราต้องการดูลมเพื่อยุดความคิดต้องกลับมาดูลมอยู่ปัจจุบันอย่าไปคิดถึงผลผลอดีตก็ผ่านไปแล้วผลอน า, นาคตก็ยังมาไม่ถึงเหตุที่จะทําให้ได้ผลก็คือดูลมในปัจจุบันดูไปเรื่อยๆอยาปเรื่อยเข้าไม่เข้าอยากไปกังวลบางวันอาจจะเข้ายากบางวันอาจจะเข้าง่ายขึ้นอยู่กําลังสติของเรา โอเคนะไปที่ท่านต่อไปขอบคุณค่ะคุณเจดีนุทองนุทองะอยู่ที่ไหนครั้งแรกค่ะท่ะนอาจารย์อจากที่ไหนอยู่ปทุมธานีค่ะอยู่ปทุมธานีมีคำถามเกี่ยวกับการทำสมาธิค่ะอยากจะเรียนถามพ่าอาจารย์ค่ะว่ามาเลยเช่ะ ขึ้นหัดเริ่มทําสมาธิด้วยตัวเองอะค่ะเปิด youtube แล้วก็ติดตามพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ท่านอื่นๆดูอะค่ะใช้วิธีการกําหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทําได้ดีพอสมควรไปเรื่อยๆก็นั่งปีช่วงนี้โควิดก็เลยมีเวลานั่งฝึกทุกวันเลยทุกวันเลยแล้วก็วันหนึ่งครั้งหนึ่งมั่งสองครั้งมั่งทีนี้เมื่อประมาณสักเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนั่งนั่งอยู่ดีๆค่ะพระอาจารย์ ก็รู้สึกว่าเออวันนี้เราเหนื่อยไม่รู้เหมือนกันได้แค่ไหนก็แค่นั้นในใจคิดแค่นั้นนะคะแล้วก็นั่งไปเรื่อยเื่อยสักพักอยู่ดีลมหายใจมันหายไปค่ะแล้วในตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็บอกว่าอุ้ยลมหายใจหายไปแล้วทําไงต่อแล้วสักพักหนึ่งแบบเป็นแป๊บเดียวค่ะมันก็ค่อยคกลับมากลับมาจากเบาเบาเบาเบาเบาเบาแล้วค่อยค่อยชัดขึ้นก็เลยอยากจะเรียนถามพระ อ, อาวาุโสค่ะว่าไอ้อที่เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ปกติใช่ไหมคะ คือลมหายใจมันอาจจะหายไปเพราะว่าสติเราหายมากกว่าเราสติเราไม่มีเหมือนกับเราเคลิ้มมี้มันก็ไม่ได้ไปดูลรไม่หลับนะค่ะไม่ไม่หลับนะคะพระอาจารย์ถ้าไม่หลับมันก็ต้องรู้เวลาที่มีลมเวลามีแลมมันจะหายมันจะไม่หายแบบแบบปัจจุบันทำนลยชึบเลยค่ะมันเหมือนหายตัดหนังปัดชึบเลยค่ะพระอาจารย์ตอนแรกมันเหมือนกับว่าหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆแล้วก็สักพักหนึ่งมันเหมือนกับ มันเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยมองเห็นว่าอุ้ยตัวเราหายใจอยู่โดยที่เราอ่ะไม่ได้เป็นคนคอนโทรลการหายใจมันเหมือ น, นหายใจมันหายแบบหายใจแบบคนคนหายใจขาดลมหายใจอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ไม่ไมค่ะมันรู้สึกอยู่ดีๆมันก็ตัวเบาเบลแล้วก็ชึบเหมือนหนังตัดชึบนิ่งไปเลยค่ะพระอาจารย์ก็ อ, อยู่กับความนิ่งไปก็แล้วกันถ้าเราไม่เหนก็ไม่ทำไปกั็วันให้จิตอยู่ให้เฉยเฉอันนี้ปกติใช่ไหมคะพระเออเออ แล้วจิตจะสงบมันก็อย่างนี้ลมมันก็จะทิ้งลมจะปล่อยลมพอไม่มีลมแล้วก็อย่าไปขอย่อยคว้าหาลมอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในตอนนั้นคือความว่างความสงบก็อยู่กับมันไปให้รู้เฉยๆพอถอย ม, มาจากักคิดไม่ต้องถอยไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆมันรู้ลมพอไม่มีลมรู้ก็รรู้รู้ความว่างไปรู้ความสงบไปให้รู้เฉยๆ ทำได้ไหม ต, ตอนนั้นคือแบบไม่เคยเจอค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเราต้องทําอะไรต่อแล้วอพอถอดมาปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่แปลกจะบอกว่านิ่งก็ได้จะบอกว่ามีความสุขก็ไม่ใช่มีความสุขแต่เป็นความรู้สึกว่าดีเป็นความรู้สึกว่าดีแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนมันบอกตัวเองว่าเออน่าจะไปเดินจงกลมหรือทําอะไรต่ออีกสักนิดนึงอย่าเพิ่งหยุดแล้วทีนี้ด้วยความที่บ้านไม่ได้อํานวย ไม่มีสถานที่อำนวยพอที่จะเดินจงกลมได้แล้วก็เกรงใจคนในบ้า น, นะคะ่ะก็เลยเลิกไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอความรู้สึกดีแบบนั้นนะคะมันก็อยู่ไปอีกหลายชั่วโมงเลยนะคะจนหลับไปจนตื่นเช้ามาก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ค่อยๆเสดเอาหายไปตอนสายๆของวันถัดไปอย่างเนี้ยคะ่ะแ <c oughs> สดงว่าจิตเราว่างจิตเราสงบไม่คิดปรุงแต่งอะไรมันก็เลยมันก็เลยสบาย อันนั้นไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันใจว่าเราในปัจจุบันคือจิตจิตเข้าสู่ความว่างความสงบอยู่ในปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตใจก็เลยเบาสบายนั่นแหะคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็พยายามฝึกสเวลาออกมาก็อย่าทิ้งสติให้ให้จิต พยายามคอยควบคุมอย่าให้คิดด้วยเบื่อให้จิตเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูสิ่งที่ร่างกายกำลังทำอยู่กำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟั น, ำ น, ำ น, ำนกำลังรับประทานอาหารให้อยู่กับกิจกรรมเหล่า น, นั้นแต่ตอนเนี้สิ่งที่รู้สึกได้กับตัวเองที่มากขึ้นกับพระอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันรู้จักมันมันรู้สึกว่าชีพจรมันเต้นแรงขึ้นทั้งตัวแล้วตัวเองก็เลยลองเอา ปกวัดความดันหรืออะไรมาวัดค่ะท่าอาจารย์ปรากฏมันก็เต้นปกติแต่เรามีความรู้สึกเหมือนแต่ว่าเรารู้สึกว่าชีพจรมันเต้นในทั้งตัวมันก็เป็นความรู้สึกที่บางทีมันหลอกเราได้อืไม่ต้องไปสนใจให้รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางนี่ก็ไปถือสามันให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันจะรู้สึกว่าเต้นแรงเต้นช้าก็เรื่องของมันไปกลับมาอยู่กับ ถ้าเรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็อยู่กับกิจกรรมนั้นหรือไม่เช่นั้นก็กลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธไปก็ได้ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดเท่าที่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องคิดก็คิดได้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าคิดแล้วก็กลับมานั่งต่อมัอมีเวลาก็กลับมานั่งต่อ เวลาไม่นั่งก็ต้องเจริญสติอย่าทิ้งสตินะสตินี่ต้องมีทั้งขณะที่แม่ที่นั่งและที่ไม่ใน่นั่งมันจะได้ทำให้เวลานั่งมันจะได้สงบได้ง่ายได้เร็วอข้าใจนะค่ะทำต่อไปคุณนิ่งอยากสูบไทยเชยบัวชีอะไรบัวอะไร เปลาจ้าค่ะพระจังหวัดจิตเรื่อยๆเจ้าค่ะโยมไม่ได้ลาศีเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะวันนี้ว่าจะเดี๋ยวจะทําคุยกับพระอาจารย์เสร็จเรจะสนทนาไอ้อะไรนะปฏิบัติธําวันเย็นต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยใส่มาเต็มก็โยมจะมาเล่าเรื่องที่โยมไปฉีดวัคซีนมาเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นพยาบาลเนี่ยเป็นเภสัชเจ้าค่ะเภสัชเนาะใช่ใช่ก็ฉีดแล้วมีไข้สองวันเจ้าค่ะแล้วก็ ก็ค่ะก็ดีก็ค่ะโยมฉีดเป็นเป็นตัวของจีนก็ค่ะชินอเวกชินอเจกค่ะก็ก็มีคนที่มีผลข้างเคียงเล็กเล็ก น, น้อยน้อยอะย่เง้ยก็ค่ะก็ อ, อ, อยากจะเชิญชวนถ้าใครมีโอกาสฉีดก็อยากให้ฉีดก็ค่ะคือบางคนจะกลัวเยอะจ้าค่ะเออโมมนผลเสียงมีน้อยมากเ้็ค่ะมนที่แรงแน่หนึ่งในล้านคนเหมือนถูกคอตเลรี่างวัลที่หนึ่ง しし ik er <h <h ้็ค่ะถ <vale ้าเราเป็นโยมก็บอกคนอื่นว่าถ้าถ้าเจอแฟ็บเล็ตอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราเป็นสตาร์ดี้ให้ทั่วโลกกันเพราะก็ค่ะบางทีก็เกิดข้อมูลก็ยัเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ้็ค่ะก็อย่างอื่นไม่มีอะไร้็ค่ะโยมก็ดูจิตโยมไปเรื่อยๆ้็ค่ะคือบางทีแบบเวลาเหมือนกับว่าเวลาโยมจะตำหนิลูกแบบเขาทําไม่ถูกเงี้ยก็ค่ะ จิตโยมมันไม่ไปด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์มัน <c oughs> มันไม่ไปด้วยอารมณ์ <c oughs> ต้องค่ะต้องต้องใช้เหตุผลพาไปท <c oughs> ่านท่านจำเป็นต้องพูดกับพูดดีๆไม่ตําเป็นจะต้องดุด่าว่ากล่าวเจ้าค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าลูกทําอย่างนี้หรือคนอื่นทําอย่างนี้ยโยมก็จะมันก็จะไปทั้งตัวทั้งหัวใจเราอย่างนี้เจ้าค่ะแต่อันนี้ยมันเหมือนจิตมันมีแต่ิมันไม่ฟั้นเขาไปด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ โยมก็เฝ้าดูเรื่อยๆแล้วก็โยมก็มาเฉียนหาไปตอนนี้สัญญาณไม่ดีมากคุณนิ้มมันไม่เหมือนออก่อนหน้ า, าที่โยมไปวัดมาเหยงเจ้าขาะอาจารย์อตอนนั้นเวลานั่งสมาธิมันจะรู้ถึงคลื่นที่เวลาเราลงสู่เบกขายเงี้ยเจ้าค่ะ อ, อันนี้มันเหมือน มันเหมือนอยู่ไง้ยมก็เออก็สักแต่สักแต่รู้ไปเรื่อยๆคก็ให้ม่สักแต่รู้อย่าไปมีปฏิจริยากับัอะไรค่ะอย่าไปร่างไปชามไปครัวไปหลงไปโกรธไปอะไรใครใครดีใครชื่อไปในของเขาค่ะเราเตือนหน้าบอกได้ก็บอกไปเตือนไม่ได้บอกไม่ได้ก็ปล่อยไปค่ะแล้วยอมปฏิยอมคือก็ปล่อยวางไปแล้วก็สักสักแต่ว่ารู้อะไรกระทบ มืนตัดตรงเจ้าค่ะเหมือนมีภัสสะมันมันมีเวทนามีอะไรแต่เราเหมือนมันไม่ตรุงต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์รคือตอนนี้ไม่มีอารมณ์อะไรใจไม่วุนน่นวายกับใครไม่วุ่นวายกับเรื่อง<ช>อะไรไม่อะไรเลยเจ้าค่ะก็คือเป็นปกติไปเจ้าค่ะเหมือนกับว่าตอนนี้โยมก็ชวนทุกคนว่าให้มาปฏิบัติธรรมคือทําเองที่บ้านเงนี้ยเจ้าค่ะ<ด>ก็โยมก็แชร์ใน facebook ว่า กิจวัตรประจําวันโยมเป็นยังไงบ้างเนี้ยเจ้าค่ะทำว่าเช้าวัดเย็นเองอน่า ม, มาเข้าๆให้ให้เพื่อนฟังตอนนี้เจ้าค่ะโยมก็เชิกินข้าวมาท้านจะเริ่มเพื่อนนเจ้าค่ะตีตีสองถึงตีสีน่นิยมก็จะตอบคําถามในเฟซบุ๊กเจ้าค่ะพาจาย์แล้วก็ตีสี่ถึงหกโมงโยมก็จะปฏิบัติเจ้าค่ะอืถ้าสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิเจ้าค่ะจากนั้นก็จะถ้าระหว่างวันโยมก็จะเจริญสติ มีอะไรกระทบเราก็จะรู้ใจเราไปเรื่อยๆเจ้าค่ะตอนเย็นก็กลับจากโรงพยาบาลก็มาขายยาต่อแล้วก็ปิดร้านสองทุ่มและโยมเข้ามาปฏิบัติต่อเจ้าค่ะก็แล้วแต่ว่าว่างกี่โมงช่วงเย็นเจ้าค่ะประมาณสี่ทุ่มเจ้าค่ะพระอาจารย์สี่ทุต่นีสองเจ้าค่ะโยมก็จะดูว่าจิตโยมมันจะ มันจะเหนื่อยไม่รือมันจะอะไรเนี่ยเจาค่ะแต่มันก็สดชื่นอยู่นั่นเจ้าค่ะเอาตอบคำถามของเราในในเฟรมบุกเป็คนเ้าส่งเข้ามาถามเนะอ๋อใช่เจ้าค่ะบางคนก็ส่งมาถามบางทีเขาถามสภาวะธรรมบางอย่างโยมก็จะบอกเขาในภาษาที่คือโยมจะไม่ค่อยเก่งบาลีเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมจะได้แต่การปฏิบัติเจ้าค่ะเออดีก็เจ้าค่ะ ประมาณนี้ก็เผื่อว่าจะช่วยคนอื่นได้เจ้าค่ะเถือเซนต์าทหรืว่ายัางกินมือเย็นเยอะป่ะไม่ไม่ได้ทานมือเย็นมาหกเจ็ดเดือนแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่รู้สึกหิวอะไรนะไม่ไม่เจ้าค่ะอยู่ได้เจ้าค่ะอาจารย์ดื่มน้ําปาหน้าอะไรบ้า ง, อางตอนเย็นหรือไม่ไม่ได้ดื่มเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็น้ำเปล่าดื่มแต่น้ำเจ้าค่ะแต่ว่าบางทีลงโยมเอ่อโยมลงแบบ ประมาณบ่ายโมงยมก็กินอยู่นะคะเพราะว่าคลัวจะเป็นลมจ้ะคะ่ะก็ เ, เลดได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเคี้ยงเป๊ะอะไรเงี้ยใ่ไครับไม่เป็นไรให้มันอยู่ในกรอลบรอบรถหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่เป็นไรแต่แต่สื่อสีนี่ยมก็จะถือแค่ข้อเดียวเจ้าค่ะเพราะทางคือยงว่ายมจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแค่นั้ น, นะะเจ้าค่ะคือแบบเราไม่ไม่ทาความรุ่งให้ใครมัมนะคอะนะค่ะ ก็จะมีเรื่องมันเทอะอะไรก็ตัดหมดใช่ไหมเนื้อมไม่สนเยอะมันไม่สนเจ้าค่ะคือโยมไม่ค่อยได้ดูอะไรตั้งแต่ที่โยมมีลูกเจ้าค่ะโยมก็แต่ช่วงช่วงที่โยมปฏิบัติเยอะๆเนี่ยประมาณปีหนึ่งแล้วเจ้าค่ะโยมก็คือถ้าเวลาทํางานโยมก็จะฟังทำฟังพระอาจารย์เนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็สวดคาถาจักระพัดเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ว่าช่วงหลังนี่หายหมดเลยเจ้าค่ะคาถาหาย ไม่จำเต้องใช้มันละไม่จาเป็นต้องใ ช, ช, ช้ก็ค่ะคือหายไปเองก็ค่ะพระอาจารย์มีสติแล้วมีสติแล้วก็ไม่ต้องใ ช, ช้ก็ค่ะบางทีนั่งสมาธิก็ลงอุเบกขาเองแบบ ม, ม, มันพิจารณาไปช่วงแรกเนี่ยโยมพิดนาเป็นอริยสัจเลยเจ้ขาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าโยมไม่เข้าใจว่าอันเนี้ยที่โลมพิจรณามันเป็นอยู่ในสติปัฏฐานเพราะตอนนั้นโยมไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะเก็ค่ะส่วนเน้นปฏิบัติอย่างเดียวใช่ค่ะ ก็แล้วค่ะตอนนั้นที่ตัดได้ครั้งแรกก็คือตัดความโกรธแล้วค่ะพอาจารย์มันมันคติกกเข้าไปพิจมรณาเองใช่ค่ะแล้วมันก็รู้ว่าที่เราโกรธเพราะว่าเราอยากแล้วเราก็เมตตามันก็หายไปใช่ค่ะอประมาณนี้แล้วค่ะก็เกิดสภาวะทํำเรื่อยๆตอนนี้ตรงโยงก็ดูเรื่อยๆว่าไม่ประมาทเจ้าค่ะเผื่อกิเลสมันฝุดเผื่อสิ่งที่เราเข้าใจมันไม่ใช่เจ้าค่ะเผื่อ แล้วเรื่องการอารมณ์มีบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยเจ้าค่ะพรอาจารย์ก็ไม่มีเลยไการรู้สึกถามมียังอยู่ด้วยกันอยู่หรือไม่ได้อยู่ยังยังอยู่ในกังเจ้าค่ะแต่ก็คือโยมก็ไม่รู้จะโยมก็บอกก็เมตตาเขาเจ้าค่ะยงก็บอกว่าตอนนี้ยมเขียนใบลาออกแล้วแล้วก็ทำตามที่ทํำตามที่ของแม่บ้านไปเจ้าค่ะแต่ถ้าแฟนรับได้ยมก็จะพาลูกไปอยู่วัดเจ้าค่ะพระอาจาร ก็คือแต่ตอนนี้เขาก็ยังทําใจไม่ค่อยได้ใช่ไหะแต่ก็เรื่องเรื่องเรื่องกาอรอารมณ์เนี้ยโยมก็อนุญาตให้เขาไปมี ม, มีได้ใช่ไหมคะมีข้างนอกได้ยมไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหม ะ, ะแต่ถ้าปฏิบัติเนี้ยยมคือมันมันไม่มันไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ร่วมแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วมันจะไปกระตุ้นให้เขาเกิด การมาลมเรื่อยๆยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ก็พยายามเขาดึงดึงเข้ามาอยู่ในธรรมะเจ้าค่ะแต่ว่าคือเขาจะเป็นโทระสายกับโยมเจ้าค่ะเป็นเป็นแนวแบบหลวงพอ่อฤาษีลิมดำงเงี้ยเจ้าค่ะแต่โยมก็จะเนนมาทางนี้มโนธิอะไรนี่ใช่เจ้าค่ะเขาจะเน้นแบบมีฤทธิ์มีอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่โยมโยมไม่ค่อยสนฤทธิเท่าไหร่โยมเน้นให้ใ่ะหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่ แต่ววันนี้โยมมีท่านนี้ท่ า, า, านค<อ>่ะพาจารย์กลัวจะจะกินเวลาท่านอื่นเจ้าค่ะอ๋อไม่เป็นไรถ้าพูดปรีชา <c oughs> จะได้ให้คนอื่เขาจะได้รู้ว่าเราสามารถปฏิบัติทำที่บ้านได้ไม่ต้องเป็นจะต้องไปหาวัดมันดีมากเลยเจ้าค่ะแล้วยิ่งพายจันเปิดซูมนิยมแบบโอ้ยรู้สึกก่อนหน้านี้นี่โยมก็เพียงไปหาพายจาันเรื่อยเลยเจ้าค่ะไปหาหลวงปู่จันเรียนไปไปทั่วประเทศเลยเจ้าค่ะ แบบอยากได้ทาแนะนําเพราะว่าเราปฏิบัติแล้วเราไม่รู้จะอ่านไม่รู้จะถามครูบาอาจารย์ยังไงองนี้ยเจ้าค่ะพอมีซูมพี่โยมรู้สึกดีมากแก้ชีตแก้ชีตที่สียวจันเนี่ยไปหาตัวท่านบานนี้ก็ไม่มีเวลาได้คุยกับท่านท่านก็คนเข้าไปหาเยอะใช่ก็ค่ะโยมไปใส่บาตรท้าอาจารย์ครั้งหนึ่งตอนพี่โยมตอนสมารสุราที่แล้วก็ค่ะโยมก็ออยากจระซ่าบพระอาจารย์กังเลยว่าคือโยมอยากเจ้าค่ะแต่มันก็ไม่เหมาะสมเจ้าค่ะโยมก็เลย เมื่อมี z o o ยมก็ใช้โอกาสตรงนี้แล้วยมก็พยายามบอกญาติธรรมทั้งหลายว่าให้เข้ามาถามอาจารย์ค่ะพวกหลังเนี่ยยมคุยไม่รู้เรื่องแต่ยมก็ให้เขาเข้ามาพูดทางคารในเมื่อคือ <c oughs> นภาษาอังกฤษนะ <c oughs> ให้เราเข้าไปที่หน้าภาษาอังกฤษเพจภาษาอังกฤษแล้วก็จะสองทุ่มก็จะมีเร่งง่ายเขากดเข้ามาได้ค่ <c oughs> ะอาจารย์ยมปฏิบัติอย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆ ก็ดูจิตเราเนี่ยดูจิตเราอยังยังวุ่นวายหรือเปล่าถ้าวุ่นวายก็รีบตัดนะเชค่ะคือเวทนามันก็จะยังมีเอ่อมีเรื่อยๆนะก็ค่ะมันก็ไม่ได้ว่าหายไปแต่ว่าจิตเนี่ยมันคือเขาเหมือนเวทนาเราไปกาจัดมันไม่ได้ก็มันเป็นขันเป็นขันค่่ะิใจเราอย่าไปวุ่นกับมันจะได้ที่เราต้องการเือใอยู่กับมันให้ได้ เมืเม่อก่อนเวลาเจ็บขึ้นมาไหนโอ้ใจวุ่นปวปวนปั่นป่วนไปหมดเลยใช่ค่ะแต่ก่อนนี่เวลาโกรธนี่โยมเหงื่อแตกแบบพูด mm hmm. คือรู้เลยว่าอย่างเนี้ยตัวเองโกรธไงค่ะตอนนี้พอมีเรื่องอันนี้มากระทบเออมันไม่เห็นเป็นเลยแต่เราก็โต้อตอบเขาได้นะคะคือหมายถึงว่าใช้เหตุผลใช้อะไรพูดกับเขาเนี่ยค่ะได้ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะคะดีมากดีมากคก็ <laughs> ปฏิบัติไปแล้วมีอะไรก็มามามาแบ่งปันกันนะมาบชนนะสาธุนะะสาธสาธขอบพระคุณแม่จันมากว่าเราพูดแต่เรื่องเราคนเดียวไม่ดีมีคนอดินมาเป็นช่วยช่วยสนับสนุนในค่ะ่โยอก็พยายามไม่คุยให้ใครฟังเยอะนะคะพระอาจารย์เพราะว่าบางคนมันต้องอยู่ที่การละเทศะอยู่ที่การลเทศะใช่ค่ะถ้าคุยก็ไม่รู้เรื่องใหญ่แบบนูนเดี๋ยก็จะหาว่าเราเพิ่ม แต่ถ้ากับคนคที่รุ่นเรื่องใยกันพูดไปเนี่ยถ้าหลายเท่ากันตร ง, งนี้คนที่รุ่นเรื่องที่ยมรู้สึกอย่างอย่างสวนทนากับพระอาจารย์ที่รอรู้สึกเฮ้ยดีจังเลยดีแบบคุยอเจ้าค่ะเวลาไม่เปนฮพูดเรื่องเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเจ้าค่ะบางทีบางคนมาพูดถึงสภาวะที่ลึกๆเวลาตัดเกิดอะไรขึ้นเนี้ยเจ้าค่ะ ถ้าถ้าคนปฏิบัติทําด้วยการจะจะรู้เรื่องแต่ถ้าบางคนปฏิบัติไม่ถึงเขาก็จะพูดอะไรนะเจ้าชายตอนนี้โยก็บางทีใช้บันทึกเอาเจ้าค่ะพระอาจารย์เขียนเจ้าค่ะทิ้ได้มันได้เรียนรู้ไปด้วยกันคนที่เขาสูงมาแล้วเขจะได้สอนต่อไปในตัวเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีสาธุนะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะเชิญคุณฟ้าเลยคุณฟ้าเลยคุณฟ้า เป็นพิธีการค่ะหลวงพ่อโกนเรียบ ร, ร้อยแล้วนะแล้วเรียบร้อยแล้วคัะวันเสาร์มาปุ๊บก็กแดงว่าก้าวหน้าในธรรมมากขึ้นเราเราวัดความก้าวหน้าด้วยดูที่เส้นผมนี่แหละผมยิงยงย่งยาวยิงย่งยิ่งไม่ก้าวหน้าผมยิงมย่งสั้นยิ่งก้าวหน้าเนี่ยที่ตัวธรรมมาอยู่ตรงตรงที่ผมเนี่ยรู้ไหม กลัวำคานมันมากเลยนี่ี่โก น, น, นครั้งที่สามเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก็โกนเรื่อยๆค่ะก็พอโกนเสร็จปุ๊บหลวงพ่อพีอ่พี่หนิงก็หนูก็ป๊อปไลน์ไอเนี้ยค่ะหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมโ ก, โกที่วัดอายุทยา ah เข้าซูมค่ะมัดมะหิยงค่ะซูมออนไลน์เข้ามาเจ็ดวันผู้ปฏิบัติเก่าปฏิบัติใหม่หนูก็คว้าเลยแล้วก็ ใส่เขาเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เจ็ดวันนะคะหลวงพ่อก็เลยจะมารายงานหลวงพ่อว่าเออ่วันที่วันพุธหน้าหนูจะต้องไปปฏิบัติเจ็ดวันกับหลวงพ่อสุรศักดิ์คือถึงนะคะปฏิที่บ้านเนี่ยใช่ไหแต่เข้าไปรชปไมไม่ไม่ต้องบินแล้วคะ่ะหนูหนูว่าประหยัดไปเยอะมากคือนี่นี่คนอื่นเขาไปทั่วประเทศไทยแต่หนูนี่คลั่งมากกว่าไปทวีปโลกเลยไปทุกไปเปลืองตงังค์ให้แบบ ดีว่าอยู่กับคุณแม่ก็ประหยัดไปเนีเ<ข>่เอย่างนี้าจะทางานเขาก็จะจัดโปรแกรมมากตอนนี้ทาําวัดสวนมอนตอนนี้เดินจกรมช่ไนี่ก็โ ป, <ง>โปรแกรมแบบที่วัดปฏิบัติสายศีลแปดอย่างนี้เลยค่ะเหมือนอยู่ที่วัดแ ต, ต่ทําที่บ้านแล้วก็หลวงพ่อท่านเน้นเรื่องอประจําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็ทําตลอดกับท่านในออนไลน์แต่ทําที่บ้านเนะะี้ยค่ะฟังทําเหมือนของหลวงพ่อสุชาตะค่ะ แล้วเข้าซูมบ่อยไหมวันวันไม่เข้าทุกชั่วโมงหรือว่ามีเวลาเข้าอมแล้วแต่ทางวัดนี่ครั้งแรกอะค่ะที่หนูดูรู้สึกว่าท่านเจ้าหน้าที่เขาจะมีพี่เลี้ยงเลยนะคะหลวงพ่อ<ม>น่าจัดนะคะ<ม>พี่เลี้ยงตัวต่อ ต, ต, ต, ตัวแล้วก็เ อ, อ่อเขาจะไลน์มาเข้าไลน์แอปไลน์ไอเดีย ID นี้ยค่ะแล้วก็ติดต่อแล้วก็ทางวัดเขาเร็วมากก็ปิ้งบลังดิงบลังเขาเขาก็ตอบตอบพี่เลี้ยงคือคนต่อคนต่อคนต่อคนเนี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวหนูจะมารายงานหลวงพ่อว่าการปฏิบัติออนไลน์ที่บ้านเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือหนูเริ่มเริ่มมาเป็นเดือนแล้วค่ะทําเองแล้วก็ฟังหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกองค์อะไรธรรมะอะไรที่มันเข้ามีความสงสัยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็บรรเทาไประดับหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติพัฒนาได้ได้ได้อย่างรวดเร็ว มันถึงเวลามั้งคะหลวงพ่อเพราะว่าจะเป็นสายในพุทโธหรือพองหนอยุบหนอคือให้เป็นธรรมะเงี้ยค่ะของพระพุทธเจ้าหนูก็ฟังพาร์ทิเบด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันคือามาใช้ได้ถ้ามาใช้ได้ก็ใช้มันได้หมือเครื่องมือเครื่องมือค่ะแล้วคุยกับพี่ค่ะแล้วคุยกับเพื่อนการยาในมิเดดคนหนึงพี่เขาจะปฏิบัติ เขามีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาปฏิบัติได้แบบนั่นตลอดเลยแล้วก็เราคุยกันเมื่อวานเขาก็สัมผัสได้ว่าทุกคนฟ้ากับเขาคือสงบแล้วก็เอามาปฏิบัติประจำวันมันใช้ได้แบบที่หลวงพ่อบอกเลยอะค่ะ <Okay. S 2> สติคุมค่ะค <Okay. S 2> ือตอนนี้ก็การปฏิบัติหนูเดินจงกรมนั่งสมาธิมันไม่จำเป็นเลยว่าเวลาอะไรคือมันมันอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแม้กระทั่งหลับ ยกเว้นว่าเราหลักเข้าไปมันก็คือไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถามีสติไม่เริ่อมสติไม่เริ่ ม, มนเมมนนะไม่ได้เที่ยวเคน้นนัะนะใช่ค่ะเป็นคือคําถามเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะเกินเวลาคนอื่นคําถามเลยมีสองอย่างคะ่ะที่หนูอ่านแล้วหนูยังไม่เข้าใจใ ห, หลวงพ่ออธิบายเรื่องอุปจารสมาธิความแตกต่างระหว่างสองอย่างเนี้ยคะ่ะกับอัปปนา อปปนาสมาธิย่ะปปะนาสมาธิกับอุปจาราสมาธิค่ะหลวงพ่ออัปปนาสมาธิก็คือจิตรวมนิ่งอยู่ในความสงบสักแต่ว่าวรู้อยู่ในอุเบกขาแล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ทําอะไรไมีแค่นี้คื อ, อปปนาสมาธิอแล้วก็อยู่ได้นานอ ถ้ามีสติีก็จะอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบสามสิบนาทีสี่สิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงไปก็ อ, อยู่กาบพลังของสติอันนี้เป็นสมาธิที่ดีเป็นสัมมาสมาธิเพราะมันให้พลังกับจิตคือเบกขาไว้ต่อสู้กับกิเลสแล้วก็สามารถต้านกิเลสได้เวลาที่เราจะไปพิจารณาทางปัญญาเราก็จะพิจารณาได้นาน จะเนี่พิจารณาสุภาพในลักษณะต่างๆก็จะพิจารณาได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขาเดี๋ยวกิเลสมันเด้งไปให้ไปคิดเรื่องนึงนี่คือนี่คื อ, อัปปนาสมาธิสมาธิที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราจำเริ่อกันเพื่อให้ไปขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาต้องมีขั้นต้องมีอัปปนาสมาธิเป็นผู้สนับสนุน ส่วนอุปจาระสมาธินี้เป็นสมาธิที่ไม่อยู่นิ่งๆคือรวมเข้าไปในอัปนาแล้วถอยออกมาหน่อยคร้บอถอยไม่ได้ถอยออกกลับมาที่จิตปกตินะถอยออกมาเพื่อไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์เช่นจะเห็นกายทิพย์ได้ยินเสียงทิพย์อะไรต่างๆจิตตากับพวกกายทิพย์ได้คุยกับเปยคุยกับผีคุยกับเทวดาได้ครบชุ คุยกัคนนี้ไม่ชอบฟังอะไรใช่ไหมคะไม่พอก็อไม่รู้แหละอันนี้มันเป็นหรือแยะหรือถ้าถ้าเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็อาจจะเป็นเวลาอยู่ธรรมดาก็อาจจะไปใครใครเขาก็มาคิดอะไรอยู่ก็ได้ยินความคิดเขาในใจอูวาระดูวาระจิตของผู้อื่นหรือลองเลือกชาติได้แ ล, ล้วด้วยว่าชาติก่นอนเป็นอะไรเป็นหมาเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นนกเป็นอะไร ก่อนนั้นเป็นอะไรได้ไปได้เรื่อยๆ อ, <Okay. S 1> อันนี้คือผลได้จากอุปจารสมาธิแต่มันไม่มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันไม่มันไม่มีอุเบกขา mm hmm. มันยังมีอารมณ์อยู่มันยังนักชังเกียจกลัวหลงอยู่ mm hmm. เดี๋ยวเวลาออกมาจากสมาธิแบบนี้จะไม่จิตจะไม่มีกำลัง mm hmm. เปลี่ยนเทียบเหมือนนอนหลับ mm hmm. นอนหลับแล้วฝันเวลานอนหลับแล้วฝันบางนี้ตื่นขึ้นมานี จิตเราเหนื่อยเน่ย<า>เหนื่อกับความฝันแต่ถ้าเรานอนหลับแล้วไม่ไม่ฝันนี่นอนหลับสนิทนี่ออกมาตื่นวมันจะสดชื่นมีพลังนะปัญญาสมาธิมันนอนหลับแล้วไม่ฝันปัญจารสมาธินี่มันนอนหลับแล้วไปฝันคื อ, อจิตต้องทํางานตลอดไม่มีการพักเลยใช่งั้นถ้าเราเป็นนิสัย คนที่จะได้อุปจาระนี่น้อยมากน้อยละห้าคนจะห้าคนจะได้น้อยคนจะมีสักห้าคนที่จะได้อุปจาระสมาธิมันถ้ามันเป็นวิสัยหรือเป็นวาสนาของเขาเลยแต่ถ้าคนนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนคนที่ได้ต้องระวังอย่าเพิ่งไปเล่นกับมันดึงมันกลับเข้ามามันมันจะหนีไปเที่ยวอย่าให้มันไปเที่ยวมันจะไปเที่ยวในตายภบอย่าให้มันไป หนึ่งมันกลับเข้ามาให้อยู่ในสมาธิอยู่ในอปปนาสมาธิด้วยสติของเราออการลงพ่อค่ะตอนนี้ยังอย่าไปเล่นกับมันให้เราเสร็จกิจของทางวิปัสสนาก่อนให้ฆ่ากิเลสให้หมดก่อนนะทีนี้ค่อยไปเล่นกับทางอุปจารสมาธิได้ไเหมือนองค์ุทะเจ้าหลังจากที่ท่านตัดสินแด้วท่านก็ใช้อุปจารสมาธิไปติดต่อกับแม่ท่านไปค้นหาแม่ท่านอยู่สวรรค์ชั้นไหน พอเจอก็แสดงทำป่วมันรู้เป็นพระสมุดาวันได้ค่ะหลวงพ่อถ้าเราไปเล่นกับมันตอนนี้กิเลสมันจะมาครอบงาจิตใจเรามันจะหลอกให้เราคิดว่าเราเก่งเรารู้นี่นี่แล้วมันก็จะหลอกให้เราโลภให้เราโกรธโดยไม่รู้สึกตัวค่ะ้าใจอย่าง้าใจเราแบบนี้แล้วมีอีกอารนึงเขาเรียกคณิกาสมาธินะ คณิการนี้ก็คือสงบแบบอัปปนาแต่เดียวเดียวหนึ่งขณะหนึ่งขณะเขาเรียกคณิกะสมาธิเหมือนย่ำย่ำอยูมีคนที่เมื่อก <han> ี but, immer, ah. ้ล mm. ่าให้ฟังว่าพอจิตสงบได้ปั๊บหนึ่งแล้วก็ดีใจเออแต้นก็ถอนออกมาคณิกะสมาธิยังไม่เห็นไดโนเสาร์ต้องต้องให้เห็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ใหญ่ในตอนที่หลวงพ่อรู้เข้าใจแล้วค่ะ คณิกะ <Okay. S 2> หนูยังได้แค่คณิกะอยู่ <Okay. S 2> เพราะว่าเข้าไปแป๊บเดียวก็ต้องถอนออกมากิเลส ด, ดานออกม า, าทำอยากดันออกมาอยากไปทางตาหูจมูกนิ้วกา ย, กายต้องฝึกสติให้มากให้มีกําลังแรงกว่ากาลังของการมาฉันทะการมาฉันทะจะค่อยดันจิตใ ห, <ม>ให้ออกมาทางตาหูจมูกนิ้นกา ย, กายมันต้องไปทางใดทางหนึ่งนะคะหลวงพ่อถ้าสติดีก็จะดึงมันเข้าไปดันมันเข้าไป มีคำถามระหว่างกหมดแล้วก็ประมาณนี้ค่ะเพราะหลวงพ่อก็ทุกอย่างแล้วที่ที่ก่อนเจอหลวงพ่อก็อุปจารสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ระวังเรื่องนี้น้องหนูก็เลยแบบเยอะแล้วถอยถอยตอนนั้นที่อย่าก่อนเล่นอย่างมันมันเป็นของเล่นมันไม่ใช่เป็นมันเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับหนูอะฮะเพราะไม่งั้นวิปลาสแน่นอน ถ้าจะหลงหลงตนหลงคิดว่าตนเองเก่งเหมือนเหมือนเทวทัตเนี่ยก็ได้อุปจารสมาธินั่นนั่นพระเทวทัตนะคะหลวงพ่อหนูไม่ได้เก่งกันท่านน่ะท่านยังบรรลุเป็นปัจเจกับพุทธเจ้าหนูไม่ไม่ท่านมันต้องแวะไปนรกก่อนพยายามข้าวพุทธเจ้าถึงสามครั้งกวันจะได้ขึ้นวันนี้ก็แย่แล้วนะคะหลวงพ่อหนูว่าหนูอยู่เอาเอาคุวิปัจจารีก็แค่นี้ทํามาก็ เท่าทางแล้วค่ะหลวงพอ่อปัญญาไม่มันแช่อยู่ในอัปนาสมาธินานๆแล้วพอออกมาก็หันลองพิจารณาทางปัญญาตายรักดูดูซิว่าอะไรเป็นตายรักไหมมีอะไรไม่เป็นไตายรักไหมดูเสียงกลิ่นรสลาบยศจันทริญร่าง ก, กายของเราเวทนาสัญญาเวทนา อ, อารมณ์ต่างพิจารณาไปค่ะก็จะได้ปล่อยวาง เไปยดไปติดเวลามันเปลี่ยนไปมันจะทำให้เราทุกข์ค่ะก็เรื่องจรงจริค่ะโอเคแล้วมีอะไรก็มาไลาฟ์ทนะหลังจากเดี๋ยวมารายงานตัวคะ่ะพอนะพอทำกร <c oughs> รมฐานเสร็จก็มาพุทธต่อไปค่ะท่านต่อไปคุณสุ ท, นสนทัสณนีเชิอยากปทุมธานีใช่ไหมปราระอาจารย์ค่ะ มีอะไรบ้หรอคะวันนี้จะเรียนท่านอาจารย์ว่าวันนี้หนูไปฉีดวัคซีนมาค่ะป้องกันโควิดค่ะเป็นฉันว่าแพทย์เนี่ยเป็นฉันว่าแพทย์ใช่ไหมแพทยเจ้าค่ะอาจารย์อ่าฉีดของทีโนแวคค่ะอาจารย์ค่าตัวหนูฉีดตอนประมาณแปดโมงคึ่งตอนนี้ยังไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะอที่แบบค่ะมีแบบเจ็บตรงที่ฉีดนิดเดียวเองค่ะเหมืนฉีดยาทั่วไปเหมือนฉีดมันฉีดวัคซีนทั่วไปเลยค่ะดี แต่ว่าถ้าอถ้าจะฉีดผู้ผู้จะรับประกินแต่ต้องเตรียมตัวก่อนคือต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพออ่าถ้าเป็นไปได้ก็งดชากาแฟสักสองวันค่ะเออเนี่ยจะไม่มีอาการจะไม่ไม่มีอาการแข็งเคียงนะให้ร่างกายแข็งแรงให้ได้พักผ่อนหลับนอนรับกำลังกายใช่จ้ะค่ะไม่ได้น่ากลัวนะคะสําหรับหนูค่ะเออหนูไม่ไม่ไม่วิตกกังวลว่าจะไปแพ้ไปอะไรอะไรไหม ไม่ไม่ได้มีตกตตงวนค่ะนึกถึงคําของพระอาจารย์ค่ะค่ะแล้วต้องฉีดแคนดิปซ์สองีกเมื่อไหร่อีกสองอาทิตย์เนี่วันที่สิบเก้าค่ะพระอาจารย์ค่ะสิบเก้พาพฤษภเดือนหน้าเลยอืมค่ะแล้วสอาทิตย์เนี่ยค่ะโอเคแล้วก็ค่ะจะเรียนถามพระอาจารย์อีกคําถามเดียวค่ะสั้นๆนะคะพระอาจารย์ค่ะอ่าอ่าเราเป็นฆราวาสจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรให้ได้อัปนาสมาธิเจ้าคะ ก็อยู่ที่สติเนี่ยต้องฝึกสติให้มากบ้างฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาคุม้มควบคุมจิตอย่าให้มันลอยไปลอยมาอย่าให้ไปคิดเพ้อเจ้อให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่กับร่างกายตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมายืนก็รู้ก็รู้กำลังยืนเดินก็ลูกลกลงลง้กำลักกงเดินอาบน้ำก็รู้กำลัอาบน้ำลกก้างานหน้าแปรงฟันให้มันอยู่กับร่างกายไปและไม่ใช่นั้นก็ให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไป แต่ถ้ามันจะคิดถึงนั่นดีไปคิดถึงนั้ น, นาก็คิดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้คิดถึงวันนั้นคิดถึงวนันนี้ถ้าไม่จาเป็นจะต้องคิดจะไม่คิดนะค่ะแล้วเราจะมีสติจะมีกำลังมากพอเวลานัา่งดูลมมันอยู่กับพุทโธมันจะไม่ไปไหนแล้วมันก็จะสงบได้ง่ายค่ะอาจาัย์คระหว่างพุทธโธกับการดูลม อันไหนจะเข้าง่ายกว่ากันคะหรือแล้วแต่ลอง<ต>ดูน ล, ลองดูแล้วแต่จิตของแต่และคนชอบแบบไหนก็ลองแบบนั้นอยู่ค่ะเคยเคยได้คณิตฐาครั้งมือค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ว่าอันนั้นใช้อานาปานสติค่ะแต่ช่วงระหว่งางวันหนูจะท่องพุโทโธค่ะเออได้ช่วงระหว่างก็ท่องพุโทโธแล้วไม่ท่องก็ดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งเป็นเหมือนกับดูลมไปในตัวนะท่านี้จะดูลมก็ดูร่างกายแทนเจ้ค่ะ วันนี้อหมดคําถามแล้วเจ้ค่ะโอเคสาธุขอให้ไม่มีกมขอให้ปลอดภัยนะไม่มีอะไรนะสาธุไม่ะคะสาธุสึกไม่มีข่าวว่าคนที่ฉีดในประเทศไทยชิโนแวังนี่มีผลมีมีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีเจ็บไายได้ป่วยอะไรไม่มีข่าวเลยนะอันนี้ข้อมูลยังไม่ยังไม่ทราบนะคะอาจารย์คายยังไม่ทราบเหตุติข้อเหตุจริงเลยเจ้าค่ะ แต่สำหรับตัวหนูที่ไปฉีดมามันยังไม่มีผลอะไรเลยค่ะอออดีโอเคอเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปนะพระจ้าคุณหมอภาสนาฉีดแล้วมั่งเป็นหมอเนี่ยนหมอฟันจันทรแพทยอันม่รอ่าค่ะอ่ากลับสมรสักการ์พระอาจารย์นะคะสวัสดีคุณใคุลลาคุณชัยก็จริงๆเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกค่มีที่ลำปางแต่ว่ายังไม่แน่ชัดนะคะชิโนแวคเป็นก่อนเลย แล้วก็ที่บ้านฉีดหมดแล้วตัวของตัวเอฉีดต้นเดือนฉีดเลขตัวแต่ว่าที่บ้านฉีดหมดแล้วทุกคนเลยทั้งคุณพ่อทั้งน้องสาวแล้วก็แล้วก็แฟนก็ไม่มีอาการอะไรนะคะก็พอฉีดเสร็จปุ๊บแม่ก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสักตึ้งชั่วโมงค่ะเขาเขาเขาดูอาการฉีดซีโนวคหมดแล้วคุณพ่อคุณพ่อแปดสิบกว่าฉีดแอสตราค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรฉีดไปหมดแล้วเขาตัวเองก็จะฉีดต้นเดือนค่ะเราไม่ต้องกลัวทุกคน ใช่ทุกคน<ม><ม>ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็ฉีดเลยค่ะเพราะว่ามันคือป้องกันถ้าเป็นมันก็เป็นน้อยลงคือมันไม่อันตราย<ม>ได้ก็วันนี้ก็จะมาะรายงานนะคะ<ม>ระับอาจารย์ว่าอะไรที่แล้วเนี่ยเท่าที่เชฟพี่าอาจารย์บอกอะ่ะก็ก็คือปฏิบัติเหมือนเดิมนะคะอาจารย์เพิ่มมากขึ้นก็นคือวราต้องกลางวันก็ใช้ไตรลักกั บ, ก, บกับเรื่องของสติเนี่ยทํางานคือกลับมาจากเขาเนี่ยงานมันเยอะขึ้นก็ทํางานแต่คือรู้สึกเลยว่ามันรักษาความเป็นกลางของอารมณ์ได้คือทํางานเยอะๆเนี่ยมันไม่มี มันสนุกอ่ะพระอาจารย์แล้วก็งานก็เสร็จได้ไวขึ้นทําให้เรามีมีเวลากลับมานั่งนั่งทานั่งสมาธิได้มากขึ้นแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็คือรู้สึกก็อยากกลับไปที่ขขาชีวะอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปอีกไปวันที่สิบสามสิบห้ามสิบห้าคือรู้สึกชอบมาก<า><ๆ>เพราะว่ามันได้อะไรเยอะ ม, มากเลยพระอาจารย์เพราะมันอยู่ในป่า<ม>คราวนี้เยจะกลับมารายงานน่าจะน่าจะเดียวครั้งแรกเพรครั้งแรกเนี่ยไปแบบไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ถามใครเพราะกล่าว่าไปก็คือไปเลยเราทําใจให้ไม่กลัวแล้วไปคราวนี้กก็็จะไปแล้ว ตอนนี้ก็าถือศีลเพิ่มขึ้นเป็นสี่วันมีคําถามนิดนึงค่ะพระอาจารย์คืออาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกถึงเรื่องของสัพเพสังขารา น, นิจังสัพเพสังขาราทุกขังแล้วก็สัพเพธมานาตาก็คือพอเข้าใจนะพระอาจารย์แล้วก็ไปอ่านเพิ่มเนี่ยมันมีคําว่าวิสังขารมันแปลว่าจิตหรือเปล่าคะพระอาจารย์แล้วตัวเราเป็นวิสังขาร์ใช่ไหมคะอาจารย์วิสังขารก็เป็นธรรมที่ไม่ไม่ไม่ปรุงแต่งสังขารก็เป็นธรรมที่ปรุงแต่งเช่นร่างกายเรานี้เป็นสังขารปรุง <c oughs> แต่งด้วยดินน้าหลองไฟ วิสังขารก็ทําที่ไม่ปรุงแต่งก็พวกธาตุธาตุเดิมเนี่ยธาตุดินนี่ไม่ได้ผสมไม่ได้ปรุงแต่งเดิมธาตุดินก็เป็นธาตุดินธาตุน้ําก็เป็นธาตุน้ําเสมอธาตุลมธาตุไฟพวกนี้เราเรียกธรรมาเราเรียกว่าเป็นธรรมานัตตาไม่เป็นสังขารใช่หไหมสังขารนิจสังขารทุกขาแต่พอมาถึงตัวธรรมานี่ทุกอย่าง ธรรมะนี่รวมทั้งสังขารกับวิสังขารเป็นอนัตตาหมดเพราะมันทำมาจากธาตุทั้งนั้นร่างกายก็ทำมาจากธาตุข้าของเงินทางอะไรต่างๆก็ผลิตมาจากธาตุทั้งนั้นแสดงว่าตัวตัวผู้รู้จิตผู้รู้ก็คือวิสังขารเหมือนกับทธาตุดิานั้นธาโลไฟใช่ไหมครับใช่ธาโุก็เป็นธาตุหนึ่งในธาตุหกอ๋อธาตุนวิสังขารเข้าใจแล้วใช่ไัม ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุที่ห้าก็อัอวกาศธาตุที่หกก็ธาตุรู้คือจิตนี่ธาตุทั้งหกนี้ไม่มีวันสูญไม่มีวันอายมันก็มีออกมาอยู่นี้มาตลอดเห็นแต่ว่าบางทีมันก็ไปรวมตัวกันเป็นร่างกายของเป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอะไรไปเช่นธาตุสี่ดินน้าลมไฟรวมตัวกันก็เป็นร่างกายของมนุษย์บ้างของของสัตว์ในราชานบ้าง แล้วธานรู้ก็มาเกาะแล้วก็มาทํากิจกรรมของกิเลสส่วนใหญ่มาทํามาทํากิจกรรมของกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวอักดันให้มาให้ตัวธานรู้นี่มาเกาะติดกับร่างกายก็จะได้ใช้อวัยวะของร่างกายเป็นเครื่องมือแสวงหาความสุขทางอารมณ์ดังนั้นพ อ, อได้ปัญญาทางธรรมะก็ตัดไป เพาเป็นความสปลอเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เป็นเหมือนยาของเคลือบน้ําตาลุขแบบผิวเผิเลเแล้วเดี๋ยวก็เจอความทุกข์กันค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็พยายามก็ใช้อย่างที่พระอาจารย์บอกก็ตัดมาไม่รีเรื่อยก็คือมันจะเบาบางลงเรื่อยๆก็เลยอยากจะกลับไปซ้าอินชีนที่เขาซีอออาจารย์ค่ะคุณบครัปฏิบัติปฏิบัติ เพิ่มเพิ่่มมากแต่ยังไปคิดถึงอนาคตมากเกินไปนะพยายามให้ไปได้เราะจะไม่ได้ไปแต่ก็ยังไงก็ทำค่ะอาจารย์เดี๋ยวมันจะหลอกให้เราลืมปัจจุบันไปคิดถึงแต่อดีตถึงอนาคตเนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงที่ที่จริงขึ้นมาก็เอห็นมันเป็นเหมือนที่เราคิดไลยค่ะอาจารย์อืมไม่ไม่มีอะไรครับอาจารย์อย่าไปปรงแต่งให้มากเกินไปค่ะคิดด้วยเหตุด้วยผลได้อย่าจะไปปูแต่งจินตนาการตามความอยาก ว่าไปนี้คราวนี้จะต้องได้อย่างมู้นได้อย่างนี้อะไรขไม่ไหมเดี๋ยวเกิดมันไม่ได้มันจะผิดหวังคราวนี้จะให้ชัดๆเพราะอาจารย์พวกเขาที่แล้วมันแบบคราเนีย้เ่าให้แบบชัดเลยเพราะว่าต่างว่าไปทางนั่นเราให้แบบคือแบบจะได้มันชัวร์เลยชัวร์ใช่ได้จริงหรือเปล่าใช่ใช่เราะอาจารย์พวกเขาเอาของเอาชัวร์ๆไปกลับอีกที่หนึ่งครับโอเคดีต้องปฏิบัติให้มั่นใจเดี๋ยวมันก็มั่นใจ ค่ะอาจารย์มันยังไม่อาจารย์เดี๋ยวไปที่คุณมาลีต่อคุณมาลีเชิญอเดี๋ยวใครอยากจะถามรอกสองก็ถามได้นะแต่รอบแรกนี่อาจจะให้ให้ใช้ทําเวลาหน่อยหลวงพ่อคะหนูก็ยังปฏเสียงดังหน่อยยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะได้ยินไหมคะ่ะได้ยินนะยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่า ถ้าถ้าเปรียบเทียบเมื่อตอนไปอยู่ที่วัดเนี่ยมันที่วัดมันจะได้เยอะกว่าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเวลาเรากลับมาทางเนี้ยเราต้องมีหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยปฏิบัติได้น้อยค่ะหลวงพ่อ <c oughs> ก็เหมือนลงจากทางด่วนี่ยวัดก็เหมือนขึ้นทางด้วยค่ะหลวหลงพ่อเรากลับจากวัดก็ลงมาลงลงมาขับรถใต้ทางด้วนไป <c oughs> <ต>เจอไฟแดงเจออะไรเ ย, ยากๆกันใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าหนูยัง ทำยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราปฏิบัติถึงที่มันจิตมันรวมแล้วค่ะหลวงพ่อกายแล้วก็ไอเวทนาอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันคือความรู้สึกเนี้ยมันจะดิมันดีมันสบายใจมันรู้สึกแบบเบาๆอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อใช่ใช่ค่ะมันรู้สึกมีมีความสุขนะคะหลวงพ่อแต่ว่าอพอเราไปเออ ทางปัญญาไงคะหนูยังสงสัยตรงที่ว่าอย่างสมมติเราพิจารณาไอ้ตรงเรื่องหนังหนังเราเนี่ยตามตามไตรลักษณ์ที่บอกว่ามันไม่เที่ยงมันมันเป็นมันไม่เที่ยงแล้วก็มันเป็นอะไรอนัตตามันบังคับไม่ได้ไอ้คาว่าไม่เที่ยงหนูก็เข้าใจว่ามันคือไม่คงสภาพเดิมแปลเปลี่ยนไปใช่ใช่ไหมคะหลวงพ่อได้ต้องเสื่อมไปใช่แล้วก็ต้องเสื่อมค่ะแล้วอย่างอนัตตานี่ยเราก็บังคับให้มันอยู่เดิมไม่ได้ กตทำได้แบบชั่วค้ามชั่วคราวไปให้เขาดึงเส้นดึงสายไปอยังมันก็หย่อนอย่างเี้ยม่นไปฉีดฉีดนีฉีดเนี้มันเต่งแล้วไอ้ที่มันและไอ้ตรงที่มันทุกข์นี่มันหมายถึงว่าเราทุกข์หรือว่าใจเราไทุกข์เพราะมันเปลี่ยนเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนไงเราอยากจะให้มันเต่งตึงสาวอยู่ตลอดเวลาสาวสวยไม่สา่งบางไม่รู้เลยอ๋อค่ะตอนแรกห่งพอมันเริ่มแก่ขึ้นมาก็ทุกข์ก็สิ แต่ถ้าถ้าสมมติว่าเราเราเราพิจารณาไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปไปทุกข์กับมันอย่าเงี้ยคือเราเรารู้แค่ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เรายอมรับมันเอะเรายอมรับมันเราเขาไม่ทุกข์กับมันเวลามันเหี่ยวก็ไม่ไปเดือดวุ่นไม่ไปวุ่นวายค่ะอ๋ อ, อ, อก็คือตอนแรกหนูว่าสงสัยว่ามันเป็นทุกข์ยังไงหนูเพราะว่าเราไม่ได้ไปกังวลกับมันตรงนั้นหนูเลยไม่เข้าใจว่ามันทุกข์ยังไงค่ะหลวงพ่อ กไม่ทุกเกษตรเพราะเราเยงเราล่ำลรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เราก็ไม่ทุกโอ้ค่ะหลวงพ่อเรารับความแก่ได้รับกความเจ็บไข้ได้ป่วยได้รดับกับความตายได้เราก็ไม่ทุก ค, คนที่<ต>เราไม่ได้เขากะ็จะทุกโอ <texting> ้ค่ะหลวงพ่อครับแล้วทุกสิง่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของเนี่ยมันจะต้องเข้าหลักไตรลักษณ์หมดเลยใช่ไหมคะหลวงพอ่อใช่ทุกอย่างเป็ไนไตรลักษณ์หมดถ้าเราไปยึดไปติดก็จะทุกเนี่ยเวลามันจะกเราไปเวลามันเปลี่ยนไป ค่ะหลวงพ่อแล้วไอ้คําที่ว่าสมาธิที่เข้าลึกๆนี่มันหมายถึงยังไงคะหลวงพ่อมก็เข้าถึงฐานน่ะเข้าถึงอัปนา น, นิ่งสงบเต็มที่จิตขันขนามขันหยุดทํา ง, งานอ๋อค่ะเวท น, นาสัญญาสังขารมิญญาณนิ่งแล้ว แ, แล้วมันเแตตต่ัตัวววรูดียคือคือที่บอกว่ามันไปได้มากกว่านี้อีกคือมันประมาณไหนคะหลวงพ่อนูม่เคือการอปชฌา จากชั้นระชานสี่แล้วยังมีอารูปประชาญอีกสี่แล้วน ะ, ะ oh. ซึ่งจะจะว่างมากกว่ารูปประชานจะเนิ่งมากกว่ารูปประชาน <Okay. S 2> จิตตอนนั้นจะเป็นเหมือนอวากาศจิตจะเป็นเหมือนอะ ไ, ไอ่านดูในคุณลักษณะ ข, ของรูปอรูปปฌานสี่แล้วยังรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมคะถ้าไปตัว ร, วรู้ตัวรู้นี่รู้ตลอดเวลาตัวรู้ไม่มีวันหาย oh. ยิ่งชัดขึ้นยิ่งชัดขึ้นตลอดเลยค่ะหลวงพ่อ แ ต, แต่การปฏิบัติไม่จําเป็นต้องไปถึงไม่ต้องเกินขั้นอั ป, ปนาไม่ต้องอปปเกินขั้นรูปประฌานสีก็พอได้โมเบคาเราต้องการตัวเบขาตัวนี้ตัวเดียวค่ะหลวงพ่อครับบางครั้งอมันเหมือน ม, มันจดจ่อว่าอุ้ยมันจะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี้ยมันก็ไ ม, ไม่ถึงไม่ถึงเพราะมันไม่ได้มันไม่อยู่ปัจจุบันแล้วมันไปอนาคตไปคาดต้องกลับมาอยู่ปัจจุบันอยู่กับลมไม่อยู่กับพุทโธไป ค่ะค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคขาคืออันนี้ถามอีกนิดนึงค่ะหลวงพ่อมันมีสำนักบางที่อะที่เขาบอกว่าเออทำปฏิบัติดำน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมม้วนผมอะไรเงี้ยมันสำเร็จได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะห<ร>ลวงพ่อย เ, <ร>เราไม่รู้หรอกนี่ก็เรามัน ม, มีมันมีหลากหลายสำนักหลากหลายวิธีด้วยกัน เพราะว่าเราเอาวิธีของพระเจ้าันดีที่สุดนะค่ะหลวงพ่อถ้าใครสอนอะไรที่มันแหวกแนวไปก็อย่าไปสนใจนะคนสอนน่อหลอกลอ้อหาวิธีง่ายๆจะบรรลุเร็วๆแล้วไม่น uh huh. วที่สุดที่สุดก็คือมรรคแปดของพระเจ้านี่ถ้าให้ยึดมรรคแปดไว้วิธีถ้ามันขัดกับมรรคแปดก็อยากไปสนใจค่ะหลวงพ่อ ค่ะวันนี okay. ้หนูก็รายงานแค่เนี้ค่ะหลวงพ่อหนูยัง right ทําเหมือนเดิมปฏิบัต <ok ิต่อค่ะหลวงพ่อม evet ีอะไรอยากจะถานต่อเดี๋ยวรอบสองเนอนรอบแรกขอไปเลยเลยค่ะหลวงพ่อท่านต่อไปคุณพัฒนาพรขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณอยู่ที่ไหนอาพาตศิษย์คายยูเครวิตค่ะโอเคจำได้แลมีอะไรมไหมวันนี่อ่ะ อัปเดตเอ่อถือศีลแปดเมื่อทิ้ที่แล้วค่ะเป็นยังไงก็ดีค่ะเอ่อก็ต่อสู้กับความหิวแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่าไม่ต้องคิดว่าตอนเย็นจะต้องกินอะไรแล้วค่ะก็รู้สึกดีดดดใช่าาแล้วค่ะใช่แล้วค่ะก็ก็มีฟังฟังเทศแล้วก็สวดมน แล้วนั่งสมาธิบ้างแล้วก็อ่านหนังสือทำมะตามเรื่องตามราวค่ะสามวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่ม อ, อีกรอบนึ่งก็ไม่มีเรื่องมีแรงก็ดื่มน้ำผลไม้ได้น้ำปานะน้ําส้มค้นคไรพวกนีได้แล้วน้ำตาลเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลผสมอยู่ในนี้ืินได้อ่าเป็นอาหารอย่าเป็นนมก็แล้วกันนมยอเกเนื้อในวันนี้ไม่ได้นมถั่วเนือนก็ไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นอาหารแล้วค่ะน้ําหนักลงเลย นี่เนี่ยวิธีลดน้ําหนักที่ที่ง่ายที่สุดที่ถูกที่สุดที่สบายที่สุดก็เขาอยากถินนั่นเองเตุผลมันก็บอกแล้วที่มันอ้วนเพราะมันกินใช่ไหมแล้วไปบิ่งให้มันอ้ามันไม่อ้วนหรอกวิธีที่จะมันไม่อ้วนก็เขาอย่าไปกินมันนั่นเองอย่าก็ลดอย่นีเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มอีกอีกรอบถึงเจ้าค่ะเอ่าทำไปเรื่อยๆต่อไปอาจจะอยากจะทําทุกวันก็ได้ติดใจคนบางคนก็ทําทําทุกวันไปเลย เมื่อกี้คกับคุณนิ่งคุณนิ่งจะสุขุไทยแกก็ถือศีลแปดทุกวันเจ้าค่ะเออมีอัปเดตเรื่องเรื่องเรื่องแม่เจ้าค่ะก็คือเมื่อปีที่แล้วอะค่ะเจ้าค่ะหนูเคยถามพระอาจารย์ในไลฟ์หน้าคุติว่าเออจะทำยังไงเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดระหว่างดูแลท่านปฏิบัติท่านหรือว่า บวชทดแทนบุญคุณเจ้าค่ะและพระอาจารย์ก็ได้นําว่าก็ถ้าบวชก็ดีเพราะว่า อ, อแม่จะได้มาวัดด้วยเจ้าค่ะ mm hmm. เพราะว่าแม่หนูอ่ะไม่ค่อยแทบจะไม่เคยไปวัดเลยเจ้าค่ะแต่ก็คือ mm hmm. มีใส่บาตรบ้างแล้วก็ทําทานปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยประจํำค่ะ mm hmm. แต่ถ้าไม่เคยไปวัดและล่าสุดก็คือก็เวลาคุยก็จะเล่าเรื่อง เรื่อว่าเออแม่หนูถือศีลแปดนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ ย, ย, ย mm hmm. ล่าสุดเมื่อวันส่งการแกปไปวัดมาเจา uh ้าค่ะแกแกบอกว่าเออเนี่ยเออตลกมากเลยแม่ไปทําบุญที่วัดมาเมื่อวันส่งการตวานก็แบบอ้าวเหรอแม่ไปมาเหรอใช่แล้วแม่ก็ปัดกวาดหิ้งเอ่อหิ้งพระในห้องพระด้วยนะแกก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูอ uh huh. ค่ะ มีส่งน้าพระด้วยเราค่ะก็ยังดีก็ดีเป็นจุดเริ่มต้นทำอาบิสบูชาไปก่อนแล้วต่อไปก็ค่อยไปปฏิบัติบูชาต่อรักษาสิเค่ะแต่เดินก็ไม่ได้สอนไม่ต้องสอนเราทำเป็นตัวอย่างเดี๋ยวท่านก็อาจจะเรียนแบบตัวเองเ้าค่ะไม่ได้สอนเราค่ะก็ทำตามที่พระอาจารย์บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปสอนพ่อแม่ค่ะ แต่ก็จะเล่าให้เขาฟังว่าทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดีให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปูนแต่ก็แต่ก็ต้องเล็งดูท่านด้วยท่านท่านเดือดรอนนะไม่ใช่จะให้ธรรมะแล้วก็อดอดข้าวอดอยาขาดกานไม่ไม่ได้นะต้องต้องให้วัดถุกทานก่อนให้อาหารให้ปัจจัยสี่ให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขสบายแล้วก็ให้ธรรมะต่อไปะแล้วค่ะ ก็ยังยังส่งเงินให้ใช้เหมือนเดิมเจ้าค่ะเออดีเป็นการทดแทนบุญคุเป็นการเลี้ยงดูพระอรหันตของเราทำบุญกับพระอรหันตของเราแต่บางทีแกเออแกก็จะจะมาถามเรื่องกวดน้ำต้องจำเป็นไหมบางทีแกบอกแกหาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้อง้ค่เจ้าค่ะใช่อธิษฐานจิตใจก็พอเจ้าค่ะดี ก็แกก็ค่อยเรียนรู้ไปแล้วต่อไปก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นไปเจ้าค่ะก็ก็จากก็มันก็เป็นความประหลาดใจอะนะเจ้าค่ะกวาดเซเลียมเลยก็คือปกติก็ไม่แกก็ไม่ค่อยทําอะไรทํานองอย่างนี้เท่าไหร่เจ้าค่ะก็รู้สึกดีก็คุยกับแฟนบอกว่าเออก็คงมาถูกทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืดี ทดแทน บ, บุญคุด้วยธรรมะดีที่สุดถ้าทำถ้าเป็นไปได้นะพระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะกบภาพระมารดาได้เป็นพระสวดาไปแล้วค่ ะ, ะก็ไม่มีไม่มีเรื่องอะไรแล้วค่ะก็มาอัปเดตแค่นี้แล้วค่ะอาจารย์สาธุต่อไปที่ท่านต<อ>่อไปนะคุณเอกจะเชียงรายเชิญคุณเอกกับนวสการ์อาจารย์ครับาามาเลย สัปดาหนี้ก็ไม่มีคําถามอะไรครับแว่มาเติมอไปเติมแบตครับก็ปฏิบัติเหมือนเดิมครับพระอาจารย์รักษาระดับเดิมให้ได้นะอย่างน้อยอย่าให้มันลดน้อยลงครับผมแล้วถ้าเพิ่มได้ก็เพิครับก็มีที่ผ่านมาก็อพบกับที่ที่พระอาจารย์บอกว่าจะไปเพ่งตรงที่ผมผมเรียนพระอาจารย์ไว้ที่ว่าที่มันบุบๆตรงหน้าอกฮะก็ไม่ไม่เพ่งไปแล้วก็พบกับความสงบเย็นมาครับพระอาจารย์ เนี่ยครับเกิดสุขสุขนิดนิดมันไม่นานนะฮะสติยังยังไม่เยอะครับไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มากขึ้นยะมากขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแต่ก็พยายามช่วงกลาวันก็พยายามพุโทโธพุธโทโธรู้ตัวอยู่เรื่อยๆครับเวลาไม่ น, นั่งก็พยายามควบคุมจิตอย่าให้มันคิดปูแต่งนะผมครับผมพุโทโธพุทโธนี้ใช้ได้ทั้งขณะที่นั่งขณะที่ไม่นั่งนะครับผม ก็พยายามจะเจริญสติให้ได้มากมากในช่วงกลางวันในช่วงครับก็มีอ่านหนังสือที่พระอาจารย์ได้ได้บอกไปสัปดาห์ที่แล้วที่ของหลวงตาปฏิปทาได้อ่านแล้วหรือเป็นยังไงดีนะครับอ่านแล้วแบบว่าเข้าใจดีผมรู้สึกอยากจะไปวิเวกครับอาจารย์อยากอยากจะออกไปล้องเหมือนกันปฏิปทาพระทุนงค์ธรรมทาน ครับผมอยากไปดาวน์โหมาอนแต่ว่าหรือต้องหาโอกาสเลยคิดอยู่ในใจอยู่นะครับพรอาจารย์มันท้าทายนะมันท้าทายจิตของพวกที่ปฏิบัติคิดคิดอยู่ครับแต่ก็ท่านทําได้เราทําได้หรือเปล่าเน้อครับผมอยากอยากจไปลองดูเหมือนกันนะครับต้องหาโอกาสได้เนี่ยเชียงรายป่มื่อี้ติดโควิดนะฮะป่าก็เยอะยะไปแล้วก็ไปครับไปป่าไม่ต้องกลัวโควิดแล้วไปนองไปแคมป์ปิ้งของเราคนเดียวที่ไหนก็ได้โอ้ครับผม เครับผมก็เดี๋ยวอยากไปลองอยู่ครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวล อ, อบอกคนที่บ้านดูว่าเอออยากไปลองสักวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณเสาร์ที่ไปร้านอาหาแครงปิ้ง<ช>ข้า ง, างลาทานที่ไหนก็ได้เอาเสาเบียงเราไปเองเอาปลากระป๋องเราอะไรไปไม่ต้องหุงข้าวเราเคยไปอยู่ก็เอาแค่ส้งไปโลนึงเนี่ยพอละกินหนึ่งกินซ่อมแล้วับถ้าต้องการเวลาปฏิบัติมันไม่ยังมันไม่อยากจะกินมากกินมากแล้มันง่วงนอน ที่ที่ยวครับผมอยู่คนเดียวมันรู้สึกวิเวกบางเองไงแบบน่ากลัวน่ากลัวหวาดเสียวอยู่ด้วยกันมันก็ต้องใช้ธรรมะค่อยคอย่คอยกล่องใจเรื่อยๆครับผมนีที่อย่างนั้นอ่ะดีทําให้มีสติเป็นมีปัญญาเกิดขึ้นได้เร็วตรงได้เร็วอันนี้จำไม่เที่ยงร่างกายงหลั ง, งจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ครับผมครับ ถ้าอยู่ที่ปลอดภัยมันก็ประมาณนอนใจเพราไม่เด็ดไล่ไม่เป็นไ ร, ไนไรครับใช่ครับบางทีเดินยกมุ่มอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะครับดูบางที <c oughs> ก็มันก็เราทำอย่างนี้ไปก่อนครับแล้วพ อ, พอมีพลังมีกําลังพอที่จะออกไปสู่สนามใหญ่ได้ก็ไปเลยไหม้องดูครับผมครับผมครับผมโอเคนะอ่านไปเรืเ่อยๆทั้งเล่มเนี่ย ม, มีมีความรู้เยอะแยะไปหมดเลย ครับผมประทาเพราเธอโดครับคือบางทีอ่านแล้วมันแบบไม่ยอมวางพราะผัดหลวงตาท่านเขียนได้ดีนะครับเขียนทีน่ากำจูนติดตามแบบไม่อยากจะละแบบน่านีเลยถ้ามีมินดุ๊ารดุ๊กแนนครับผมเคียดหน่อยนั่นก็มีเรื่องตลกตลกม่เรื่องเบาให้ให้มาอ่านครับผมครับผมดีดีมากเลยครับกขอบคุณพระอาจารย์นะฮะโอเคสาะเถิครับผมครับผมสาธุครับ ใครยังไม่ได้อ่านลองไปค้นหาอ่านดูนะดาวน์โหลดได้าหาเสิร์ชได้ในปฏิปทาปฏิบัติธรรมธุโอรรมฐานสายพระอาจารย์มัน่นเนื้อวมันก็จะมีให้ที่เราไปดาวน์โหลดได้เอามาอ่านเป็น PDF ไฟล์โอเคคุณเกาหีอาจารย์คุณเกาหลีมีอะไรไหม ไม่มีเลยไม่มีเดี๋ยวก็ขอผ่านเลยนะไม่ไ้ไม่เสียเวลาอะคุณพัดต่อคุณพัดนจากลกบุรีใช่ไหมพรจอาจารม่เพชครับกานมาสักการครับพระอาจารย์หวัดดีพี่บอยพี่หลาแล้วก็พี่ๆทุกท่านครับจากลกบุรีครับพระอาจารย์อะไรยงไงมีอะไรไหมครับวันนี้มาเข้าเฝ้าพระอาจารย์ครับอืมครับรรก็เยะก็อ่า ใช้างานการปฏิบัติด้วยก็ได้ครับเมื่อที่ที่แล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้ค่อนข้างพึงพอใจครับก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็ ก, ก็ก็พึงพอใจครับชนะมากกว่าแพ้ครับเริ่อเข้าใจการปฏิบัติดีขึ้นการปฏิบัติอะไรนะครับแต่ว่านะครับถ้าเทียบกับเอ่อที่เคยทําได้ก็ตอนนี้ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับจากที่เคยทําได้ครับ ทำไมแน่นอนด้วยกันมันไม่แน่ใจครับมันนี่เริ่มทํามาต้องสิบสิบปีวันล้วมันเหมือนมันฟื้นคืนไม่ไม่ยังไม่ได้เท่าเดิมเนี้ยครับ ก, <ง>ไไก็ไม่เป็นไรครับได้อะไรก็ะทำนั้นนำมาทำต่อไปก็แล้วกันครับแล้วก็เอ่อถึงถึงเรื่องหนังสือครับมีเอ่อผู้มีจิตเมตตาเอาส่งมาให้ครับแต่ไม่รู้เอ่ยชื่อได้ไหมกลัวว่าบางทีเด้ว อยากจะไปก็ไปไปไม่เป็นไรมั้งครับพี่ลาส่งส่งมาให้ครั บ, รบพี่ลาเขาชอบพิมพ์หนังสือแจกพี่ลาเขาแจกใครสนใจถ้าลองถามพี่ลาน้องน้องชาติไปถามพี่ลาดูว่ายังมีอีกไหมถ้าอยากจะได้กติประทานหรือประวัติหลวงปู่มั่นนี่นึกว่าพี่ลาเขาจะพิมพ์อยู่เรื่อยๆอ๋อได้ได้มาแล้วครับพี่ลาส่งให้แล้วครับออันนี้กำลังทำนี่อีกเร่มสําคัญของลวงตาคือแว่นดวงใจ อันนี้รมทรมธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไว้แใอยุ่ก่อนที่ท่านดัง ย, ย่อแย่ไปหมดเลยทำเผ็ดๆร้อนๆ น, นั่นเปเปิดให้ใหชัดก็แล้วนะครับผมเ ป, เปิดให้ชัดก็แล้วใครชัดใครจะได้หนังสือก็ลองถามกุหลาดูว่าแล้วกันนะถา้ากุหลามีก็จะยินดีส่งไปให้รังมีอะไรถามอะไรไหมคุณพ่ออ๋อหมดแล้วครับพระอาจารย์ครับ ยังเดี๋ยวไปที่คุแนแดนต่อนนะคุกแดนสันการค่ะคุณช่องมาข้างแรกเลยคุณแดนยังไม่ได้มิเลยอ่ามิวอ่าค่ะการสรรมะการน้ำมัสกรากรค่ะท่านพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดชค่ะเพิเข้ามาข้างแรกค่ะมาจากอุดรค่ะบุรรัมยค่ะอยู่กล้วัดป่ามัณฑะเลย่านอยู่บุดรใช่ค่ะแต่ปกติจะไปใส่บาตรวัดป่าตกสะท้อนค่ะ กกศรใกล้ๆค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์เราจะอยู่ตอนนี้วัดกกศรพระอาจารย์กอไผ่นะคะแต่ก็จะหาพระอาจารย์กอไผ่แล้วก็จะมีคุณพ่อค่ะที่นางองค์แรกค่ะเป็นคุณพ่อของท่านพระอาจารย์กอไผ่ค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาฟังเฉยๆนะค่ะเข้ามาแล้ฟังเฉยๆค่ะไม่ต้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คุณท ว, วิสาจากสวิตเซอร์แลนด์เชิญท ว, วิสาลูกท ว, วิสาตาวิสากับพระอาจารย์ตาวิสาตากวิษาค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ ะ, ค ะ, ะเป็นยังไงบ้าง ม, มีอะไรจะถามหรือจะเล่าไหมอืมวันนี้ไม่มีค่ะยังไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็เรื่องเล่าก็ไม่มีก็คือปฏิบัติปกติแต่ทุกวันเช่นเดิมค่ะพระอาจารย์ ยังสม่ำเสมอยังยังยังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ยังคงที่อยู่ได้สัมผัสอะไรแปลกแปลกใหม่ๆมั้ยคิดว่ามีอยู่ค่ะแต่ว่าคิดว่ามันมันมันมันไม่มันไม่น่าจะเป็นอ่สภาวะธรรมคือคือคือนั่งไปแล้วก็คือถ้าเกิดเราจะนั่งหลับตามันสงบได้เร็วแล้วก็พอ สักระยะหนึ่งที่น่าไปขึ้นนิ่งสงบค่ะแต่พระอาจารย์แต่รู้สึกว่ามันจะร้อนไปทั้งตัวเลยค่ะพระอาจารย์เป็นธรรมดาไม่เป็นไรบางทีน่ามันเหงื่อแตกเลยก็มีใช่ค่ะพระอาจารย์ร้อนเหงื่อแตกแบบคือเป็นแบบนี้หมุนเวียนแล้วก็หายแล้วก็เป็นใหม่หายเป็นใหม่อย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์อก<ม>็แต่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็คือเราก็ไปเรื่อยๆแต่สงบแต่ยังไม่เลิกกับพระอาจารย์ยัง ยังแค่สงบนิ่งเฉยค่ะพระอาจารย์ยังไม่ได้ถึงขั้นอยกำลังข อ, องสติกำลังสติแล้วยังมีกำลังไม่มากพอเพราะเรายัง ต, <า>ต้องทำงา น, นต้องใช้ความคิดอยู่มากค่ ะ, ะมีเฉพาะวันนี้ใช่ไหมที่ที่หยุดทำงานเป็นวันพักของเราใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็อาทิตย์นี้ก็หยุดทั้งอาทิตย์พอดีที่บ้านเขาฮอลิเดย์ค่ะพระอาจารย์ก็เลยหยุดก็เลยแบบว่า เขาอยู่บ้านทั้งอาทิตย์ด้วยสามีก็เลยอาจจะแบบว่าวุ่นวายเวลาไปทํางานจะนิ่งกว่าค่ะพระอาจารย์คืออยู่ที่บ้านทํานู่นทํานี่ไอ้นู่นไอ้นี่ต้องไปเรื่องไปนี่ก็ได้จริงๆอย่างพระอาจารย์บอกมันใช้ถ้าเกิดเราต้องอยู่คนเดียวใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็มีเหมือนที่พระอาจารย์แนะนําครั้งที่แล้วว่าให้ไปอ่านหนังสือปฏิปทาพัทสุดงใช่ไหมคะคุณป๋วยผก็ไปโหลดดูแล้วคดีปวดตาสายตาไม่ดีก็เลยไปโหลด ใน y o u ูทูบมีของอ่ะพระอาจารย์สุดใจท่านท่านอ่านท่านอ่านไวหนูก็เลยไปช่วยบอกช่วยช่วยบอกเพื่อนๆเนียว่าถ้าไม่อยากจะอ่านก็ค้นหาใน youtube ได้นะทั้งสองเล่มระวประวัติด้วยใช่ไหมรู้สึกจะมีทั้งสองเล่มใช่ค่ะมีทั้งสองเล่มพระอาจารย์สุดใจท่านอ่านไว้ก็เลยมีเลยก็เลยเป็นเป็นเป็นชุดเลยค่ะปฏิปัติารก็เลยถ้าเกิดใครไม่อ่านแบบก็ฟังได้หนูก็ใช้ฟังค่ะ มันสบายกว่าก็คือมันต้อสบายกว่าแต่บางครั้งอ่านก็ดีค่ะถ้าเป็นหนังสือแต่พอดีถ้าเกิดอ่านในแบบในไอแพดยังงนี้รู้สึกปวดตานะคะอาจารย์ตัวมันเล็กด้วยนะใช่ค่ะถ้าได้หนังสือก็ดีเพราะเราไม่มีหนังสือเราก็ควานหาเอาในเราเป็นหนังสือเสียงเอาค่ะือถ้าอ่านนี่เรามีเวลาคิดได้เ่าถึงตอนนี้นเราหยุดตึกตองได้แต่ถ้าฟังนี่มันไม่มีเวลาตึกตองก็ฟังตามไปเรื่อย ใช่ค่ะพระอาจารย์เหมือนได้หนังสือครั้งโน้นเมื่อสองปีที่แล้วค่ะไปเ อ, อยมได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์ที่บนเขาค่ะก็เลยได้หนังสืออ่ะสำ ม, มาทิฏฐิมาค่ะก็อ่านของพระอาจารย์ค่ะก็ชอบเนชอบอ่านค่ะก็ดีก็ได้มาค่ะถ้าอยากได้หนังสืออะไรลองติดต่อคุณหลาน ด, ดูนะเผื่อคุณหลานมีหนังสือสอะไรจะส่ไว้ให้ได้ ค่ะค่ะขอบขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ขอฟังต่อค่ะใครอยากจะใครอยากจะร่วมทําบุญข้าวส่งก็ส่งมา้ที่คุณลาเลยก็ได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะก็เลยคุณลาจะไม่ต้องการรับก็ได้คุณลาจะยินดีทำทําบุญค่ะเดียถ้าเกิดยังไงเข้าไปวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ว่าจะลองเข้าอ่าขับเฮาส์ค่ะพระอาจารย์เนี่ยตอนแล้วแม่เป็นเข้าไม่ได้ก็เลยว่า ถามคุณวิชนดูวิชนถามแบดมินดูเข้ายังไงเข้าพอดีก็โหลดมาแล้วแต่วันนี้เข้าไม่ได้ก็เลยเข้าช้าแล้วก็มาทําอีกแล้วมันเข้าไม่ได้เี่มันต้องมีอินไวย์มีโค้ดอะไรหรือเปล่าเออติดตั้งไปแล้วใช่ไหมฮะติดตั้งไปแล้วค่ะคุณวิชนแต่ว่ามันต้องมีการอินไวย์ใช่ไหมคะก็ต้องมีการอินไวย์ครับต้องมีการใช่ค่ะก็เลยว่ามันก็เลยก็เลยเผื่อบางทีแบบถ้าเกิดเรา คนณวิชันไ์มากขได้ใช่ไหมคุณวิชญ์เป็นคนมาได้ค่ะวิสาอยู่อยู่ทางนู้นนะฮะต้องต้องใช้ต้องต้องได้บริษัทแต่คนทางทางฝั่งคุณวิชาค่ะโอ้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามคนทางนี้ดูว่าเผื่อใค้เผื่อใครเาโหลดไปไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอ๋อต้องเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ทางนี้ใช่คุณิชใช่ครับใช่ครับอืมโอเคค่ะเก็เมืองไทยเราก็จะใช้เบอร์ของเมืองไทยอินไว้กันไปนะฮะ อืมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะมีอะไรไหมไม่มีค่ะป้าจาย์ก็แค่นี้ค่ะอย่าลืมปฏิบัตินะนะว่าทั้งวันทั้งวันไม่วันทามันทําทุกวันได้ยิ่งดีนะค่ะป้าจย์ค่ะกาขอบคุณค่ะาคุณน้อมเชิญคุณน้อมจากบอเวนนี่ก็เป็นชาวอุดรเหมือนกันมาอยู่บอเวน อุบลค่ะบนอุดรค่ะอุบลอุดรอยู่อุบลค่ะอุบลบ้านเขาบ้านหลวงปู่มั่นค่ะอ่าบ้านหลวงปู่มั่นครูสาวไม่มีคำถามค่ะมากาพระอาจารย์ค่ะงั้นก็ไปที่คุณพระฤาดาต่อเลยนะอ่าค่ะขอบคุณเชิญพระฤาดาไม่ตัดผมหรือยังไงแม้วมวนผม ค่ะนัการเจ้าค่ะเดี๋ตัดผมใช่ไหมเดี๋ยวแฟนควจะปวดหัวหน้าแล้วตัดผมเนเขาชอบค่ะชอบเลยคชอบให้ผมสั้นๆที่จริงก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะก็ตอนนี้ก็ถือศิล 8-3 แปดสามวันค่ะทาวันเลยนะพุทธประหัสจุป คือสิ่งแปดแต่อดทั้งทั้งวันเลยแล้วว่าอดเฉพาะมือก็ว่าจะอดทั้งสามวันเลยทั้งสามวันไม่กินเลยนะค่ะเพราะว่าที่บ้านความสงบมันน้อยกว่าที่วัดก็เลยลอเอาวันนี้เป็นสติจะได้มีสติมากๆโอเคดีค่ะพระอาจารย์พยายามไว้นะขอให้อดทนลำบากตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะสบายบ้านตายนะเพราะเพราะจิตมันอยู่มาแล้วแล้วที่สบายแล้วไม่ต้องไปทรมานแนะ ทำมันได้ก็ต้องทรมารกันค่ะช่วงนี้ก็ก็สงบสงบดีอยู่นะคะเราเปรียบเทียบดูระหว่างอดกันไม่อดดูวันนั้นมันดี่ชัดเจนเลยะชัดเจนนะชัดเจนเลยค่ะมันนิ่งกว่ากันแบบมันนิ่งโอเคดีคอยครูมันด้วยมึถ้ามึงไม่ยอมนิ่งมึงต้องอดทหารนะเดี๋ยวมันยอมมันกลัว ข้าวอาจารย์กิเลสต้องเรามานักหนักหมือนถึงจะโกรนนะถ้าเป็นรูปหัวมันไม่โกรนนะยอมหน่อยทำไปแบบเขาจะเหมือนทำย่อๆยาๆกันมันนี่มันมันก็เลยได้ใจนะเจ้าพ่ะอาจารย์ค่อนข้างชัดเจนนะคะโอเคมีคำตามเลยรไหมก็ไม่มีนะคะปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำทำหนังสือลาสุภาษยามดูอยู่หรือเป่า อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ดูค่ะเพราะว่ า, าหนูมันสงบก็เลยก็เลยเพราะเพระช่วงอาทิตย์ก่อนนั้นดูรู้สึกเกี่ยวไหมคะพระอาจารย์พอดูเนี่ยเหมือนความสงบมันจะสงบยากกว่าไม่หรอมันน่าจะสงบมากขึ้นโดยทั่วไปแต่เราเป็นนึกถึงรูปรอะค่ะมันแบบถ้าถ้ า, ถ า, ถาคือมันย่อมนึกเวาลานึกมันก็ไม่สงบไงค่ะ่านแต่<า>แล ถ้าได้กินจริงดูบ่อยๆถ้ามันทราบซึ้งใจมันก็จะสงบนะโอ้ใหม่ๆถ้ายังไม่สับแสดงกิเลมันยังต่อต้นานค่ะก็เลยอาทิตย์นี้ก็เลยไม่ชอบไม่ยังมีความรู้สึกไม่ชอบดูอยู่ใช่ไหมยังคือเหมือนกับมันอยู่พอตอนอาทิตย์ก่อนที่ดูแล้วมันมันดูได้แต่ว่าพอมานั่งสมาธิรู้สึกว่ามันเป็นนึกถึง เป็นนึกถึงพิจารณาพิจารณาอยู่แต่อย่างนั้นแล้วมันก็เลยไม่สงบลงใช่เวลาทำสมาธิอย่าไปคิดถึงมันหนูก็เลยพักอันนั้นไว้ก่อนหนูก็เลยมามให้มันสงบหรือถ้าจะคิดก็คิดให้มันเพ่งอยู่ที่อาการเดียวเหมือนกระดูกเงี้ยคเพ่งเป็นแทนลมทีเดียวนะใช่ไหมคะอ่ะทีเดียวอ๋อเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋วลองปรับดูค่ะ <laughs> ได้ค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าไม่ไม่ถูกกระจริกับเราก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันะกลัมาใช้ของที่สูกเจริบกับเรา เวลาทำสมาธินะอ๋อ เ, เวลาทำสมาธิค่ะค่ะแต่ถ้า เ, าเวลาเจริญปัญญานี่ก็ต้องดูมา่าค่ะค่ะอันนั้นนะเวลาดูปุ๊บแล้วตอนที่เราไม่ได้ทำสมาธิอะค่ะมันมันตปรงดีมัน ม, มันปรงดี น, น, งนิ่งได้อันดูเพื่อตปรงเ่ให้มันตัดกามาลงจัะค่ะค่ะโอเคนะไมนเวลานะค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญทางต่อไปคุณยินดีจากเนาะ เศร้าค่ะวน่ะเศรค่ะนนะไนอเศาใช่ไหมเศร้าค่ะเร้าโอเคสวัสดีค่ะเป็นไงมีอะไรไหมท่านอาจารย์คะเวลาหนูฟังคือที่หนูปฏิบัติมาหนูไม่เคยหนูไม่เคยได้ใส่ใจว่าไปถึงท่านไหนไปถึงท่านไหนก็คือปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่พอได้ยินเพื่อนกันยาณนี่มีที่ถามคําถามก็เลยแปลกใจตรงที่ว่าจะถามว่า ถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดเราเข้าอัปนาสมาธิเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าถ้าเกิดสมมุติว่ารถยนต์วิ่งผ่านออหรือนอกร้องเราจะได้ยินเสีย ง, ยงนี้ไหมคะมันมีสองสองระดับนะระดับที่ยังได้ยินเสียงแต่จิตไม่ไปบีอารมณ์ของมันทั้งสองอย่างทำด้วยก่อนนั่นมันก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันมร่างกายหายไปเลยท่า น, นั้นยากอ๋อค่ะ คนอยากจะได้แบบแบบได้ยินเสียงแต่หรือรู้สึกว่าร่างกายเจ็บตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างแต่ก็ใจก็เฉยๆมันได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลาคาญอันอันนั้ น, อ, น, น, นอันนั้นผ่านมาแล้วอะค่ะแต่แต่คือที่หนูคือที่หนูสงสัยคือด้วยความที่ว่าอาจารย์ท่านพระอาจารย์ท่านเคยบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้นคือให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหนูก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้ใส่ใจแต่พอด้วยความที่บอกว่าเออ ก็เลยนึกขึ้นมาได้พอเห็นเพื่อนๆนถามมาค่ะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดสมมติเราลึกจริงๆเนี่ยมันจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าว่ า, ว, าว่าอัปนาสมาธิเนี่ยของเราอ่ะมันมันก็มันมันรู <c oughs> ้ตามความเป็นจริงมันจะรู้ค <oughs> ือตัวรู้มันรู้ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างหายไปหมดเนี่อ๋อถ้าเกิดมมตลึกจริงๆนั่นหมายถึงว่า เออนกนกเจะไม่ได้ยินใช่ไหมคะไม่ได้ยินอะไรหดับดับไหม้ไปเลยแล้วถ้าเกิดคนเรียกเราจะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินต้องไม่ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะต้องอย่าเอาไม่เขย่าตัวเราเราถึงจะรู้สึกตัวอ๋อค่ะแตาไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องไปกังวลได้แบบไหนก็ทั้งทั้งสแบบนี้ก็ใช้ได้ือว่าเราต้องการอุปเเบกทางใจืดหยุ่นค่ะเพราะถ้าอาจารย์เคย ท่านพระอาจารย์เคยเคยเคยเคยพูดไว้อะค่ะว่าไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นว่าอยากจะได้ฌานรูปไหนอะไรยังไงหนูหนูก็ไม่เคยสนใจและหนูไม่เคยใส่ใจแต่พอวันนี้พอเห็นเพื่อนเพื่อนถามก็เลยเอ๊ะน้ำรู้ไว้ก็ได้ดู้ไว้ก็เป็นความรูประดับปัญญาไปค่ะเพราะหนูไม่ได้ไม่ได้ไปกังวลกับมันว่าเราจะได้แบบไหนหรือไม่ได้แบบไหนอันนี้แล้วแต่สติของเราค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบค oh, okay. ุณมากค่ะคุณไอโฟนจากส่วนเทพนะเชิญทำาชื่อไปนเทีจะจำเมืองได้นมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมก็เหมือนเดิมฝึกไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ก็สงบจิตรวมแบบแบบไม่ไม่ลึกมากค่ะพระอาจารย์ ก็กแบบ<ๆ>ดีกว่าเก่าไหมดีกว่าเก่าไหก็ดีกว่าเดิมค่ะเพรา ะ, ะตอนแรกก็ไม่รวมแต่ตอนนี้รวมแล้วคะ่ะรวมแบบแบบเจินจื้อ น, นะคะอาจารยแบบ์นิ่งๆเฉยๆสัจจะว่าเลื่อยไปค่ะแบบมันม่ปรุงแปิติมันปิติมีความสุขแต่ว่าก็ยังได้ยินแบบเสียงอรอ บ, บๆคบอ่ทําให้เรามีความยินดีที่ที่จะนั่งสมาธิไม่ชอบนั่งเลย ค่ะก็ก็นั่งทุกวันนะคะพระอาจารย์ก็ฝึกท<ม>ุกวันนะคะไม่ต้องบัะคะงคับมันนะถึงเวลามันก็ค้างความเลยค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยฝึกแบบว่าแบบตึงไปอะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบมันทําให้หลุดหลุดแล้วก็มันต้องกลับมาเริ่มใหม่ทีนึงคะคะพระอาจารย์มียังไรถามไหมวันนี้ เออไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็มาร่วมฟังธรรมได้ค่ะงั้นก็ขอไปที่ท่านต่อไปนะเรามีท่านห้าสิบห้าคนในในกล้องตรงนี้นี่นี่ก็ชั่วโมงกัอบครึ่งแล้วค่ะค่ะะคุณธนพลเชิญต่อเลยคุณธนพลกลับมสมัชชาเจ้าค่ะคุณธนพลเดินออกไปข้างนอกอีกแล้วได้ไม่เป็นไรค่ะคุชื่ออะไรเจคุณชื่ออะไรชื่อปาค่ะชื่อปาลาค่ะ พระอาจารย์ก็อส่งการบ้านอาทิตย์แล้วที่กับเดนอาจารย์เรื่องเวลาเวลาวิ่งนะค่ะแล้วก็ให้จิตอยู่ที่เท้าอ่ะค่ะก็เดิมเดิมจะทําได้อยู่ประมาณห้าร้อยเมตรเราวิ่งแล้วเหนื่อยนะค่ะทีนี้พออตั้งสติว่าจิตได้ที่เท้าค่ะพระอาจารย์มันมันก็ความเหนื่อยหายไปแล้บางทีจิตมันฟุ้งก็จะนึกถึงพระอาจารย์อ่ะค่ะเอาจิตมาไว้ที่เท้าเนี่ยค่ะ ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยค่ะทำได้สองกิโลเจ้าค่ ะ, ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฉยเฉยอะค่ะค่ะถ้ามันถ้ามันมีสติเนี่มันจะรู้สึกเธอเนาไม่เหนืน่อยวิ่งเนาไม่เหนืน่อยตัวเบาเป็นไงค่ะเจ้าค่ะดีฝึก ส, สติไว้เรื่อยๆน ะ, ะแ้วมีเวลาก็ลองนั่งว่างนะนั่งเฉยเฉยให้มันนิ่งเป็นที่ พระอาจารย์เจ้าคะเดี๋ยวจะขอรอบสองเรื่องนั่งสมาธิเจ้งผ่ะจะได้ไม่เสียเวลาท่านอื่นอ่ะเจ้าค่ะโอเคแล้วคุณท่านทั้งคนอยากจะถามอะไรไหมก็เดี๋ยวไว้รวมถามรอบสองก็ได้รอบสองเนี่ย<ะ>ได้ใช่ปที่ท่านต่อไปนะคุณประเวิทย์เชนคุณประเวิทย์ายไปอาทิตย์สออาธิตย์บ้าอาทิตย์หนึ่งสามอาทิตครับอาจารย์สาอาทิตย์ตัวเหรอเดีขนาดนั้นนะ ครัก็แต่ไม่ได้หายไปไหนครับก็รับฟังอยู่ฟังสุนทรียธรรมอยู่ตลอดครับแต่ไม่ได้เข้ามากราบมาทาการข้าอาจารย์ครับอยังไงมีอะไรไหมไม่มีครับก็ขอบคุณที่ข้าราชการในช่วงเวลาสองอาทิตย์ที่ข้าราชการลงเว็บไซต์ facebook นะครับสองนาทีสามนาทีสี่นาทีธรรมะบนเขาที่เอามาจากวันต่างๆ mm hmm. ในสองอาทิตย์นี้ก็ครบหมดแล้วนะครับถ้าเอามาปฏิบัติก็คงไปได้ไกลครับ ก็อาศัยมีพระร่มมองท่านเป็นผู้ช่วยทำให้ชื่อพระบองเป็เก่งทางด้านไอทีดังนั้พยายามทำคลิปสั้นๆเอาเอาเอาเนื้อๆมาม า, มาสแสดงเลยคนชอบเพราะคนมีเวลาน้อยถ้าคลิปสั้นๆนี่คนดูเป็นเยอะเลยบางทีเป็นแสนเลย่ ค, คลิปยาวๆนี่ดูน้อยในช่วงสองอาทิตย์นี้ ในเว็บไซต์นี่ก็คอมพล e t หมดเลยครับถ้าเอามาติปฏิบัตินี่ก็ผมว่าอยู่ที่ใจนะครับเอาปฏิบัติจริงๆเราต้องปฏิบัติอคือการคือการแทบปฏิบัติอการศึกษาเป็นการเป็นการเหมือนกับเอามาร่อใจให้ไปสู่การปฏิบัติครับพอพอมาศึกษาเราเชิญมากกว่ามีคําถามอันหนึ่งนะครับที่ว่ามอ บการปฏิบัติมโนสติกับมอนนุสติเนี่ยทําไมมันต่างกันมากนะครับอันเดียวกันนะมันอาจจะมันอา จ, จะใช้ต่างกันครับแต่เป็นพูดถึงเรื่องเดียวกันมนานุสติมรณ น, นุสติเรื่องมรณมานุสติใช่ไหมครับผมอตัวเดียวกันคือเราจะเลถึงความความตายว่าร่างกายของเรามันไม่เที่ยงสักวันหนึ่งมันก็ต้องเข้าสู่จุดจบของมัน เราอย่าไปประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่กับมันไปตลอดเราต้องเ<ช>ตรียม ต, ตัวเตรียมใจรับกับการทัดทา่าจากกันให้ได้ iden. ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมอยอมรับอันนี้เวลามันจะตายเนี่ยมันจะทรมานมากมันจะทุกข์มากแต่ถ้าเราคอยเตือนใจอยู่เรื่อยว่าร่างกายเป็นของยุงค่คราวนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องไปมันก็มันเรามาประชุมนี่เราก็รู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแยกกันไป เราก็พ อ, อไป้็เราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรอันนี้ก็เหมือนกันจิตมาประชินกับร่างกายจิตเรามาประชชนกับร่างกายเดี๋ยวจิตกับร่างกายก็ต้องแยก่างกันไปเห็นึกบ่อยๆเรามักจะลื ม, ม, มนั่นก็ปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์แล้วขอบ ค, <ำ>คุณแอดมินแล้วก็อาจ า, ารย์ทั้งหลายครับที่ลงเว็บไซต์ได้ ถูกใจมากครับมันคือปฏิบัติได้ดีขึ้นเพราะว่าคำเตือนของผ้าจาย์ที่มาเช็คเช็คคอยให้ตลอดเวลาครับขอบคุณมากครับคุณกาแล็กซีโนเชิญอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะระร้าจารย์อยู่ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสเคยเข้ามาหรือเปล่า เคยเข้ามาค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาสอสามอาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าถ้าหนูทํางานตอนกลางตบ่ายก็จะไม่ได้ม า, าฟังพระอาจารย์ในสุ่มค่ะโอเคมีอะไรไหมพอัจอาจานค่ะเออหนูพยายามบางวันที่อย่างวันพักอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีความสนใจที่จะถือสิลแปดเพิ่มจากสินห้านะคะแต่ว่าหนูหิวข้าวคือมันรู้สึกได้เลยว่ามันแบบ ตอนแรกๆพอหิวก็ก็เคยแบบที่อาจารย์เคยสอนท่านอื่นๆแล้วก็ก็ให้เรารู้สึกว่าเราหิวเราหิวแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปใช่ไหมคะแต่ว่ามันแบบบางทีมันรู้สึกเหมือนว่ามันเริ่มปวดท้องนิดๆตรงกระเพาะหรือว่าว่าเรามีโรคประจําตัวที่เป็นกระเพาะมันก็เลยยังต้องสู้สู้กับมันไปไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบพระาจารย์มีคําแนะนำไหมคือมันเป็นเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆนั่นเองที่จะมา ทำให้เรา อ, อยากจะไปกินอาหารมันจะหาข้ออ้า ง, างไี่อะไรหรอ่อนแล้วก็อดนทนอดทนไปมันไม่ไม่ตายหรอกครูบาอาจารย์คนที่ก็ทั้งโลกที่เขาถือศีลแปดอดข้าวเยนกเขาไม่มีปัญหาเลยค่ะให้<า>มันเป็นจริงๆก่อนเพาะว่ามันเป็นเพราะอย่าง น, นี้แล้วค่อยไปค่อยไปแก้ไปรักษาแต่วนยังมไม่เป็นหรอก ม, มันเพียงแต่มาอ้างให้เราใจฝ่อ แล้วก็อยากจะกลับไปกินนั่นเองเป็นววิธีหนึ่งเวลามันหิวก็อย่าไปคิดถึงอาหารพย า, ายามเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปให้มันลืมเรื่องอาหารไปหรือถ้ามันนึกถึงอาหารก็ให้มันนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลามันเคี้ยวมันประสมกับน้ำลายแล้วคายออกมาแล้วมันมันน่ากินไหมน่าดูน่ากินไหมอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจาน คือของหนูหนูนอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูคงจะกลัวไปเองยด้วเพราะว่าเคยเคยเป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งก็หลายปีมาแล้วคือมันเป็นเหมือนเลือดออกพราทานข้าวไม่ตรงเวลานี้คือที่คุณหมอเขาบอกนะคะแต่ตอนนั้นมันก็เจ็บคือมันก็เหมือนมีเลือดออกในท้องเราก็เลยคิดว่าเราก็อาจจะอุปทานแล้วก็กลัวเปรี้กลัวเปรี้ยอนด้วยแล้วไอ้ที่มันเป็นเพราะมันทำมานานด้วยไม่ใช่ทําแค่ครั้นสองเท้ามันจะเป็นทันทีทันใด อ่ะอันเดียหมดข้าววันเดียวนี่มันไม่มันไม่เป็นหรอกค่ะค่ะถ้าเราอดแบบเจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันนี่มันอาจจะมีผลได้ค่ะโพ้พระเจ้าทั้งสี่สิบเก้าวันยังไม่เป็นอะไรเลยยังไม่ตายค่ะต้องมีคําถามแค่นี้ค่ะอาจาย์แล้วก็มาตัดอาจารย์เพราะที่นั่งก็ไปทํางานก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้าวก็ตามฟังเอา เวลาปฏิบัติทำบางทีต้องตัดต้องจำ ต, ต้องใช้ความกล้าเป็นก็เป็นวาอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ตอนนี้เราจะารักษาศีลแปดให้ได้ทั้งวันรนือที้มันจะตายให้มันรู้ไปถ้าเราเด็ดขาดแล้วกิเลสมันก็จะไม่มามันไม่กล้ามาหลอกเราถ้าเราสองจิตสองใจนี้กิเลสชอบโอ้เดี๋ยวหลอกให้กลับไปได้แล้ว ถืีว่าสิทธ้าก็พอกลสงสัยจะเป็นเพราะความกลัวจริงๆค่ะอาจารย์เพราะอยู่ที่นี่คือไปรับไปหาหมอแล้วก็พูดพูดภาษาเขาก็ยากแล้วมันก็กลัวว่าเออเดี๋ยวจะเป็นอะไรมากคือเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะอยู่ที่นี่จะยอมรับเลยค่ะว่ากลัวมไม่อยากไปหาหมอก็พยายามจะไม่เป็นอะไรที่ต้องไปพูดกับหมอเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปบางทีหมอก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหมอบอกมาเราก็ไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าคงกลัวไปก่อนด้วยอะค่ะ ออย่าไปกลัวมากเลยที่ว่ายัางไงเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีอะเดี๋ยวก็ตายใช <c oughs> ดูแลยังไงรักษา ย, ยัางไงดีขนาดไหนเดี๋ยวถึงเวลามันจะตายไม่มีใครมาห้ามมันได้ค่ะค่ะกาอขอบคุณพระอาจารย์ค่ะโอเคนะคือเมื่อกี้เห็นคุณเวลาสีหายไปแล้วอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับ <ไ>เกินสเสียงแล้วครับ เ, เช่นเวลาทิ่นีเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขอรายงานการปฏิบัตินะคะท่านอาจารย์คะยมก็ปฏิบัติเหมือนเหมือนที่เคยกลับเรียนท่านพอาจารย์ไปอะค่ะก็ยังรักษาระดับไว้ได้เท่าเดิมสี่ชั่วโมงคะ่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะขึ้นหน่อยเป็นห้าหกชั่วโมงแล้วที่เพิ่มเติมก็คือยมมีความรู้สึกว่าเข้าถึงอั ป, ปนาได้ง่ายขึ้นแล้วก็บางทีมันถอนออกมาแล้วก็อ่าตะล่อมมันกลับเข้าไปอีกอะค่ะมันก็เข้าไปอีก แล้วพอมันถอนออกมาก็ตล่อมมันกลับเข้าไปอีกบางทีกลับเข้าไปได้ถึงสองสามครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอ hmm. ทําไปอย่างนั้นนะคะท่านพญาจามีความรู้สึกว่าตัวรู้อะค่ะที่อยู่ตรงครึ่งปากครึ่งจมูกเด่นชัดมากเลยค่ะระหว่างวันเหมือนกับไม่อยากรู้ตัวมันก็ทําให้รู้ตัวอย่างเงี้ยคะ่ะรู้อยู่ตรงนั้นตลอดแล้วพอมันเป็นนานๆเข้ามัน หดแน่นนะคะท่านพระอาจารย์มันเริ่มอึดอัดนะคะทีนี้มันมีวิธีแก้ไหมคะหรือว่าไม่ไม่ต้องแก้เลยแค่รับรู้ต่างกันรับรู้เฉยก็มาเพ่งที่ลมที่อะไรไปอย่าเป็น๋ยวจะไปแก้ไงให้ตรงที่ตรงมันเป็นปัญหาคะมันอัดแน่นมากเลยอะคะ<น>่ะแล้วก็พอเวลาไปนั่งมันก็ลงไวมากเลยค่ะมันก็ม้วนม้ว น, วนลงไปเลยอะค่ะทีนี้นยังมีคําถามค่ะคําถามยลยนะคะเมื่อกี้นึกได้แล้วจบเลยอ่า เรื่องสติปัญสีค่ะท่านอาจารย์ในเมื่อโยมมีความรู้สึกตัวอยู่ที่ตรงครึ่งปากครึ่งจมูกตลอดเวลาเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้อย่างอื่นเลยใช่ไหมคะอย่างนี้ถือว่าเป็นการรู้กายใช่ไหมคะท่านอาจารย์ไม่ใช่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นการทมอานาปนสาาติทำสนัะที่คาว่ารู้กายจริงๆก็คือศึกษาธรรมชาติของกายว่ามีอาากรมีอะไรบ้างร่างกายนี้เช่นในอาการ312เนี่ยถือว่ารู้กาย หรือว่าร่างกายนี้มันเป็นประกอบด้วยผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูก อ, อะไรเงี้ยเรวดูกาศึกษาคําว่ารู้ก็คือการศึกษาให้เรารู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันนาเป็นเราหรือเป็นเพียงแต่อาการ312เป็นต้นศึกษาเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราอเราไปจูเราไปมาว่าม เ, เป็นเราขึ้นมาไม่คนสามัยก่อนไม่มาว่าโลกนี่แบบ สมัยนี้ใคาไปศึกษาดู ว, ว่าโลกนี้แบนหรือกลมจะได้รู้โลกว่าโลกนี้มันแบนหรือมันกลมกันแน่ร่างกายเราก็เหมือนกันนะร่างกายเราเราก็ยังไปเนใคว่าเป็นเราอยู่ใช่ไหมบางคนหาดู ว, ว่ามันเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้อยู่ที่ผมเหรอหรืออยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บเวลากรนผมกรนกนผมกนขนไปแล้วเราหายไปกับผมกับขนด้วยอเ่า เราไล่ไปดูมันก็จะรู้ว่าไม่มีเราในในร่างกายนี้เลยร่างกายนี้มันเป็นเพลงอาการจานสิบสองเเหมือนรถยนต์เนี่ยเราเป็นเพลงแต่เป็นค น, คนมาขับมันนั้นเองคนขับรถยนต์คนละคนกันอันนี้คือการรู้กายเพื่อเราจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันเวลามันเป็นอะไรเพระเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันม น, นั่นเองเข้าใจไหม อันนี้เราจะคิดว่าโอ้ยนั่งกายเป็นอะไรเราต้องเป็นไปกับมันนั่งกายเจ็บเราก็ต้องเจ็บกับมันนั่งกายตายเราก็ต้องตายไปกับมันเราไม่เราไม่เจ็บไม่ตายไปกับมันเราเป็นผู้รู้รู้เฉยๆอย่างนี้นี่<ร>กเ<ร>เ็เลยมันลาให้เราปราแต่งไปตลอดเวลานี่เป็นแค่การฝึกสติใช่ไหมคะท่านพอาจารย์ใช่ฝึกสติเช่ใช้พุโทโธก็ได้หรือใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายกายกตาสติเนี่ยอันนี้ยังไม่เป็นอันนี้ยังไม่เป็นปัญญา อันนี้ทำเพื่อให้เราได้นั่งสมาธิเพื่อให้จิตรวมได้ง่ายได้นานถ้าอยากจะได้วิปัสสนาก็ต้องมาพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยมอนัตตาไม่มีตัวตนมีอาการสามสิบสองีทำมาจากดินน้าลงไฟอันนี้อนัตตาไม่สวยงามอุภวะดูก็ดับกลารมาม อ, อันนี้จังไม่เที่ยงเกิดแล้วือต้องตาย เพื่อจะได้ปล่อยวางร่างกายทุกทุกในทุกในทุกรูปแบบปล่อยวางว่ามันไม่มันจะต้องตายปล่อยวางว่ามันไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางว่ามันไม่สวยไม่งามอันนี้ร่างกายของคนอื่นมากกว่าร่างกายของคนที่เราไปรักไปชอบเ <Okay. S 1> นี่ยแล้ว น, นี่คือเรื่องการลู้กายเป็นอย่างนี้ในสติปัฏฐานเนี่ยมันแบ่งเป็นสามสามส่วน่ยส่วนแรกก็คือจรรสติ ควมีสติให้มานั่งสมาธิแล้้ได้อัปปนาสมาธิดูลมหายใจพอได้อัปปนาสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาที่มาศึกษาร่างกายเวทนาการจิตสามตัวนี้เป็นตัวที่เราจะต้องมาศึกษาว่ามันเป็นมันเป็นอย่างไรพรเจ้าบอกมันไม่เที่ยมอันนี้จําถ้าไปยืดไปติดมันจะทุกข์เวลามันมันมันมัแปลตัวมันเปลี่ยนไปหรือวมันดับไป มันหน้าตาไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปควบคุมไปสั่งมันไม่ได้แต่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีเราไปสัง่งไปควบคุมไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาก็สุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างจิตก็อารมณ์อารมณ์มก็แปรปรวนในแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ไหมบางวันก็แจ่มใสเบิกบานบางวันก็เศร้าหมองบางวันก็เครียดบางวันก็โกรธง่ายอะไรอย่างนี้คือจิต จัญหาว่ามันเป็นอย่างนี้เราไปควบคุมบังครั้มันไม่ได้ทางที่เราทําได้ก็ให้รู้ทันมันแล้วก็ปล่อยมันนั่นมันจะเครียดก็ปล่อยมันเครียดไปมันจะเศร้าหมองก็เศร้าหมองไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปเองใช่ั้มอารมณ์มันเป็นอยู่นานให้มันเป็นตลอดเวลามันไม่เป็ีนใช่มมันเครียดเดี๋ยวมันก็หายเครียดมันดีใจเดี๋ยวมันก็หายดีใจมันเสียใจเดี๋ยวมันก็หายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาออกมันอย่างนี้ เราไม่ต้อไปวุ่นวายไปกับมันดูแท น, นมันมมแล้วก็รู้วิธีที่จะทําให้มันไม่รู้วิธีว่าถ้าเราทำให้มันสงบไดอ้อารมณ์ต่างๆนี่มันก็จะหายไปถ้าเราไม่ต้องการอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ใช้สติอยมันพุโทโธพุโทโธไปใช่คะ่ะยมมีความรู้สึกว่าพอพอพอสติอะคะ่ะตัวรู้ที่ไปลาจมูกเด่นชัดบางทีมัน อารมณ์มันหยุดกึกเลยค่ะท่านอย่างเวลาโกรธอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตัวนี้เด่นกว่ามันก็จะหยุดแล้วก็มารู้ที่ตัวนี้เราเราก็จะลืมความโกรดนั้นไปเลยะนะคะบางทีมันอาจจะไม่หายไปเลยแต่ว่ามันลดลงทําให้เรารู้สึกตัวแล้วตรงอารมณ์ตรงนั้นมันจะดอบลงอะค่ะท่านอาจารย์ใช่พอมีสต<ๆ>ิแล้วมันก็จะหยุดได้แต่มันจะแตแต่พอเพื่อสติแล้วกลรบมาโกรธใหม่ได้ค<ๆ>ต้องใช้ปัญญ า, ญญาพิจารณาเหตุที่ทําให้เราโกรธเพราะอะไรเพราะเราไปอยากไปหวังอะไร เราไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธขึ้นมาถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปหวังอะไรจากใครยัง<ะ>ไงคนที่เราไม่เคยหวังอะไรจากเขานี่เราไม่ค่อยไปโกรธเขาเท่าไหร่ะแต่คนที่เราหวังมีเวลาเราไม่ได้ดังใจหวังเราจะโกรธเข า, าโดยใหญ่จะโกรธกับใกล้กับคนใกล้ตัวเราคนที่เรารู้จักเราแต่คนที่เราไม่รู้จักเราไม่ค่อยไปโกรธเขาเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่พอพอจิตสงบบ่อยๆแล้วก็นานๆแล้วก็เข้าง่ายนี่แรงมันเยอะมากเลยค่ะท่านพระอาจารย์บางทียมถึงกับแบบตกใจเล่าจิตมีพลั ง, ลงมีพละหล้า ม, มีสติมีสมาธิมีปัญญาตอนแรกก็คิดว่าเป็นตัวโยมเองที่รู้แต่พอหลังๆมาไม่ใช่นะคะพอบ้านเริ่มรู้ด้วยเวลามันพุ่งอกไปเขาจะเสียงอะไรขึ้นมาเลยค่ะแล้วยมก็รู้ว่าเนของตัวตัวเราที่มันพุ่งออกไป โยมลงทุนเอมมือไปเคาะตู้เลยฮะนี่เสียงตู้สภาพแบบนี้เสียงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแบบอังเริ่มกลัวค่ะท่านพยายามให้มันนิ่งเฉยๆอย่าไปทำทำตามความรู้สึกไม่คิดข้าหงหนอาวามันจะคิดอะไรก็ให้รู้เฉยๆไปกลับมากลับมาตั้งสติใหม่ให้ามันเริมคิดปรุงแต่ง ก็แสดงว่าเราเผอสตินะ้อให้รู้เฉยๆมันจะเป็นยังไงก็ให้มันรู้ไปแ่นั้นเองรว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปโอเคนะมีอะไรนะไหมวามหมดคำถามค่ะขอบคุณค่ะไปที่คุณสุภาธนาตอนะอาจนคุณสุภาธนา คนดีสารไม่เปิดกล้องเลยก็เลยไม่ได้เชิญนะถ้าอยากจะให้เชิญเนี่ยต้องเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องฮะแต่ว่าเป็นการส่องไปด้านนะอาจารย์ได้ไหมคะต่างชิคุณธรรมทเนศการวัสการพรอาจารย์เจ้าค่ะเออมาเลยก็ตอนนี้นะคะตอนนี้แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเออ่สติมันต่อเนื่องพอเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ย ก็จะรู้ตัวตลอดเลยค่ะจะไม่หลับแล้วค่ะาอาจารย์ค่ะแล้วก็แต่ว่ามันมันมันก็จะมีแวบแวบอาหารประเภทว่าช่วงที่มันมีสติแล้วมันก็อาจจะหายไปแวบหนึ่งแล้วก็มานั่งใหม่ตอนนี้นั่งได้เกินครึ่งชั่วโมงแล้วค่ ะ, คะก็นั่งได้ต่อเนื่องแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยก็จะให้ให้รู้ตัวไม่ให้เผล อ, อแต่ก็จะเห็นที่เหมือนกันว่าตัวเองเผลอ อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ให้อยากนี่เป็นการวางไหมคะพระอาจารย์ใช่ความอยากนี่มันจะทําให้ใจเรามันเครียดขึ้นมาเจ้าค่ะพอเราพอเราพยายามไม่ไม่อยากเนี่ยมันก็เหมือนกับการระวางปล่อยวางใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เฉยๆอืม응มันก็ทําให้เราไม่ไม่เครียดด้วยแล้วเราเรให้ท <ใจ S 2> ํา ใ, <จ S 2> ใ, ใจมันจะนี่งใจมันนี่พออยากแล้วมันจะกระวนกระวายกระสับประสายกระตือร้อนขึ้นมา เนาคะ่ะพอเวลาเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรเราก็กั้นตัวเองไว้เหมือนกับเราเรามีสติอยู่นะตอนนั้นใช่ไหมเนาคะ่ะคือจะทําทอะไรต้องมีเหตุผลถึงจะทําได้ถึงเวลาต้องต้องทำํทำนั้นทํานี้ก็ทําได้แต่อย่าทำตามความอยากก็แล้วกนค่ะก็ตอนนี้หรือตอนนี้รู้สึกว่าเราเราวางได้ได้มากขึ้นเนาะคะ่ะมันก็เลยทําให้ความหนุดหิดลาคาญใจแล้วก็ ความโกรดน้อยลงใช่เพรมันไม่มี ค, ความผิดหวังที่โกรธมาเพราะมันผิดหวังเฮ้ยอยากจะได้อย่างนี้ทำอย่างนั้นทํำนี้แล้วไม่ได้ทํานี้มันก็จะโกรธขึ้นมาในใจอือนะคะแเอาอเความนิ่งอไม่ต้องทำอะับความสุขอยู่ที่ความนิ่ ง, งความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้ทํำนู่นทํานี่หรอกนะะเป็นความทุกข์มากก ว, ว่าทำอะไรก็วุ่นวายใจขึ้นมาทําใจให้นิ่งดีกว่า นั่นแหละเกิดความสุขที่แท้จริงที่ตั้งของความสุขที่แท้จริงก็เกิความนึ่งฝึกสติไปเรื่อยๆนะอยา ก, กลอให้มันคิดโอขอบคุณตุก ข, าขาา่าจารยมากราบอาจารย์ด้วยนะคะได้อาคุณตุ๊่ขคุณิสอนถ้าอยากจะพูดก็เชิญได้คลกุนนัิสอนได้ยินมคกุนนัิสอน ไมโครโฟนก่อนอันมิวไมโครโฟนก่อนใพุนจะได้ไปที่ต้นต่อไปคุณุงที่มาเชิญคุนลุงที่ว่ามิวไมโครโฟนเกาขอมนักการเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วัไงมาับฟังเช่นเคยค่ะเชเคยนะชอบฟังนะไม่ชอบพูดดีเราทนับนิ่งไหลเลยพวกที่ไม่พูดเนี่ยเป็นพูดนับนิ่งไหลเลย แล้วมีอะไรดีซอนอยู่มเอามาแบา่งกันังคะฟัไเรื่อยมีขันติเน่มีมันตินต่ไ<ฆ>ฟังได้เรื่อยๆมีขันติมีความทนอดทนใจเป็นยังไงบ้างสงบไมมีความสุขห ม, มก็สงบลงเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ลดกิเลสกิเลสลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆน ะ, ะใช่ค่ะะอาจารย์ ความโลความอยากกันตาก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วคะเห็นว่าเป็นตายรักสมบัติน ะ, ะอยากอะไรก็เห็นว่าเป <laughs> ็นตายรักสมดเป็นทุกข <laughs> <ช>์ทั้งนั้นยา ว, <laughs> ย, าวยาวทุกข์มาใส่หัวเราเลยยาทุกมาใส่หัวใจเราก <laughs> ็าาจะโกนหัวปวดแล้วค่ะอาจารยดีาุสทุกคนเลย <laughs> <laughs> ้าม <laughs> <laughs> าโชวหน่อยนะ โอเคเด to enfin Texas, te <k <k <c <c ี๋ยวนี้ขอไปที่ท่านต่อไปนะพระอาจารย์คุณสุมาตราจากดัลลัสเท็กซัสเชิกล่ำนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเปยังไงมีอะไรไหมมีนะค่ะวันนี้ลูกมีอมีรายงานนิดนึงเจ้าค่ะคือลูกอยากรู้ว่าที่ลูกคิดนี่ไม่รู้มันคิดปรุงแต่งหรือว่าอะไรคือลูกเริ่มนั่งสมาเอเริ่มนั่งได้นานขึ้นนะเจ้าค่ะก็คือประมาณสอง สองชั่วโมงเมื่อครั้งที่แล้วรายงานพระอาจารย์ว่าเริ่มที่จะแบบปวดแต่ไม่ได้กระทบกระจายอ่ะเจ้าค่ะก็นั่งไปเรื่อยๆทีนี้พอมีวันหนึ่งก็นั่งอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็มีความรู้สึกว่ามันรู้เห็นออกมาเป็นส่วนๆอะเจ้าค่ะก็คือมันเห็นคือรู้ว่ามันอยู่ดีๆมันก็แบบเอ๊ะร่างกายมันเหมือนตอไม้อะเจ้าค่ะมันแบบมันมันไม่มีอะไรมันไม่ขยับมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็มาอยู่แล้วก็อยู่ดีมันก็มาเด้งเห็นว่า นี่คือเวทนาเวทนาก็อยู่ของเวทนามันก็มีอาการที่มันแบบปวดดาปวดดาบเจ้าค่ะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งมันก็มาเด้งอยู่ที่บทสวดมน่นะเจ้าค่ะ <c oughs> ลูกก็เลยแบบอ้าวแล้วสรุปคือแล้วเราก็คือแค่รู้รู้รู้รู้รรต่อไม้รู้เวทนาแล้วก็มารู้สวดมน์แล้วสวดมน์ก็ยังไม่ใช่เราเหรอนี่ย <c oughs> แล้วก็อยู่ดีๆก็มานึกถึงคําพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่า เออไม่มีอะไรทําร้ายจิตได้เราก็เอ้าก็แปลว่าเราเราก็ไม่ใช่สวดมนต์เราก็เพิ่งรู้แล้วยีนี้ติดมันก็เข้าไปจับสวดมนต์ต่อเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบเอ๊ะมันมันเป็นความคิดปรุงแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างีล้ลูกลูกงงสภาวะตอนนั้นนะเจ้าค่ะกอให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้ไงสิ่งที่เราที่ร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นมีตนา ไ, ไม่ได้เป็นหนังสือสวดมนต์ เนอะค่ะเรามันมันเจ้าค่ะครับปัญหาแล้วราคือเราไปยึดไปติดมันเราก็เลยไปทุกข์กับมันถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์เช้นร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยมันไปปล่อยมันอยู่เฉยๆของมันไปเวทนามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะเจ็บไม่เจ็บก็ปล่อยมันเป็นเรื่องของมันไปเจ้าค่ะลูกลูกแบบงงคือมันมันชัดมากคือแบบ มันชัดมากอยู่ดีๆมันก็เห็นของมันนะเจ้าค่ะมันเห็นเป็ น, เ ป, นเป็นสี่เป็นส่วนส่วนแรกก็คือร่างกายเหมือนตอไม้มันนิ่งของมันเลยไม่ไ ม, ไม่มีอะไรอะไรของมันเลยแล้วก็เวทนาเกิดดับเกิดดับมันก็มารู้ตัวเนี้เจ้าค่ะแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะแล้วแล้วใครกําลังสวดมนต์อยู่ลูกก็แบบเอ๊ะแล้วใครกําลังสวดมนต์อยู่ตัวสงขารพาร์เปลูกแต่งตัวสังขารเจ้าค่ะแล้วทีนี้ลูกก็เลยแบบ แล้วเราอยู่ตรงไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งรู้ก็เลยไปเอากลับไปจับที่สวดมนต์ต่อดีกว่ารู้ก็ติดมันก็เข้าไปจับตัวสวดมนต์ต่อเจ้าค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็คือตัวรู้แต่เรายังไปวาดตัวรู้เป็นเราอยู่ท่านต่อไปก็ตัวเราก็ไม่มีตัวเราก็เป็นเพียงแต่ตัวคิดขึ้นมาเป็นปรุงแต่งขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเขาว่าเราเนี่เป็นตัวสมมุติตัวจริงแท้ก็คือตัวรู้ท่าน มันชัดมากเจ้าค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้พอพอวันนั้นที่ลูกเห็นแบบนั้นก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าลูกมีความกลัวเจ็บน้อยลงอ่ะเจ้าค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันเห็นแล้วว่าเออเวทนามันทํางานของมันอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรามันก็น้องถามมานไมเจ็บร่างกายมันก็ไม่เจ็บยังจูงส่งแล้วก็แล้วก็เป็นตัวรับความเจ็บแล้วก็รู้เฉยๆไปเลยไม่ไปเจ็บกลับมา แล้วค่ะแล้วคําที่พระอาจารย์พูดขึ้นมาแบบมันเด่นขึ้นมาเลยที่พระอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรมาทําลายจิตได้มาทําลายจิตได้แล้วลูกก็แบบก็มันไม่มันมันรู้แบบมันรู้ปึบปึบปึบปบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็มันก็เลยแบบมันมันเป็นกส่วียนกันนั่งนั่มันเข้าไม่ถึงกันไม่มีอะไราเข้าถึงจิตเราได้นั่นก็ทั้งราเบิดนิวเกก็เข้ามาไม่ถึงจิตแล้ว เจ้าค่ะมันเห็นตรงนั้นนะเจ้าค่ะแต่ลูกก็งงว่าเอาแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้นั่งจิตรวมแบบรวมคือหายไปเลยเรายังไม่เคยได้ตรงเราเคยได้แค่ครั้งเดียวแต่นานมากสามสี่ปีแล้วแต่นี่เรายังไม่เคยได้อีกแต่ทําไมมันถึงเห็นอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยลูกก็เลยแบบ ม, มันไรนหรือเราคิดตต่างมันไปทางวิปสัสสนาอ๋อเจ้าค่ะลูกวันหลังวันต่อมาลูกก็เลยลองอีก ทีนี้ลองอีกเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อื่นมาทําให้เราไม่สามารถที่จะทําได้อย่างพอจะลองอีกข้างบ้านมันทะเลกกาะกันอะไรเงี้ยได้ยิเสียงเข้ามาเขาเสียส ม, ม <c oughs> <c oughs> าธิเสียสมาธิเราเมื่อวานเมื่อวานก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองอีกจะลองอีกลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยดันกินเยอะไปหน่อยเจ้าค่ะเพากินเยอะไปหน่อยนึกถึงพ่ออา <c oughs> จารย์เลย <c oughs> ปวดท้องเลย มีอะไรมาขาดอีกเลยบอกโอ้ย เ, ยเลยเลยไม่ได้ไม่ได้ลองอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยวันนี้ขอรายงานพระอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะาไปอย่า ไ, ไปไหม้มันหมายปั้นมือจนมากเกินไปมันจะทำให้ปล่อยให้มันสบายๆกลางๆมันก็มันก็จะเกิดขึ้นเอง พอไปตั้งใจขึ้นมาปั๊บมันจะมีปัญหาขึ้นมาใช่เจ้ค่ะเพราว่าเรคิดแล้วว่าวันนี้เราจะลองดูอีกทีสิว่าจริงไหมอะไรเงี้ยลบมาแล้วเรื่องนั้นเรื่องนีเขามาแล้วเจ้าค่ะพยายามทําใจให้ว่างไว้ก่อนลบบอยไปเรื่อยๆทำใจให้นิ่งให้สงบว่าเดี๋ยวมันมาเองเขาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดปรุงแต่งใช่ใช่ไม่ได้อมันเป็นธรรมอ่าเป็นการสัมผัสธรรมรู้ธรรม เจ้าค่ะลูกลูกจะได้แบบมีกำลังใจตรงที่ว่าพอมันเห็นแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าความกลัวน้อยลงมากเลยเจ้าค่ะในร่างเนี่ยตัรู้แยกจากร่างกายแยกออกจากเวทนาค่ะมันมันเด่นดึ๊กดึ๊กดึกดึกเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่อันนี้เราเจ้าค่ะที่รู้ทลายยากที่สุดเพราด้วยอย่างเงี้ยขั้นต่อไปก็ต้อาพามุนี่มาใช้ ขณะที่เราไม่ได้นั่งด้วยนะนั่งกายเป็นอะไรก็คิดว่าเป็นแค่ทอนไม้ทอนถือเวท น, นามันจะร้อนจะปวดตรงไหนก็มันก้าแคาเป็นเวท น, นามนไม่ใช่เราังใจเราจะได้นิ่งใจเราจะได้เย็นเธอเท่านั้น อ, <ะ>อย่าใช้แต่เฉพาะตอนที่เรานั่งนย่งเดียวนั่งตอนนั้นเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อสอนเราเพื่อเราจะได้เอามาใช้กับชีวิตประจํำวันของเราเลวลาเราเจอ <Okay. S 1> เหตุการณ์นนต่างๆเราจะไปนั่งไม่ได้ตอนนั้นใช่ไหม แล้วเราก็ต้องเราก็ต้องมาแล้วว่านึกจำไหมนะาร่างกายมีแค่ท่านไม้ท่านเฟืนอยเหมืคนตายคนตายเนี่เอาเข็มไปที่มันมันสะดุไหมย <c oughs> ยัง ร, ร่างกายคนตายแล้วเราไปที่ไม่ตัดมันเอามีดไปตัดมันไม่สะดุแต่ร่างกายคนเป็นนี่เาเอาเข็มไม่ตัดอะไรยเนี่ยสะดุขึ้นมา <c oughs> ไอตัวสะดุมไม่ใช่ร่างกายสะดุอยงเงี้ย <c oughs> ไอตัวรูนี่ยไปท <c oughs> ะ เจ้าค่ะเห็นเป็นโตอไม้แบบเห็นมันนิ่งนิ่งอยู่อางนั้นแล้วเวทนามันก็เป็นเวทนาจริงๆนะเขาเขามันก็อยู่ของมันอย่างนั้นคือมันก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นจะลงปวดไปลงไปอยู่อย่างนั้นเลยเจ้าค่ะมันก็อยู่ของมันแล้วก็ไปสั่งมันไม่ได้ใช่เจ้าค่ะก็ต้องปล่อยวางลูกเฉยๆไปเจ้าค่ะโอกราบสาธุเจ้าค่ะมีอะไรให้ลูกเจ้าค่ะลูกจะปฏิบัติแล้วก็คือสติกสมาธิว่าเดี๋ยวย่างอื่นมันจะตามมา อย่าไปอย่าไปนึกถึงอะไรพวก น, นั้นมันพอไปนึกถึงมันมันไม่มันไม่ได้เป็นของจริงมันเป็นความนึกแล้วทาใจให้จริงทำใจำให้ว่างแล้วเดี๋ยวสภาวะธรรมต่างๆมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกผมีกําลังต่อเอจ้าค่ะอคขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์ขอบพระคุณสาธุเจ้ า, าค่ะเนี่ยไปที่ท่านต่อไปขายนอคุณสภารนะได้ไหม ไปจุดบาก่อนมีไงอยู่วัดเราอยู่อยู่บนเขาแล้วอยู่บ้านกลับนวัฏสการค่ะอยู่อยู่บ้านค่ะได้ยินได้ยินอะไรอย่าอยู่บ้านค่ะอช่วงนี้พอออกจากบนเขามาไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ค่ะเพราการมันไม่อํานวยเหมือนกับอยู่คนเดียวเนีย ในครอบครัว ม, มันก็มีภาระมีเรื่องมีอะไรต่างๆให้ใช<ด>่<ด>ค่ ะ, คะมีจาระพัดสิ่งแทบจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติ<ม>แต่ว่าตอนที่อยู่บนเขาก็ก็มีความก้าวหน้าค่ะมีควา ม, ม, วามก้าวหน้าสามารถนั่งนานๆได้อย่างเนี้ยค่ะเห็นทําอย่างที่คุณสุภัตาเห็นไหมเห็นร่างกายเป็นท่านไม้ท่อนฟืนหรือเปล่าในวิทยาก็เป็นแท่ความรูม้สึกที่เกิดดับเกิดดับไปอะอ่ะคือ คือสิ่งที่คุณสุภท า, าคนเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ อ, อย่างนั้นเคยเห็นค่ะ เ, เคยเห็นนานแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดที่มานั่งนานๆนนเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวเวทนาแล้วอะค่ะอก็ดีก็นั่งไปเรื่อยๆเพราะรว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปควบคุมบังคับมันได้แต่เราอยู่กับมันได้ใช่ไหมค่ะค่ะเอแต่ว่าเอาสิ่งที่คุณเมื่อสักครู่เขาพูดเนี่ยมันก็ทําให้เรา มันก็จะตอบย้ำมาหาว่าให้เราให้เราจับหลักนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแยากกายแยกจิตแยกวิถีนาออกจากกาันเป็นเป็นเหมือนเป็นคนละคนกันไม่เกี่ยวข้องกันเราอยามมาเมาหรือว่าเป็นเราหมดถ้ามีวิชาโมะนี่มันจะเมาว่าร่างกายก็เราวทนาก็เราจิตก็เราพอมาฟังท่า น, นอื่นพูดก็จะทําให้เราแบบเอ ยิ่งชัดเจนอะคือจะได้มันจะเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, น อ, ะ, mm hmm. อะจะพอดีว่าเมื่อสักครู่ฟังคุณวิทยาเสนีพูดอย่างหนึ่งอะค่ะเอ่อทำให้มีความสงสัยว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตปกติอะค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราดีใจออาการดีใจเนี่ยมันจะมันจะเบาบางกว่ามันจะไม่ชัดเหมือนเวทนาทางกายที่เรารเผชิญตอนนั่งใช่ไหมคะอย่างเราดีใจอย่างเช่นว่า เราได้เงินทองมาเรารู้สึกว่าเราดีใจแต่เราพยายามไปสอนใจตัวเองนะค่ะว่าอยากเป็นอารมณ์อยากให้มันอยากจะให้มันทําทําใจเป็นการกลางอ่ะมันมันควรจะสอนใจยังไงดีคะว่าได้มาได้เลยมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปก็แล้วแต่คิดถึงกาิจั่งเมื่อคิดถึงกาิจังมันก็จะหายดีใจโอ้กูได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไป มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรถาวรมันก็จะทําให้ใจอความดีใจอารมณ์นั้นสงบตัวลงได้มันยังรู้สึกเฉยเฉยมาก็มามก็แค่คิดว่ามาเพื่อไปอือะไรได้อะไรมาเดี๋ยวมันก็ต้องไปพอรู้อย่างนี้ก็มันก็จะไม่ดีใจเพราะเดี๋ยวมันจะรู้เวลาไปจะทาให้มันเสียใจถ้ามันดีใจถ้ามันไม่ดีใจเวลามันไปก็มันจะไม่เสียใจ ปัจจัยไหะพยายามมองอ น, นิจจังให้เห็นกับในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะได้อะไรมาอ็จะดีใจหรือเสียใจก็เหมือนกันเสียใจก็เวลาใครดา่าเราก็เสียใจก็คิดว่ามันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปถ้าเราไม่ไปเสียใจเวลามันไปเราก็จะมันมันก็มันก็มั น, มนถึงเวลามันก็ไปถ้าเราเราไปไม่เราไปเสียใจเราก็ทุกไปเปล่าเปล่าอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจ ้้รูใแต่ว่ะตอนที่อารมณ์ดีใจปรากฏเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ชัดมากมันจะมันจะเล็กๆแต่ว่าเราพยายามแบบมีสติว่าเอออย่าไปอย่าไปอะไรกับมันมากทำใจกลางๆไม่ไป็นรับไปดีใจไปรักมากเวลาไปมันก็จะเสียใจมากถ้าดีใจมากเวลาไปมันก็จะเสียใจมากถ้าดีใจน้อยเวลาไปก็เสียใจน้อยถ้าไม่ดีใจเลยเวลาไปก็ไม่เสียใจเลยนั่คิดอย่างนี้ พยายามจำลองเออพยายามเอาภาพจำลองที่เราได้จากการที่เราเจอทุกุเิทนาทางกายเนี่ยมาอัดแปใช้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องอเผชิญหลังจากหลังจากที่เราออกจากสมาธิอะค่ะใช่เหมือนกันมันก็เป็นอารมณ์ทั้งนั้นเป็นอารมณ์ทางใจเป็นเวทนาทางใจมีเท่านี้นะมีเท่านี้ค่ะโอเคกลับอุมัสการ ไปที่ท่านตอบไปคนปลางเมื่อไรใช่คนปลางเมื่ไรตอบนะมาสบายแล้ค่ะมามามีอะไรไหอวันนี้มาหาความรู้แล้วค่ะหาความรู้เฉยเลยไม่มีไม่มีแต่ไหนมไม่มีแบบความรู้ให้ไม่มาถามปัญหาเลย ก็ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติอะค่ะก็เมื่อรอบที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของน้ำลายอะค่ะในระหว่างที่นั่งที่นั่งสมาธิแล้วก็พยายามไม่กินน้ำลายโมก็เลยลองไปทําเพราะว่าที่ผ่านมาก็เวลามีน้ำลายเยอะๆก็พยายามกืนแต่ว่าช่วงที่นั่งนั่งอยู่ก็ประมาณสามสี่รอบอะค่ะแล้วหลังจากนั้นภาวสมาธิมันดีแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ห่วเรื่องน้ำลายต่อไปค่ะเอออย่าไปสนใจมัน พยายามอยู่กับลมไปอยู่กับพุทโธไปนะแล้วอาการต่างๆมันจะหายไปเองนะคะโอเคยี่ไปที่ท่านต่อไปนะคุณมันิกาชัยยาวนะอันนี้ดูกันนะเปิดไมโครโฟนก่อนอยู่ข้างหน้าพูดได้รับจ่ะ กลับ<ข>มาตะโกนที่อาจารย์เจ้าขังได้ยินไหมคะท่านอาจารย์ได้ยินชัดเจานจะได้ยินชัดเ จ, จดนจจเป็น <มา S 2> เครื่งแรกนะคท่านอาจารย์ที่ได้ชข่ามาในซูมนี้อยู่ที่ไหนบ้านนี้ไหนบ้านอยู่อำเภองเงษจังหวัดนาราธิวาสแต่มาทํางานอยู่ที่อำเภอสุขดินเจ้าข่าท่านอาจารย์อยู่ที่นราธิวาสจ้ะใช่ค่ะอยู่ที่อำเภอรังเงษเจ้าข่าทาอาจารย์รังเงอยู่รังเงษค่ะแล้วตอนนี้ก็เกษียณแล้วก็ทํางานอยู่ที่ โรงเรียนสุขินินวิทยาค่ะยังทางานอยู่ที่ลำน่านเหมือนกันเนอไม่ใช่ค่ะอำเภอสุขินินค่ะสุขิินรตันหลงมั่นอยู่กลกันตลอดตันหงมันก็เลี้ยงง่ละค่ะอยู่กล้ตอนเด็กๆเราเคยไปอยู่ที่ตันหลวงมันบ้งกันเจ้าค่ะอาจารอ่านประวัติอาจารย์แงก็มีอะไรไมวันนี้มีคาถามอะไรป่ะก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่าน ช่วงก่อนนะครัวันที่เก้าถึงวันที่สิบห้าก็ได้ไปตัดบาทแล้วก็ไปไปกะผ้าจากรันด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาก็ถูกตัตัวอยู่ที่สุขลินค่ะพระอาจารย์ตัด <Okay, S 2> <ะ>เก็บตัวเหรอตัดตัวสิบสี่วันเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ไม่มีอาการอะไรใช่ไหมไม่มีอาการค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ว่านั่นแหละก็เป็ เป็นขั้งแรกที่ขึ้นมือปฏิบัติธรรมตรงนี้น ะ, ะก็คือก็จะจะแบบลักษณะที่ว่างแล้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะท่านอาจารย์ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าสิ่งที่เจอสิ่งที่เจอก็คือคล้ายๆเป็นลักษณะของการแบบทดสอบนะคะท่านอาจารย์พวกขาจรต่างๆใก็จะเวียนมาเวียนไปโดยที่ไม่ซ้ําหน้ากันนะคอาจารย์เดี๋ยวก็เรื่องนน้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้น แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือที่กล่าวว่ามาันคงได้หูอะมันกระทบได้หูนี่มันจะมีที่หงุดหงิดบ้างสงสัยบ้างฉนั้นอยากจะถามพระอาจารย์หนึ่งคำถามว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันจะได้มามา้บควมจิตใจของเราครับพระอาจารย์เอาใจแล้วขาดูเบะขางเลยต้องฝึกสมาธิให้ามากๆ ย, ยังจะมีสมาธิได้ก็ต้องฝึกสติก่อนพยายามหมัม่นฝึกสติอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็คุมเลยพุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูว่าร่างกายเรากำลังทําอะไรอยู่ก็ไปกับร่างกายไปแล้วพอมีเวลานั่งก็นั่งให้มากๆนั่งให้นานๆให้มันได้บุ๋ยก้ามากๆแล้วต่อไปเวลามันสัมผัสกับรูปเสียงกิิยนรดต่างๆก็จะเฉย ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารยา์การพยายามฝึกสตินั่งสมาธิสตินี้ฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะ่ายไพุโทโธก็นั่งคอยดูตอนนี้ฉันกนำลังทําอะไรอยู่ว่ากาลังกินข้าวให้อยู่การกินข้าวกาลังอาบน้ำให้อยู่การอาบน้ำนี่เรียกว่ามีการการมีสติเป็นอย่างนี้แล้วพอเวลาว่างก็นั่งหลับตาพุโทโธไปก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้จนจิตมันนิ่งแล้วก็จะได้โอเบกขาขึา้นมา แล้วต่อไปเวลาไปสัมผัสกับอะไรมันจะเฉยๆได้กายดาก็เฉยได้หรือถ้ามันจะมีอารมณ์มันก็ไม่ไม่มากเหมือนตอนที่ไม่มีสมาธิใจมันยังอารมณ์ยังมีอยู่ถ้าจะให้มันหมดนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างเป็นใจรักไปไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้อนัตตาสัตเวตมานัตตากายดาลายชมเราไปควบคุมไปสั่งเขาไม่ได้เป็นเหมือนดินฟ้ากัน แล้วก็หัดอยู่กับมันไปเราอยู่กับดินฟ้ากัดได้เราก็ต้องอยู่กับคาําด่าคําชมให้ได้แคนั้นเองเจ้าขาพระอาจารย์ในเรื่องอื่นๆนะฮะพระอาจารย์ก็ก็ส่วนใหญ่ก็ความโกรกก็มีบ้างความโกรกก็มีบ้างแต่ว่าก็ก็เคยทําได้นะในเรื่องผลการให้อภัยการให้อภัยนี้ก็คือถือว่าแผ่นมาได้จุดหนึ่งแต่ว่า นั่นแหละนะคะพระอาจารย์ในเรื่องของการฟังนั่นแหละบางทีเราจี๊ดจี้ตรงนั้นนะคะพระอาจารย์แล้มันรักการอยากดีกว่าอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาไม่ทำร้ายาใช่ค่ะพระอาจารย์แต่เรา<ม>บอกว่ามันอยากจะ<ม>ทำร้ายปกยให้มันทำมันอยากจะด่าก็ด่ามันอยากจะตีก็ปล่อยให้มันตีไปเนี่ยพระเจ้าสอนให้คิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ดาา่าเร า, าแล้วก็ด่าแลเราก็ดีแล้วเขยังไม่เขายังไม่ตีเรา แ ล, แล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ยังไม่ฆ่าเราแล้วก็ฆ่าเราก็ดีจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปค่ปนะสาธุค่ะพระอาจารย์คิดอย่างเนี้ใจเราก็จะเฉยได้ไม่ไปโกรธไปเปรียดเข้าอะไรเข้าไปถือว่าเป็นการเป็นวิบาก ข, ของเรามาเกิดมาเพื่อใช้กรรมนะมาถึงเวลาก็ต้องยอมรับกรรมไปเราเคยทําเข้ามาก่อนท่นนี้ก็ต้องให้เขาทำเราบ้างค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เข้าใจนะ เข้าใจค่าพระอาจารย์สาธุค่ะพระอาจารย์โอเคัน okay. นีขอไปที่ท่านต่อไปนะไทยเอยคุณาการเรศเด้อกาเรเชิญกราบนมัสก า, า, ารครับหลวงพออ่อมีอะไรไหมก็ปฏิบัติมาครับแต่วันก่อนปกตีแบบก่อนนอนก็นั่งสมาธิเสร็จแต่พอเช้ามืดมันตื่นเองแล้วก็จับไปจับมาเอาเห็นแสงเผอกิ้งกิ้งไปตามแสงก้งไหไม่รู้หลวงพ่อเลยเอา้าวตื่นเลยหลวงพ่อเยเออ หลวงพ่อจิตจิตที่เป็นทิพย์แปลว่าอะไรหรอครับก็กายทิี่หม้เคอจิตเนีไยจิตได้เป็นกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี้อยู่ในโลกกระทาอยู่คนละโลกกันแต่มาเชื่อมกันด้วยกระแสะวิญญาณแล้วคนที่ไม่ต้องแล้วคนที่ไม่เคยฝึกจิตมีอะไรจิตเขาเป็นทิพย์ไหมก็ได้ไหมครับก็ทุกค น, นจิตจิตเป็นทิพย์แต่แต่ไม่ไม่มีธรรมะก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทิพย์ตอ น, นจะไปคิดว่าเป็นร่างกาย แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วมันจะเริ่มรู้ว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละคนร่นางกายเป็นกายหยาจิตเป็นกายทิพย์กายละเอียดครับรู้สึกว่าช่วงหลังมีตั้งแต่ตั้งแต่บวชมาศึกมามันมีแต่ว่าศรัทธาพทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากขึ้นในทุกๆวันแล้วแล้วศรัทธามันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับหลวงพ่อมันก็จะทําให้เราปฏิบัติตามมากขึ้นเมื่อเรามีศรัทธาเราเชื่อพระเจ้า เราก็อยากจะทําตามที่พระเจ้าสอนเพราะเชื่อว่าทำเราจะทําให้เราได้ผลดีได้นิพพานได้หลุดพ้นจากการเป็นว่างตายเกิดสตางค์ก็จะนำไปสู่วิริยะตามขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาคําสอนให้มากขึ้นปฏิบัติตามคําสอนให้มากขึ้นด้วยการจเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็จะทําให้อินทรีย์ของเรากลายเป็นพร ะ, ระต่อไปกลายเป็นพร ะ, ระห้า มันเป็นพระห้ามก็จะข่ากิเลสได้ดับกิเลสได้บรลุถ้าละสมยชนได้บรรย์เป็นโสดาบันส ก, กิทาคานาคาอหารหันได้เริ่มต้นที่ศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็จะไม่สนใจที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติพอมีศรัทธาแล้วก็ทีนี้ก็รู้แล้าต้องศึกษาก็จะได้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างต้องปฏิบัติอย่างไร พอรู้ก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติแลานเดี๋ยวก็บรรลุมรรคผลนิพพานตามลําดับต่อไป ท, ท, ไไไที่คนไม่ไปครับที่คนไม่ค่อยชอบปฏิบัติกันเพราะว่ากว่าจะเห็นผลไม่เห็นช้าใช่ไหมครับหลวงพ่อก็มันยังไม่มีศรัทธากล้าแก่กล้ามองยังถูกก่เลยยังชอาไปทาำกิเลสอยู่เพราะสังเกตคนที่ศาสนาคริสต์หรือสลากรักศรัทธาอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้มี เขาศรัทธาถามว่าอะไรเขาบอกพระเจ้าเขาเป็นคนบอกคือมันจบอย่างนั้นเลยแต่ของเราเหมือนต้องปฏิบัติเป็นจะถึงอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเขาเขาศรัทธาเขาก็ต้องทําตามที่พระเจ้าสอนพระเจ้าก็สอนให้เขารักษาศีลบัญญัติสิบประการถ้าเขารักษาได้เขาตายไปเขาก็จะไปสวรรค์อแต่ไปไม่ถึงนิพพานไปได้แค่สวรรค์นะนะพุทธศาสนาสอนให้ไปสูงกว่าสวรรค์คือไปนิพพาน ออกจากโรคทำการเป็นว่นาตายเกินตอบมีมีอันนึงผมเข้าใจคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้ามีคนอื่นที่ไม่รู้จักผมแล้วถามว่าพระจะรู้ได้ไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนคือพระอาหารหันต์ผมควรตอบอยังไงดีครับผมก็เหมออือนเวลาไปกินอาหารเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าร้านอาหารนี่อร่อยหรไม่อร่อยไม่ต้องไปกินดูใช่ไหมอ๋อครับแต่ยังรู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่เป็นพระอาหารหันต์ จะอกจะให้มั่นใจก็ต้องทาตามที่ท่านสอนดูถ้าท่านสอนแล้วเราบันเป็นบ้าหานแน่นเราก็ได้รู้ว่าท่านเป็นบ้าหานแน่ๆหรือมาเนี่ยอีกวิธีนึ่งก็ต้องร้อยท่านตายไปก่อนแล้วดูว่ากระดูกขอท่านกายเป็นพระธาตุหรือเปล่ามีสองวิธีนึกแล้วมันก็แปลกใจเหมือนกันนะหลวงพ่อผ ม, ผมเติบโตมาในเพื่อนแต่ละคนพี่น้องก็ได้ผมคนอื่นเขาไม่ศรัทธาศา ส, สนาพุทธเหมือนผม ท, ทั้งที่แบบบางทีก็ เปิดโปรโตในสังคมเดียวกันมันก็ประวัตเก่าของเรามากกว่าคํางเราเคยศรัทธาแล้วองนี้มา ก, ก่อนนะพอเรามาเจอเรอา ก, ก็เราก็ไม่เหมือนไฟเก่ามันก็ลุกโชนขึ้นมาได้แบบเกิดมาเห็นแล้วก็แบบไม่ต้องสอนศรัทธาเลยอย่างนี้ครับผมพ่อเออมันมีมันมีศรัทธาเก่าฝังอยู่ในใจมันชอบเรื่องราวเหล่านี้ชอบเรื่องจิตใจเรื่องวิธีปฏิบัติ เหมือนพอมาเจอมันก็เหมือนกันได้ได้ขอมาปลุกปลุกปลุกใจเราให้ปลุกไฟที่มันมอดไปให้มันลุกขึ้นมาใหม่คนบางคนไม่มีอลไไม่มีไฟเก่าเลยมันก็เลยไม่ลุกขึ้นมาแล้วคนที่ไม่เคยมีไฟเก่าเลยเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไงครับอ่ามันเรื่องเพราะเขาใช้กรรมหมดเขากรอม เ, เกิดเป็นมนุษันก็ได โอเคนะเดี๋ยวไปที่นั่นต่อไปวันนี้เยอะนะห้าสิบสามคนใครนนาะคุณสวีรัตชวีรัตใช่ไหมนั่นสวีชวีอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินได้ครับไม่อไม่ใช่ชวีรัตครับสิ่งผมเช่ดเดชสวีรัตคือคุณแม่ครับเออจากกรุงเทพครับอาจารย์ครับมีมีคาถามสี่ข้อครับอาเลยมากเลยครับ สิ่งข้อที่แปดนะครับเราสามารถนอนบนเตียงแบบไหนได้บ้างครับคือคือไม่อนอนบนเตียงสำลันนะสมัยนี้เห็ไหม่เตียงโรงแรมเตีย ง, ยงนอะไรอย่านั้นนะเป็นเตียงแบบสำลานให้สุขให้สบายให้นอนแบบเตียงง่ายๆเป็นเตียงไม้เนี้ยแล้วก็ปูด้วยผ้าด้วยเสื่ออย่าง้เตียงเตียงยางพาราไม่ได้ใช่หครับปูปูยางพาราไม่ได้มันนี่มก็ถ้ามัน บ, งบางๆก็ได้ถ้ามันสําหรับ บางทีถ้าหลังเรากระดูกอะไรมั น, มนเจ็บนี่ก็อาจจะมีผู้บางๆได้แต่ไม่ให้มันนาถ้ามันทำเพื่อสุขภาพได้อยู่แต่ยังไม่ได้ทำเพื่อให้มันเกิดทางด้านความบันเทิงความสุขทางไหนครับ อ, อีกคำถามนะครับเออสมมติว่าเวลาเราผิ้วกับลมหายใจเปน็นนานๆผมมิก ผมชอบมีความรู้สึกว่าเมันเหนื่อยหรือว่าหายใจยากหรือว่าหายใจไม่ค่อยออกเนี่ยอันนี้คือปฏิบัติผิดหรือเปล่าไม่ผิดแล้วถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เรานั้นปฏิบัติก็อาจจะเป็นอาการของกิเลสมาคอยขวางเราเราอย่าไปสนใจมันดูเราดูลมไปลรื่องพุทโทไปแต่เดี๋ยวอาการเหล่านั้นมันก็จะหายเองครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งครับสมมุติ เวลาเราต้องตัดต้นไม้ใหญ่ๆบางต้นนะครับเช่นสมมติเราต้องจัดสวนเพื่อให้มันเรียบร้อยหรือว่ามีต้นไม้บางต้นมาบางต้นไม้ที่เรากําลังปลูกอยู่นะครับอันเนี้ยถ้าถ้าตัดไปแล้วเกิดมีเทวดาอยู่ในต้นไม้เนี่ยเทวดาจะโกรธนะครับก็ขอขมาลาโทษก่อนขออนุญาตก่อนแล้วค่อยค่อยตัดเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้มาเบียดเบียนท่านแต่มีความจําเป็นที่จะต้องตัดต้นไม้ตรงนี้ก็ขอให้ท่านอย่าโกรธผมเลยนะไว้ท่านไปหาที่อยู่ใหม่ แล้วก็อีกข้อนึงครับว่าว่าสุายครับคือสมมุติว่าบุคคลที่เป็นบรรดาศนะครับในในศาสนาพุทธซึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าเองท่านไม่อนุญาตให้บวชเข้าไปในสงฆ์ครับปกติบรรดาศเนี่ยจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับได้เพราะาเรื่องบรรลุธรรมมันเรื่องของจิตใจถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็บรรลุธรรมได้พแต่ ว, ว่าการบวชนี้มันต้องไปอยู่ในร่วมกันในสังคมเช่นถ้าเป็นพระเนี้ยแล้วถ้าเกิดมี มีประเภทสองเข้ามาเดี๋ยวมันไปทำไปทาเรื่องการร่วมเพศกันได้ง่ายแล้วก็เลยห้ามไม่ให้เข้ามาอยู่ใกล้กันไม่ไม่ครับไม่ไมว่าบันดาจะปฏิบัติดีขนาดไหนจนเหมือนกับละกามราคะล ะ, ละได้แล้วก็ยังไม่อนุญาตรันนี้ก็เราก็ท่าที่ถ้าท่านห้ามก็คงจะห้ามนะนอกจากว่า ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปประกาศตนเองว่าเป็นบรรด ก, ก็แล้วกันแล้วก็ไม่ไม่ประพฤติผิดทางทางทางเพศก็ก็ไม่มีปัญหาสมัยนี้ก็มีเยอะเนี่ยพระที่บวชอยู่เนี่ยที่ท่านเป็นประเภทสองแต่ท่านไม่ไม่แสดงอาการท่านไม่ประกาศตนเองว่าท่านเป็นท่านก็ปฏิบัติรักษาศีลตามปกติเหมือนกับพระด้วยก็ไม่มีปัญหา ดังนันบางทีไม่ถ้าเขาไม่ถามเราเราก็ไม่ต้องไปไปบอกเขาก็ได้ถ้าเราถ้าเราสามารถควบคุมใจเราได้ไม่ให้ไปทําอะไรผิดผิดศีลต่างๆของพระได้แล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ครับขอบคุณครับอาจารย์หมดแล้วเลยหมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้จะมาถามใหม่ปกติบ้านยึดมทุ่มถูกมครับเออสองทุ่มริบสองทุ่ ม, มบ้านอยู่ที่ไหนนะอราอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพนะโอเคทุกวันพุธสองทุ่ม เขอไปที่ท่านคุณต่อไปคือคุณพิมพิดาเชิญคุณพิมพิดาเปิดจีนิศนรมรสมการทานะราจารย์ค่ะอ ย, อยู่วันนี้รู้เสึกตอนนี้ตอนที่แสงสว่างเช้านะตอนนี้ค่ะเอะตอนนี้หนูขึ้นมานั่งอยู่ตรงตรงดาดฟ้าของที่บ้านเนี่ยแหละคะ่ะพอดีอากาศเริ่มดีแล้วก็เลยแบบขึ้นมานั่งภาวนาได้ตอนที่ากาศพิณาวนเย็นสบายนะ ค่ะค่ะวันนี้ประมาณยี่สิบห้าแล้วค่ะเออดีดีค่ะหนูหนูไม่มีคําถามค่ะเข้ามาฟังแล้วก็กลาวรำลึการพระอาจารค่ะแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ทุกวันค่ะใช่ดีงั้นก็ขอไปที่เจ้าต่อไปนะค่ะกลาวขอบพระคุณค่ะคุณจอยเมื่อก่อนอยู่พัทยาแต่นีนี้ย้ายไปอยู่นนทบุรีนะป็นยังไงอยู่ที่ใหม่ดีไหมก็ดีค่ะ หูใกล้ๆนะเสียงมันก็ได้ยินดีดีค่ะดีไหมคะดีดได้ยินนะขาก็ดีก็จะวุ่นๆหน่อยค่ะมันเพิ่งทําใหม่ค่ะได้งานแล้วเหรอได้งานใหม่แล้วเหรอก็ยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าเพราะว่าจะขายของทําอะไรที่แบบง่ายๆอ่ะค่ะอ่าดีทําที่บ้านขายที่บ้านเลยเนี่ยอ๋อ แล้ว เ, เมื่อคืนฝันถึงพระอาจารย์ด้วยค่ะวันนี้เรต้องเข้าซูมก่อวนว่าได้ไปฟังเทศก็ดีาการแบบว่าลูเล็กก็ถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้ไปใส่บายก็แบบเออรอก่อนตอนนี้ก็โควิดเดินไปไหนไม่ได้ อ, อันนี้ยังไม่ต้องมาหรอกนะพยายามเก็บตัวเพววื่อความปลอดภัยอ๋อบางพื้นที่สีแดงทั้งทั้งชลบุรีทั้งนนทบุรีเลยนี่ค่ะอะ ในนี้ก็พยายามให้ทุกคนอยู่อยู่ในบ้านอย่าออกไปนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้ออกก็อยู่บ้านกันไม่ค่อยออกไปไหนอเคุนเ <Okay. S 2> สบียงไว้อะค่ะอันนี้เด็กๆนอนกันหมดแล้วเหรออ่ะนอนหมดแล้วค่ะอืมเป็นไงเขาชอบไหมเขาชอบบ้านใหม่ไหมหรือว่าคิดถึงบ้านเก่าเขาชอบเขเล็กชอบอเขาได้อยู่กับพ่อเขาเขาเลยชอบอ่านี่มาอยู่กับพ่อเลยค่ะอืม ก็ดีจะได้จะได้อยู่ร่วมกันนเดูช่วยกันดูแลกันแล้วเด็กก็ต้องย้ายต้องเรียนเข้าไปเข้าที่โรงทุเรศกันค่ะเข้าที่โนนรงทุรเรศก็สมัคได้นี่เข้าได้นี่ตอนนี้ยังไม่ได้เพราะมันเป็นโควิดเขาก็เงยียบอยู่ค่ะอก็รอรอให้มันเบากว่านี้หน่อยอเขาเลื่อนไปเปิดวันที่หนึ่งมิถุนายนด้วยอ๋อ อันันก็ใช่ค่ะยังไม่ได้ฟังข่าวเลยค่ะทีวีมไม่มีค่ะต้องไปติดต่อแ น, น่นๆเถ่ะต้องไปถามตรงนี้ว่าเขารับสมัครดังเดืนเมื่อไหร่เราจะได้ไปสมัครได้ค่ะ<า>ไม่ช่เดี๋ยวก็เปิดรับสมัครแล้วเราไม่รู้เราค่ะเดี๋ยวติดตามในเพจของโรงเรียนเขาค่ะเออเนี่ของี่<า>เราต้องคุยนควายหน่อยไม่ให้อยู่เฉยๆง่ายก็มาบอกเราทุกอย่างค่ะได้ค่ะอค่ะ<า>ไม่มีอ่ะเออมีอมามสุนะ ไว้ได้<อ>ทำในสิ่งที่อยากจะทำนะค่ะสาธุค่ะโอเคไปที่ท่านต่อไปคุณเลเรนทานเช่คุณเซินทานเซเรนา ร, เ, ร, นรเป็นยังไงคะสวั ส, สดีค่ะพระอาจารย์ยมยมก็สบายดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ยมก็ช่วงนี้ก็ยังคงปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมพยายามเดินสติอะค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องอะค่ะ เหมือนสมมติว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วมันอยู่ที่ลมหายใจแต่พอถึงเวลามาทำงานปุ๊บมันก็มันก็หายเลยค่ะแล้วมันต้องไปอยู่โรงงานแล้วก็ให้ลมหายใจอยู่อกาสทางานแต่ค่ะพระอาจารย์แล้วเหมือนเขารู้มันก็เลยรโยมทำงานวันหนึ่งเยอะมากมันก็เลยกว่าจะได้โอกาสกลับมาทำปฏิบัติอีกรอบหนึ่งมันก็คือกลางคืนแล้วอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่ที่โยมเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าพอหลังหลัง กว่าจะได้ปฏิบัติก็ตีหนึ่งตีสองนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอนั่งแล้วมันก็วูบหลับไปแต่คราวนี้พ่อพอยมกำลังพอมันกำลังวูบวบวบยมก็พุทโธพุทโธพุทโธเต็มกำลังเลยมันก็ไม่ก็คือมันไม่มันไม่มันไม่วูบมืดอะค่ะพระอาจารย์มันก็เริ่มสว่างขึ้นแต่มันก็ไม่ได้มันไม่ได้สว่างในระดับที่ยมเคย มันไม่เบาเหมือนอย่างที่โยมเคยสัมผัสมาก่อนก่อนหน้านี้มันเหมือนมันเบามันสว่างแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันมันรู้สึกว่ามีตัวรู้แต่ว่ามันไม่สว่างและมันไม่เบาอย่างที่เคยเป็นนะคะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรมันเป็นผลของสติสติมากสติน้อยมันก็สงบมากสงบน้อยค่ะเราต้องยอมรับสภาพว่าสภาพของเราที่จะเจริญสติมันมันมีไม่มากพอ ค่ะแต่ก็ยอมก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจำนวนชั่วโมงที่ยมใช้ในการปฏิบัติมันไม่เท่าเมื่อก่อนแต่ว่าเวลานั่งแล้วมันก็อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็นิ่งได้มากขึ้นใช้เวลาแป๊บเดียวอย่างชั่วโมงครึ่งก็สามารถเข้าไปอยู่ในระดับที่ลึกพอสมควรนะคะพระอาจารย์ก็ก็รักษาสภาพนี้ไปก่อนนะคะส่วนเวลาเรามีเท่านี้ ค่าพระอาจารย์ยงก็พอเห็นเพื่อนนักปฏิบัติธรรมได้ไปปฏิบัติธรรมบนเขาหรืออะไรยงก็รู้สึกว่าโอ้ตัวเองช่างยังไม่มีโอกาสนะที่เวอร์จิเนียก็มีวัดของพระอาจารย์ดี่ลึกสินน้งตามหมาบัวเป็นชาวเหมือกันอยู่เมืองเล็กซิงตันนัลำลำเสดหาดูเล็กซิงตัเวอร์จิเนียที่เป็นวัดป่าท่านยมอาจารยก็นำว่าไปทำบุญดูไปสนุดหรดืว่า ท่านไปที่ยวเราไปอยู่ชั่วคราวได้หรือเปล่าค่ะคือโยมก็ยังติดลูกอยู่ว่าลูกเขายังอมันยังมันยังไม่ได้เป็นที่อ่ะค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยพาลูกไปเที่ยวไปเที่ยววัดก่อนไปเที่ยวดูด้วยค่ะไปดูไปดูร้านเลาก่อนค่ะก็เลยปฏิบัติเหมือนกับเจริญพยายามเจริญสติในชีวิตประจําวันก็รู้สึกว่าทําได้ดีขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวในระหว่างวันได้มากขึ้นทําแล้วก็เอาสติก่อนตอนนี้ทําสติได้ ธมาติเสียนันนงยกงาแล้วโยมก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้ก็เริ่มดูพวกอาการสามสิบสองแต่ว่าดูจากใน you t u ู e เพราะโยมไม่มีโอกาสได้ไปช้อปปี้ไ ม, มไม่ได้หนังสือนคนอื่นเ<อ>ขาโยมก็เลยดูจากใน you tube พวกร่า ง, งก<น>ายแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เหมือนกับพิจารณ า, าสุภาในร่างกายตัวเองอย่างนี้อย่างนี้ไปก่อนนะคะบางวันก็องคนอื่นด้วย ค่ะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันสติก็อยู่กับเนื้อกับตัวบางวันก็น้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทําไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ก็ยังคงทําไปเรื่อยๆนิยมก็ไม่หยุด่ะค่ะเพราะเหนเื่อยแค่ไหนก็ไม่มีเหมือนเด็กที่ทำงานหัดยืนหัดเดินเหยื่อเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็คลานไม่ต้องลุกคลาไปเรื่อยๆก่ออย่าท้อก็แล้วกันยอมรับสภาพของเราว่าเป็นอย่างนี้ค่ะยยมไม่ท้อไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นไปตามลำดับเลย ค่ะพยโยมก็รู้สึกว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเท่าเดิมแต่ก็แต่มันก็ไม่หายไปไหนอะค่ะมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราได้มีโอกาสเจริญสติทั้งวันทั้งคืนเราก็มันก็น่าจะดีกว่านี้เพียงแต่ตอนนั้นตอนนี้เรายังที่อันาจจะรักษาเจ้าที่เรามีอยู่ก่อนอย่าให้มันหายไปค่ะพระอาจารย์ค่ะพรอาจารย์ถ้าหยุดนี่มันหายได้นะถ้าเราเลิกทำนี่มันหายได้ ค่ะยมไม่หยุดแร้วค่ะเพราะว่าถึงเวลามันก็มันก็มาทําเองโดยที่มันไม่ทําไม่ได้อะค่ะพระอาจารย์ถึงเวลามันมาเลยไมธรรมดาถึงเวลามันมันต้องปฏิบันิมันติดการปฏิบัตินะอ่ามากน้อยยังไงก็ต้องทําค่ะต้องหยุดหยุดไม่ได้ค่ะก็ยกก็ไม่มีอะไรก็แค่มาขอกําลังใจจากพระอาจารย์ก็เคจะได้ปฏิบัตินบางคนอื่นมันก็ให้กําลังใจกันเราได้ อ่าพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ค่ะเจ้าจ่าคุณไาโฟนจากซีเนนนะคุณไาโฟนอยู่ข้างๆเราก็เอาก่อบเลยเชิญนสวัส hmm. e <Okay. S 2> ดีครับ อ, อมาจากที่ไหน อ, อผมอยู่สงขลาครับพระอาจารย์ครับออข้างแรกเลยเข้ามาข้างแรกข้างแรกครับแต่<ๆ>ก็ติดตามพระอาจารย์อยู่ตลอดเวลาครับผมเอ อ, เ อ, อมีคําถามไหม อ่าผมมีอยู่ประมาณสามคำถามครับเวลานั่งสมาธิแล้วนะครับอารมณ์หายใจมันก็จะแผ่วแผ่วลงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้มันก็เหมือนกับมันกั้นหายใจไปในตัวเองอะครับก็พยายามจะกําหนดรู้แต่กําหนดยังไงมันก็มันมันก็เหมือนกับคนกั้นหายใจอะครับผมมันก็ต้องหายใจแล้วพอหายใจปุ๊บแล้วก็นั่งต่อไปอีกมันก็แผ่วลงมาอีกเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอะครับก็อย่าไปทําอะไรกับเรื่องการหายใจป่อให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ มันกั้นหายใจเหมือนกับคนกั้นหายใจเลยนะครับพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะกั้นก็ปล่อยมันกั้นไปเมื่อเราทำอะไรมันไม่ได้ก็ปล่อยไปดูมันไปเฉยๆแล้วนะครับครับทีนี้คําถามที่สองครับพระอาจารย์ครับผมพยายามที่จะไม่ให้อ่าเพราะผมสังเกตดูนะครับเวลาภาพในจิตมันเกิดนะครับไอเสียงที่เราพูดเนี่ยมันจะไปพูดตามภาพในจิตผมพยายามที่จะไม่ให้ภาพในจิตมันเกิดกับเสียงเกิดแต่ก็ทําไม่ได้อย่าไปสนใจมันมันเกิดก็อย่าไปสนใจมัน ก็มาดูลมของเราต่อไปครับผมรเราฆ <aj> ่ามันไม่ได้เราไปหยุดมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปสนใจมันได้เ<อ>มือาไม่ความสนใจเราไปอยู่กับลมเยอะไม่ก็หายไปครับผมพเพราะว่าเพราะว่าก็คือก็คือปล่อยให้ดูดูดูไปเรื่อยๆนะครับก็คือไม่ต้องไปอย่าไปดูมันมาดูลมกลับมาดูลมอย่าไปสนใจน้อยหนให้อยู่กับลมไปไม่ใช้คําบริกับมทอถืไปก็ได้ครับผม อ่าก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ขอสองคำถามนี้เท่านั้นครับอาจารย์ครับผมโอเคดีันรังก็เข้ามาใหม่ได้นะครับผมสาธุไปที่ท่านต่อไปใครเนาะคุณพิทักษ์ครับคุณพิทักษ์ท่าคุณพิทักษ์อยู่ที่ไหนคุณพิทักษ์ถนวัศการครับอาจารย์อยู่ที่อุดรธานีครับผมอุดรครับมีคำถามไหม วันนี้มีมีสองคำถามครับผมที่จะถามพระอาจารย์ครับอ่าเชิญเรื่องแรกวันนี้เห็นในโซเชียลนะครับพระอาจารย์เขามีคนเขาเอาพักเครื่องนะครับมาทําเป็นพวกขนมพวกอ่าเป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยครับโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่ามาไม่ค่อยเห็นไม่ใค่อยเห็นด้วยแร้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรย่ยครับอาจารย์ก็เลยอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับว่า เราจะมีวิธีวางใจอย่างไรครับผมในเรื่องคือเราต้องยอมแล้วว่าจิตใจของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันความรู้ความเข้าใจในแต่ละเรื่อนี้มันไม่เหมือนกันเขาอาจจะไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเขาเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระก็ได้เขาก็เลยไม่ให้ความเคารพนี่ก็อาจจะเห็นว่าเออเป็นวิธีดึงดูดลุกค้าทาอะไรแปลกๆนี่ อันนี้มัก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้นะต้องทําใจว่าการกระทําของเขาลบหลู่ยังไงก็ไม่สามารถจะมาลบความจริงของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าของท่านหรือนั่นนะใครอย่ามาลบหลู่ยัก็มันก็เป็นความโง่เขาเบาปัญญาของเขาเท่านั้นเองแต่เราอย่าไปสนใจเขาอย่าไปอยากให้เขาไม่ทำเพราะมันจะทําให้เราทุก เราอยอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ทุกคนเป็นชาวพุทธที่มีศรัทธาเหมือนกับเราคนที่ไม่มีศรัทธาเขาก็ลกหลู่มันเป็นเรื่องปกติของเขาใช่บางคนเอ า, าแหงกนกระเบิดเาอาวัตูุทิ้งไปเลยก็มีมก็ต้องทำใจนะว่าเป็นอนิจจังทุก อ, อย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีชนะมีเสือ่อม ตรัตธาคนไม่เท่าไม่เหมือนกันเหมือนเหมือนนิ้วของเรามันไม่มันไม่เท่ากันใช่หมเราจะไปทำให้นิ้วเราเท่ากันได้ป่ะไม่ได้นะนิ้วโป้งมันก็เลยมันก็อ้วนนิ้วนิ้วก้อยมันก็พร้อมเนี่ยคนที่ในโลกนี้ก็มีเชื่อหลายเรื่องหลายอย่างด้วยกันนานาจิตตังเนี่ยอ่าไปสนใจ เขาทำอะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันก็เป็นเพียงแต่สัญลักษณ์ที่เราใช้ใช้ใช้ใชเราเราเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าใช่แต่ไม่ใช่ตัวพระพุทเจ้าเองนะัพระพุทธเจ้าเองไม่มีใครเข้าถึงได้ไม่มีใครไปลบหลู่ได้นะต้องทำใจนะ อ, อีกคำถามหนึ่งครับราอาจารย์ที่สงสัยอยู่คือคำว่าวางเฉยกับเฉยเมยห น, นีมันมันต่างกันยังไงครับผม คือวางเฉยวางแล้วสบายใจไม่ไม่วุ่นวายใจเฉยเมื่อที่บางทียังวุ่นจะวุ่นวายใจอยู่แต่ถ้าถ้าถ้าเฉยแล้ววุ่นวายใจก็เรียกว่าเฉยเมครับแต่ถ้าเท่าวางแล้วสบายใจน้อมอกน้อมใจเออแบกบมาตั้งนานเช่นแฟนเราอยากจะเลิกกับเราเนี่ทุกกวันวันหลายวันแล้ที่เปลี่ยนใจแล้วมันอยากจะไปก็ไป ถ้ามึงไม่ได้ใจโล่งใจสบายอย่างเงี้ ย, งเ ย, งยเราไม่ใช่เฉยเฉยเลยจะปล่อยวางได้หลงใจได้เข้าใจไหมก็มีโอกาสก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วครับอาจารย์ที่ได้เข้ามากับธรรมาสการอารจารย์ที่ที่ z o o เนี่ยครับโอเคก็เข<อ>้ามาได้เรื่อยๆไม่ไม่ไม่ห้ามเีอ็ดดาจะชิวยาวหน่อยครับ <laughs> หนึ่งสยีหวงขึ้นไปแล้วหมดคำถามครับมีคำถามแค่นี้าานครับ<พ>อาจารย์ขอบคุณอาจารย์ครับดีครัทุกคนเปนที่ท่านตอบไปคุณกาลักซี่แท็บเอสี่ใช่ไหมคุณก a ล a x ซี่แท็บเอสสี่เชิญดไมโครโฟนก่อนอ น, นุญไมโครโฟนก่อนได้ได้ยินไหมครับาาอาจารย์ได้ยินนะเชิญพูดได้เลยครับกลับกลับน้ำสักนมาสการอาจารย์ครับ มยู่ี่ไหนก่อนบอกก่อนอยู่ที่ไหนอยู่ที่สกลนครครับอาจารย์รยอะไรมีอะไรไหมก็ก็แวะเข้ามาดูในในในฟเฟซบุ๊กของอาจารย์นะเห็อนอาจารย์อยู่ยีกับลูกศิษย์อยู่ก็เลยอยากจะเข้ามาได้อาจารย์พู่มีอะไรอยากจะถามบ้างมีครับมีอาจารยเลยก็ คือจริงๆเรื่องการปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ยผมเคยทำมาตั้งแต่ยังเด็กก็เคยทำไปถึงตรงจุดอาการติดยิ้มนั่นแหละครับหลวงปู่แต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยมันมันเสื่อมไปมันเสื่อมไปทำให้มันเหมือนกับว่าเราเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลย ใช่เวลาเสียเวลาเสียอมสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับเสียสิ่งหลวงตาท่านก็เคยเล่า้ความเหมือนก็เป็นม้าเศรษฐีแล้วมากลายเป็นคนขอทานครับนี้ก็ไปทํางานก็เกิดความวุ่นวายก็เลยเอ๊ทํำยังไงก็เลยมนึกว่าเอ๊ชีวิตเรามีความสุขที่สุดตอนไหนก็เลยมาคิดโอ้ตอนตอนที่เราบวชเนียนตอนที่เราบวชเนียนทีนี้ก็เลยอ๋อเราเราขาดเรื่องของสติสติเราเสียไป เรามาวุ่นวายกับโลกมากไปหน่อยเราไปคิดกับเรื่องภายนอกมากไปเราลืมดูแลตัวเองก็เลยกลับมาทําสมาธิภาวนาก็ยังยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็เวลาที่เห็นรูปของครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยรู้สึกสมาธิมันก็ยังก็ยังแวบๆเข้ามาในใจของเราความสุขทางจิตตัวนั้นมันยังยังพอมีอยู่แสดงว่า มันยังอยู่ในใจเราอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงตรงจุดนั้นได้สติยังไม่เพียงพอทำพุทโธไปเรื่อยๆทำพุดโธไปเรื่อยๆย้ายมันคิดครับตัวนั้นแหละก็คือทีนี้คือตอนที่ผมฝึกเนี่ยพอจิตมันครั้งแรกที่ผมได้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ท่านสอนว่าเออเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนานลงไปเนี่ยมันก็จะปวดแข้งปวดขานเนี่ยแหละให้อดทนเอ า, ใ ห, อเอาให้อดทนเอาให้ถึงที่สุด แล้วค่อยเลิกถ้าสู้ไม่ได้ก็สู้กันใหม่กลับมาสู้ใหม่อยู่จนนั้นก็สู้ก็สู้ไม่ค่อยได้หรอกแต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่มันตัดสินกันลงไปเลยว่าเอาครั้งนี้แหละจะดูสิว่าไอ้ความเจ็บปวดที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอากันมันให้รู้เรื่องเลยว่าที่สุดของความเจ็บปวดนี่อยู่ตรงไหน เพระนั้นภาวนาไปเรื่อยๆกทนไปเรื่อยๆทนไปเรื่อยทจิตมันไม่ได้ออกไปคิดข้างนอกมันก็เลยจาะลงกับจาะลงกับอตัวภาวนากับตัวความเจ็บปวดมันก็คลายออกคลายออกคลายออกใจมันคลายออกคลายออกก็เลยรวมลงสู่สมาธิเลยดิ่งลงเลยเขานี้เกิดตัวเบาสบายขึ้นตอนนั้นนะนะไปจากนั้นตัวเบาสมาธิแล้วครับก็ทําไปเรื่อยๆก็ฝึกทำไปเรื่อยๆอ๋อเกิดจากเราไปยึดติดกับ กับสิ่งต่างๆนี่เองทําให้ใจเราแบกรับภาระพรงนั้นอยู่ก็ฝึกไปฝึกไปก็จนรู้ว่าโอ้โหความตั้งใจมากก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันพอใจมันโจรเพ่งลองลองดูเพ่งไปเพ่งเข้าไปเห็นเห็นอความตั้งใจก็วางความตั้งใจนั้นลงใจก็เข้าสู่สมาธิไปเลยก็ฝึกอยู่ทุกวันสวดมนต์ไหว้พระอยู่ทุกวันเรียนรื่องที่ถูก<ะ>ต้องมีคําถามอะไรไหมมีคําถามอะไรไหม อ๋ครับทีนี้ผมผมผมจะถามพ่ออาจารย์อย่างนี้ตอนเนี้ยผมอยากจะผมอยากจะกลับมาฝึกใหม่แต่ว่าผมยังไม่ทําตรงเนี้ไม่ได้ผมก็เลยอยากจะกลับมาฝึกใหม่กลับมาฝึกหาความตรงเนี้ของผมก็ทําตอนทีนน่เราว่างตอนไหนเราว่างเราทําแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงหรือไปทําอะไรอย่างอื่นก็พยายามเอาเวลามานั่งบ่อย ผมก็ฝึกอยู่ทุกวันวันละยี่สิบนาทีขั้นต่ำนะครับอาจารย์พยายามฝึกทุกวันเพื่อที่ให้มันให้ให้เรียกตัวเดิมกลับมาให้ได้เพราะว่าที่อยู่เนี่ยมันมันสับสนมีเวลาถ้างเอาเวลากลับมานะเวลาของการปฏิบัตยิยิ่งมากเท่าไหร่ผลมันก็ยิ่งตามมามากเท่านั้นโนะอเคแล้ว <Okay S 2> นะไม่รบกวนอาจารย์ครับผมได้นะถือคุณไอโฟนแชร์คุณไอโฟ น, น, ฟนตา นายโฟนได้ยินไหม อ, อ, อ, อานใบไมได้ลนะ้พูดได้แนละ้เชิญสวัสดีค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนจากนนท บ, บุรีเจ้าค่ ะ, ะม่เอ่ามีคถามอะไรไหมอ๋อไม่มีค่ะคือปกติก็ไปกราบพระอาจารย์มาหลายปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือฟัง อ, อยู่ข้างนอกแต่ว่าวันนี้คือเจอเฟซบุ๊กท่านอาจารย์ที่ขึ้นว่าเราฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ฝึก แล้วก็ถ้าเราฝึกตัวเองเราก็ไม่มีวันหลอกเพราะว่าถูกกิเลตเอาไปกินหมดอะไรเนี้ยค่ะก็เป็นตามที่ท่านอาจารย์อนดิที่โพสในเ c e b o o k ท่านอาจารย์เลยหนูก็เลยวันนี้ก็เลยเข้ามาซูมเจ้าค่ะเพราะว่าฝึกเองที่บ้านก็มสมาธินั่งไม่ได้เลยเจ้าค่ะเหมือนกับว่า มันไม่มีกำลังที่จะนั่งอะคาะหนูก็ใช้วิธีสวดมนต์เอาก็สว ด, สวดมนต์ได้ไ ด, ดีขึ้นค่ะก็เลยเหมือนกับว่าแอบเรียนก็คงไม่ได้ประโยชน์ต้องเข้ามารายงานตัวท่านอาจารย์ดีดีมาฟัง ค, คนหนื่ยเขบางว่าเขาปฏิบัติเปนอย่างไรใช่ค่ะนะเราจะได้มีตัวอย่างว่าอาจารย์เขาทำได้เราก็ต้องทาไดท้ที่การบังคับใจมากกว่าบังคับแล้มั น, มนปฏิบัติให้ได้นะ เจ้าค่ะก็ไม่มีคําถามเลยนะไม่มีคําถามเจ้าค่ะยังจะได้ไปที่ท่านตอบไปเพราะว่ามันมันเด็ดแล้วนะคุณเกศคุณเกตเสนเชิญนะน็อตแคระลาน้าคุณเกศเสนตอนนี้รัฐานดำคนนี้มีเรื่องปัญหาอีกแล้วนะตํารวจยิงยิงคนคนดำเลย เขาส่วนมากเขาจะขายพวกยาเยอะนะเจ้าค่ะย า, ยาอะไรยิงทิ้งเลยจะค่ะวิ<ม>ะะสามันเลยเจ้าค่ะอทีน้ย่า ไ, <ะ>ไม่มีคํำถามเจ้าค้ามาร่วมฟังธรรมเฉยๆเจ้าค่ะโอเ ค, คไม่ถามอะไรไม่พูดอะไรนะฉีดฉีดวัคซีนหรือยังฉีดแล้วเจ้าค่ะทั้งสองเข็มน่าเลยเจ้าค่ะก็ดีแล้วไม่มีคําถามอะไรก็จะได้ไปที่ท่านต่อไปนะ เจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะคุณวนทาเชิญคุณวนทาเดี๋ยวตามให้คุณจิ๊บคุณวนทาได้ยินไหมเปิดไมค์ก่อนก่อนสวัสดีค่ะนักวิาชการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ชนบุรีเจ้าค่าะเป็นเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะแต่ว่ามีอโอกาสคือไปกราบฟังทำของพระอาจารย์แลหลายปีก่อนแล้วค่ะดี วันี้วนนี้มีคำถามอะไรไหมค่ะขออนุญาตคําถามนิดนึงนะคะว่ามีอยู่ภาวะหนึ่งตอนที่ฝันนะคะว่าเราฝันคือคต้องบอกว่าก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์เคยแนะนํามานะคะคราวนี้ความฝันของหนูอะค่ะมันเกิดขึ้นว่าในฝันเนี่ยมันเหมือนบอกว่าจิตมันถามเราอ่ะค่ะว่าคือต้องบอกว่าฝันตอนแรกว่าหนูเจอคนที่ตายแล้วเขาอ่ะ อยู่ในรูปและรูปเนี่ยเขาก็มาพูดกับเราเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ตายเขาอยู่ที่แต่เอาเขาไปเผาทําไมแล้วหนูก็เลยคุยกับเขาไปว่าสิ่งที่ตายอ่ะมันไม่ใช่เรานะมันเป็นร่างกายเราอ่ะเป็นใจใจเนี่ยพี่กลาลังคุยกับหนูอยู่แต่เขาก็เหมือนแบบเศร้าโศกกับสิ่งที่บอกว่านั่นร่างกายฉันอ่ะมันเป็นฉันฉันยังไม่ตายฉันไม่ตายเอาฉันไปเผาทําไมเราก็บอกเขาว่า พี่ไม่ได้ตายนะเราเป็นใจนี่ไงใจเราคุยกันอยู่แต่ร่างกายนั้นอนะมันไม่ใช่เราอะมันถูกเผาไปแต่ตอนนั้นค่ะคำถามคือว่าจิตมันถามเราว่าแล้วเราละ่ะเป็นอะไรตอนที่เรากำลังสื่อสารกับเขาอค่ะหนูก็ตกใจก็ตื่นความรู้สึกว่าเอ๊แล้วก็เลยมานั่งตรึ ก, กับเขาว่าเราก็เห<ร>มือนเข า, าทีล้วก็ไปบอกเขาเป็นอะไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ค่ะนะคําถามแต่ว่ามันเหมือนมันไม่มีคําถามให้มันไม่มีคําตอบให้กับใจอะค่ะพระอาจารย์คะก็เลยจะกับคําแนะนำว่าก็สอนเก็ได้ทำไมสอนตัวเองไม่ได้เพราเราเขาก็เหมือนกันในะตอนที่เรายังมีร่างกายอยู่เท่านี้ค่ะใช่ไหมแต่เวลาที่เราฝันนี่แล้ว ร, ร่างกายมันก็เหมือนคนตายอยู่ใช่ไหมนอนหลับไปค่ะเราก็จะเราก็ใช้กายทิพย์คุยกับกายทิพย์อย่งนี้ อมนะคะอืมเราเรามีู่ในฝันน้าเป็นเรื่องของกายทิศมันไม่เกี่ยวกับร่างกายแล้แล้วที่เราที่เราสื่อสารกับเขาเหมือนเราไปบอกเขาว่าค่ะแต่ว่าเราก็แต่เราเหมือนแบบจิตมันถามเราเหมือนแบบมีตัวรู้มาถามเราอีกทีว่าแล้วเธอเธอเป็นใครอ่ะเราก็สะดุ้งตื่นเลยะค่ะอืมถ้านั้นน่หก็ถ้าเราตอบไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาเราทราบได้ว่าเราเป็นใคร ถ้าเราสอนคนสอนคนตายได้แล้วทาไปสอนคนเป็นเราสอนตัวเราเองไม่ได้เราก็าเป็นเห<ร>มือนเขาถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเรามาตรึกเดี๋ยวเราก็สอนตัวเองตอนนั้นได้เลยไหมคะคุะจางได้มันก็เหมือนกันเหมือนค่ะนั้นก็ถ้าเราถึงแม้เราจะไม่ฝันอะไรแต่เราก็ฝันที่จะสอนใจตั ว, เ, ตวเองว่าเราเป็นใจนะไม่ไยืดหยุ่นกับสิ่งที่มันไม่ใช่เราอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องงัเราไปสอนคนอื่นได้ทำไมไม่สอนตัวเรา ก็เลยตกใจนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทาไมเราไปสื่อสารกับเขาเหมือนเขามาแบบแต่เขาจะไม่ไม่รับรู้นะคะเขาก็ยังพนะิไลลำพันว่ามันนะมันไม่ใช่เขาเป็นเขาไม่เป็นไรเรื่องของเขาเขาไม่เขาไม่ยามเชื่อกับเรื่องของเขาไปห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ค่ะแ ต, แต่เรามาความรู้นี่มันจะกที่ไหนลนะ่ะเรามาความรู้นี่มันจะกที่ไหนไปสอนเขาอ่าหนูหนูมีโอกาสเอ๊ะนั่งสมาธิเนี่ยหละคะ่ะ มันเหมือนแบบว่ามีภาวะจิตหนึ่งมันเหมือนถามเราค่ะ<ม>ว่าเราเกิดมาทําไ ม, มทําไมเรามาอยู่ตรงนี้เรามามีสภาพแบบนี้เรามาอยู่ตรงนี้ทําไมมันมีถามอยู่ในใจอ่ะค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่มีคําตอบนะคะแต่มันเหมือนมันปุดขึ้นมาถามแล้วเราก็กลัวว่าเราจะเอาข้อมูลที่เราไปอ่านหนังสือะมาตอบหนูก็กลัวว่าหนูจะไปเป็นสัญญาไปเป็นความจําไปมันไม่ใช่จิตของเราจริงๆที่เป็นปัญญาค่ะอันนี้หนูก็ ยังยังสับสนอยู่อะค่ะพระอาจารย์จะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยใช่ะก็ถึงแม้จะเป็นสัญญาถ้ามันเป็นความจริงก็มาใช้ได้คำสอนท่าเจ้าเป็นความจริงท่านบอกว่าเราเป็นเราเป็นดวงวิญญาณเราเป็นจิตใจที่มาเกิดก็เพราะกิเลสตันหาความโลภความอยากดึงให้เรามาเกิดอันนี้เป็นเป็นสัญญาที่เป็นความจริงเรามาใช้เป็นปัญญาได้อ๋อ สอนได้อย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรเหมือนแบบเราเอามาวิตกวิจารณ์แบบว่ามาพิจารณาอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้ได้โอ้โหแต่ว่าหนูเข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะว่าหนูกังวลว่าหนูไปเอามาแล้วมันเป็นแบบสัญญานะมันแต่มันในคําถามตลอดมันจะเป็นปัญญาก็ตอนที่เราเอามาใช้ตอนที่เรามาตามที่เรามาทุกกับร่างกายเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายไปทุกกับมันทําไมอ๋อ พรตอนที่หนูทําสมาธิค่ะมันจะเหมือนแบบมีถามตลอดว่าเราเกิดมาทําไมเรามาอยู่ตรงนี้ทําไมมามีสภาพแบบนี้ได้ยังไงก็กลัวว่าตัวเองจะแบบไปเอาข้อมูลอย่างที่บอกค่ะจันตอนนี้ได้ได้ปัญญาเพิ่มเลยค่ะว่าูเป็นกคำสอนพระเจ้าเป็นปัญญาทั้งนั้นคําสอนพระเจ้าเป็นปัญญาทั้งนั้นไม่ใช่สัญญาอแต่ยังเป็นสัญญากับเราอยู่แต่เราจะมาแปลงให้เป็นปัญญาให้ได้ต่อไปมีกาสนมาใ เมื่อได้การฝึกหัดโดยการมาใช้กับร่างกายของเราเออปล่อยวางร่างกายของเราให้ได้มันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาอ๋อหลวงพึ่งจะเพราะว่าันนี้เป็นปัญญาเลยค่ะเพราะ ว, ว่ามันติดอยู่ตรงนี้เป็นโ อ, อ, อ, อกาสมันอยู่ก็ได้ถินหน่หน้าหน้ารูปหลวงพระอาจารย์ก็เข้ามาเลยอะคะ่ะได้คําตอบแล้วค่ะว่าออก็คือเราไม่ต้องไปกังวลว่าสัญญาอะไรที่เราคิดว่าเราไปอ่านมาแล้วเราจะมาสอนใจตัวเองไม่ได้ เราต้องสอนได้ทามาใช้ได้แสดงว่าสิ่งที่มันเชื่อมโยงที่หนูฝันเนี่ยมันก็คือเหมือนเรามีข้อมูลอยู่ในใจใช่ไหมคะเราเราเราเราได้เรียนรู้มาก่อนฝังอยู่ในใจเราอ๋อแล้วเราก็สามารถที่จะบอกกับวิญญาณในโลกทิพย์ได้ใช่แต่พอเรามันตื่นเรามีวิชาทิฏฐิมาขวางความรู้นี้ไปคิดว่าเป็นสัญญาใช้ไม่ได้ค่ะฮะอ๋อเนี่ยนี่ ถต่แม้จะเป็นสัญญาแต่เป็นสัญญาที่เป็นความจริงถ้าจะเป็นปัญญาก็ต้องก็ต้องปล่อยวางได้ถึงเป็นปัญญาถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ยังทุกข์กับร่างกายอยู่ก็ยังถือว่าเป็นสัญญาอยู่จะเป็นความรู้วันเดียวกันรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นร่างกายแต่ถ้ายังทุกข์กับร่างกายอยู่แสดงว่ามันยังเป็นสัญญาอยู่ อ๋อท่านขอบขอขออนุ ญ, ญาตเพิ่มอีกนิดนึงค่ะหนูได้ได้เอามาต่อในการปฏิบัติค่ะ hmm. ว่าในเมื่อเรารู้แล้วตอนแรกก็ติดค่ะจุดตรงที่ว่าเราคิดว่าเป็นสัญญาเราไม่กล้าที่จะเอามาพิ hmm. จารณาตอนที่เรานั่ง hmm. นั่งสมาธิจิตเราดิ่งสงบแล้วค่ะต hmm. อนนี้ถ้าจะขออนุ ญ, ญาตท่านพระอาจารย์ต่อยอดว่าถ้าหนูนั่งสมาธิตอนนี้การนั่งสมาธิก็คือทําปกติทุกวันนะคะจิตแต่มันสงบมันเหมือนเข้าสมาธิดิ่งสงบแต่คราวนี้พอเราดิ่งสงบอะ่ะ หนูจะแบบว่าไม่พิจารณาอะไรเลยก็คืออยู่เก็บกอบอารมณ์ความสงบใช่ให้ <พอ S 1> นานท<อ>ี่เสือมให้มันนา น, น, านที่เสื่ก่อนจนกว่าจะออกมาค่ะแล้วพอถึงตรงไหนคะที่จะต่อว่าเมื่อมันนิ่งสงบอยู่ในความสงบสุขของเราแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเราสบายแล้วเราจะใช้ตัววิปัสสนาเอาตัวเนี้ยมาพิจารณาเราก็เหมือนเหมือนทบทวนอย่างนี้เลยได้ใช่ไหมคะได้แต่ต้องออกจากสมาธิก่อน อ๋อออกจากสมาธิก็คือเราเราไอสมาธินั่นเราคือความสงบเฉยใช่ใช่ก็คือจะทำสงบเราก็เหมือนมานเป็นที่พักผ่อนของจิตใจอย่าไปใช่อย่าไปอย่าไปใช้มันทํางานตอนนั้นอ๋อแล้วมาตรึกตอนหลังใช่ไหมคะตอนที่ทออกมาแล้วเหมือนคนนอนหลับอย่าไปปลุกให้ครบตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็อเอาไปใช้เอาไปทํางานได้ อืด mm ี hmm. ย๋ยวก็ออกจากสมาธิก่อนแล้วก็มาติกตองได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรานี้ได้ okay. Okay. แล้วก็เอามาใช้เวลาร่างกายเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์กับมันก็แสดงว่าเรามีมีปัญญาแล้วแต่ถ้า mm hmm. ยังทุกข์กับมันอยู่ก็แสดงว่ายังเป็นสันญญา mm hmm. ไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคมะเล็งเราใจเราเป็นยังไงทุกข์กับมันหรือเปล่า ถายัางทุกข์กับมันก็แสดงความรู้ที่ว่าร่างกายไม่ใช่เรานี่มันก็ยังเป็นสัญญาดูที่ใจเราใช่ไหมคะอาจารย์กนะ็ว่าเราใจว่าเราเราทุกข์หรือไม่ทุกข์กับสิ่ ง, งตา่างๆถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่ทุกข์กับสิ่ ง, งตา่างๆเพราะปัญญาจะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราค่ะค่ะค่ะ ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะเดี๋ยวแตนะ่ต้องพระอาใจารยนะเวลานั่งสมาธินี่อย่าเวลาจิตสงบอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะให้มันสงบนานๆให้มันถอนออกจากความสงบก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาแต่ว่าหนูผิดมาตลอดเลยค่ะเพราะว่า เ, าเอามาพิจารณามันก็ก็เลยทําให้เราสับสนว่าเอ้เดี๋ยวมันจะทําให้เราแล้วก็ไม่มีกําลังที่จะไปปล่อยวางให้มันสงบนานๆแล้วเวลามาพิจารณามันจะปล่อยวางง่าย ผู้จัดค่ะขออนุ ญ, ญาตออา<อ>าต่อนอีกนิดเป็นค่ะรบกวนของของมาพี่ๆในในกลุ่มนะคะพอเรานั่งสมาธิมันเคยเกิดสภาวะอย่างนี้ค่ะว่าคือเก็บอารมณ์ของความสงบนะคะความผ่อนใสในใจเนี่ยเหมือนนิ่งนิ่งนะคะแต่เราก็ยังรับรู้ ร, รู้สึกได้แต่ว่าเราก็รู้ว่าคือความสงบของใจเราเป็นแบบนี้แต่มันจะมีสภาวะหนึ่งที่เหมือนแบบมันจะมีเสียงเสียงแต่หนูจะไม่วิ่งไปตามเสียงแต่แค่รับรู้ว่ามันคือเสียง แล้วก็กลับมาอยู่กับสภาวะใจของเราแต่เสียงนั้นมันก็เหมือนจะพยายามที่จะให้เราไปค้นหาเสียงนั้นให้หาเหตุหาหาที่มาของเสียงหรือเขากำลังเหมือนแบบเคาะประตูเรียกเราเนี่ยวาเธอสนใจฉันอะไรเงี้ยแต่หนู<อ>จะไม่วิ่งไป<อ>หนูนจะวิ่งกลับ ม, ม, นมันจะดึงเราออกจากอัปนาให้ออกไปทางอุปจาระืเร<อ>าก็ได้เสียงทิปถ้าเรายังจิตเรายังไม่แก่กล้ายังไม่ยังไม่ สำเนียที่เราอยากไปอยากไปตามเสียงให้มันอยู่ในที่ที่อุเบกขาให้มันอยู่ที่เฉยเยให้นิ่งเฉยเฉืไปจนกว่าเราจะบรรลุธรรมแล้วทีนี้เราอยากจะไปเล่นกับเสียงก็ตามไปได้มันมาจากไหนเป็นเสียงเปตเสียงมนุษย์เสียงเทวดาแล้วเสียงไก่มาตามไปดูค่ะค่ะค่ะหนูจะน้อมนาเอาไปปฏิบัตินะคะว่าอาจารย์ของคุณผู้น่า เพียงนี้พยายามรักษาใจให้สงบอย่างเดียวก่อนนะอย่าไปตามเรื่องนะอื่นนะค่ะขอบคุณค่ะทาไปเถใกล้ละใกล้ยาขอบคุณค่ะสาธุใช้เอยท่านต่อไปมุ่จิบครับมุจิบอ่ะเกือบจะเลย ม, มุ่งจีบซะแล้วอย่แม่าขอบคุณค่ะบายบายบายดีบายดีค่ะวันนี้อากาศดียม ครับค่ะเมื่อกีอค้คนนมื่อกี้ก็จากวอจิเนียอากาศดีไหมเงี้ยอยู่ใกล้ใกล้กันนะวอจิเนียกันค่ะาจะห่างกันไม่กี่ชั่วโมงค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้ฟังพี่ท่านอื่นเนะแล้วเลยเกิดคาถามว่าการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยควรจะนั่งเพื่อให้รู้ในสิ่งที่มันเข้ามาสัมผัสเราเข้ามาเป็นผัสสะหรือควรจะนั่งเพื่อไม่ให้รับรู้ว่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าสมาเพื่อให้จิตนิ่งสงบให้มีความสบายใจมีความสุดใจมีความนิ่งอันนี้คือเป้าหมายยังอื่อย่างเพิ่งไปสนใจเดี๋ยวต่อไปมันจะมีกําลังที่จะไปเรียนรู้อย่างอื่นต่อไปได้แต่ตอนต้นนี้ฝึกใจมันนิ่งนานสงบนา น, านให้มันมีความสุดมีความอิ่มใจก่อนอ่าท่า จิตเราก็แ ว, วออกแวไปปุ๊บปุ๊เราก็เอาจิตมารู้ว่าเ อ, อ้ยมันกแอกไปแล้วกลับมาที่อ่ากลับมาใช้ตินึงกลับมาอันนี้เราไม่นิ่งแล้วเราควรจะให้ภ า, าวะเหมือนกลับมา<ๆ>ดูลมต่อไปใช่ค่ะทีนี้คําถามว่าการที่เราเดี๋ยวนะเจ้าคะาพอดีมีสายครับโยมมีคําถามอีกคําถามนะคะการที่เรานั่งไปแล้วแล้ว เ, เอาปัญญามาจากมาใช้ าตาหลังคือถ้าเราสามารถนั่งทําปฏิบัติตนให้ลดการพวกกินกามเกียรติได้ความอยากพวกนี้คือความอยากที่ไม่ดีใช่ไหมคะถูกต้องเป็นกิเลสความอยากยากินกามก็แปลว่าเราปฏิบัติม า, าต่งางแต่ถ้าเราถ้า ม, ถามีสมาธิมากก็จะละได้ง่ายค่ะแล้วถ้าเราอยากจะนั่งความอยากนั่งสมาธิ ความอยากที่อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมนานๆหรือว่าอยากแบบผิดไหมก็เป็นความอยากที่เพลินกิเลส่นงเพราะร่างกายมันยังไงมันก็ต้อ ง, ม, องมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปในวันใดวันห น, น, นึ่งค่ะถ้าเกิดมันมันมันเป็นอะไรขึ้นมามันก็ไม่สมใจอยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็คือโยมไม่ได้ คิดว่าสมมติถ้าเรามาทำ อ, ะ, อะไรนะคะมรนาลุสติอสุภาพวกนี้ค่ะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมันช่วยได้มากๆเลยทีนี้จะแต่ถ้าตอนนี้ช่วงโควิดเราบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าให้กินยาสมุนไพรให้อย่างนี้ถือว่าเราให้ท่านแบบติดกิเลสไม่เ ร, รารักษาตัวเองได้ดเแลตัวเองได้แต่อย่าไปอยากให้มันเป็นด้เป็นไปในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ แต่เราป้องกันได้อันนี้ไม่ผิดใช่ไหมอะไรทำได้ทําไปกินข้าวได้ก็ต้องกินใช่ไหมหายใจได้ก็ต้องหายใจแต่อย่าไปอยากหายใจไปนานๆร้อยปีพันปี <c oughs> เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เจ้าค <c oughs> ่ะทําทำในสิ่ง <c oughs> ที่ทําได้เป็นไปได้สิ่งที่ทําไม่ได้ก็ต้องยอมทาใจว่บต่อไปวันหนึ่งมันจะหายใจไม่ได้มันต้องอยู่หายใจ ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เวลาเราอยากจะตั้งความหวงังหรือตั้งคาดความอยากเราควรจะให้มันกลางๆแบบไหนดีเจ้าค่ะให้มันมีเหตุมีผลไงตามไปตามอยากตามเหตุตามผลไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ไม่ผิดศีลผิดธรรมค่ะถ้าอยากเกินเกินความเป็นจริงมันก็เป็นกิเลสไปค่ะค่ะก็จะพยายามปฏิบัติครับตอนนี้โยมก็นั่งแล้วมันก็นิ่งพอนิ่งไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มมีวักแวกวกแว๊ก บางทีก็เหมือนเหมือนน้องน้องคนึที่บอกว่าน้ำลายจะแบบเยอะตลอดเวลาโยมก็เลยเอ๊ะเราควรจะมันพอมันเริ่มแล้วก็เอ๊ะพระอาจารย์บอกว่าให้ไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วถ้าเราเกินน้ำลายแล้วเราจะยังไงดีมันก็ค้านกันอยู่เนีของตัวเราเองอย่าไปเกินให้มันไหลออกไปเองปล่อยไปถ้าไปเกินถ้าไปเกินเนี่ยอ่านั่งไปแล้วไม่้ไปสนใจมันจะไหลจะจะออกถ้าเราไม่ไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปเอง เดี๋ยวมันความรู้สึกรับรู้คึกคันการรับรู้จะหายไปเองใช่เรื่องน้ำลานมันก็จะหายไปเองมันไม่ไหลหรอกแต่พอเราไปคิดเราไปปูแต่งมันจะไหลไม่อีกหลายใหญ่เลยอ๋ออย่างนี้ถ้าเราไม่คือเหมือนกับว่าอิกนอมันไปเลยคือไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปสนใจอยู่ล้วมันก็จะเยอ่ก็พูดโธรไปปูกกับความนิ่งสงบมากขึ้นอเอแล้วการที่ย้ายน้ำลายจะไหลมันก็ไม่ไหล โยงก็กลืนตลอดเลยยังเป็นเกินถ้าเกินมันก็จะไม่เป็นวันสงบไดใ้ใช่ใค่ะจริงๆค่ะแล้วมันก็จะหลุดไปอีกแล้วมันก็จะต้องออเข<อ>้ามาเอย่าอย่าไปเกินปล่อยมันไหลไปถ้ามันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปค่ะค่ะขอบพระคุณคุณท่านท่านไม่เกินยังมียังมีหลายเจ้าอยู่ต้องไปต่อนะนะาคุณต่อไปคนณภูผีเหรอ ผ, ผู้ผีใช่อาจวครับสวัสดีครับอาจารย์เอ่องานงมาจากหครอ่ามาจากหัดใหญ่ครับอาจารย์ครับผมเขาปกติก็จะติดตามอ่า f เฟซบุ๊กของาอาจารย์หลวงธามหาบัวและพระอาจารย์สุชาติอยู่แล้วครับก็โดยปกติก็จะพยายามปฏิบัติทุกวันนะฮะแล้วก็มีสมาธิทุกวันแล้วก็ทุกๆอเดือนเนี่ยจะออกวิเวกไปตามปากเขาครับ อย่างครั้งล่าสุดเนี่ยอยากเรียนปรึกษาพระอาจารย์ก็คือครั้งล่าสุดนี่ก็ไปนั่งแต่ละครั้งก็ประมาณหนึ่งเดือนพระอาจารย์แล้วก็ก็เข้าใจว่าตัวเองน่าจะผ่านวิตกวิจาร์แล้วก็ปิติแล้วก็สุขไปจนกจัจนกระทั่งจิตเนี่ยมันนิ่งเห็นจิตตัวเองนิ่งสงบแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพระอาจารย์แล้วมีอยู่ครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ก็เหมือนกับกลางคืนนะพระอาจารย์นะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันสว่างโล่งทั้งป่ามันเรามองเห็นป่านั้นด้วยด้วยตาเปล่าๆของเราพระอาจารย์ แล้วก็ม like well. ันเหมือนกับมีเสือมาที่เราแล้วก็มากราบเราแล้วก็ไอ้นิมิตให้เราเห็นว่าเป็นผู้หญิงอาจารย์นะครับนะก็ก็สักพักก็จะหายไปจนกระทั่งรุ่งเช้าเราก็ไม่ได้เชื่อเพราะคิดว่าเราคงจะมีนิมิตของเราเองจนกระทั่งรุ่งเช้าก็มีชาวบ้านแถวนั้นก็อาหารมาให้หละในอาจารย์เขาบอกว่าที่นี่เมื่อก่อนเนี่ย เมื่อกัอบร้อยปีที่แล้วจะมีเสือสมิงเคยโดนฟรานฆ่าตายอลไรเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียนถามอาจารย์ว่าปฏิบัติแบบนี้มาถูกทางไหมแล้วถึงขั้นไหนยังไงอาจารย์ทุกวันนี้ก็เดินก็พยายามจะให้รู้สติอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถอาจารย์ครับผมเรียนสทางครับคืออย่าส่งจิตออกไปตามรู้หรือเปลาให้มันอยู่ข้างในครับดึงจิตดึงดึงจิตไว้ให้มันอยู่กับอารมณ์ให้อยู่กับความว่างกับความนิ่ง ถ้ามัจะมีอาไรให้มันรู้อย่าไปตามรู้ตอนนี้เพราะว่ามันจะทําให้จิตไม่ไม่มีกําลังเราต้องการให้จิตดิ่งนานๆเพื่อจะได้เกิดเบกขาเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ในการดับพิเลกต่อไปครับอาจารย์งั้ไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองครับอาจารย์ครับได้ครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะกลับไปจารย์ครับสวัสดีครับชท่านต่อไป บระโยคใช่ไหมประโยคภูผาสามพี่น้องกับคุณแม่คุณพ่อห้าคนพร้อมหรือยังพร้อมค่ะยังไงทุกคนสบายดีนะสบายดีค่ะสบายดีค่ะสบายดีถ้าไม่สบายก็คงยังไม่จะมานั่งตรงนี้นะมีอะไรไหมมีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าวันนี้ กิจนี้ยังไม่มีเนา ะ, ะมากาบลังตาค่ะอให้ผู้ผาไน้อยอยู่นะผู้พำผู้พ <c oughs> อยู่ค่ะแต่ว่าน่าจะทํำธุระในห้องน้ําอยู่ค่ะอแล้วทุกคนสบายดีนะสบายดีค่ ะ, คะตอนนี้ลุงลีเขาเลื่อนไ ป, ไปถึงหนึ่งวิทยาแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้ก็รออัดคนนี้ก็อ่อานหนังสือสอบเหมือนเดิมค่ะ เลื่อนสอบมือมกันค่ะแล้วพยายามอย่าอย่าอย่าขี้เกียจ น, นะพยายามดูหนังสื อ, อเรื่อยๆท้าเทืนอยู่เรื่อยๆ <c oughs> จะได้คะแนนดีาานะคะดูลูก <c oughs> จะได้จะได้ไปเรียนที่เราอยากจะไปเรียนได้โรงเรียนดีๆเขาจะเลือกเราแต่เด็กดีๆเด็กขยันเด็กเรียนเก่งๆเด็กเรียนไม่เก่งก็ไม่เอาไปหรอจำไว้นะ <c oughs> พยายามนะความพยายามอยู่ที่ไหนครามสำเร็จอยูที่นั่นอัตตาเยตนาโนนาโถมันเป็นที่เรื่องของตนนะพ่อแม่ทาให้เราไม่ได้เรียนให้เราไม่ได้นะพ่อแม่เพียงแต่เสียเสียเงินเสียทางจ้างครูจ้างอะไรงเรียนได้อยู่แต่เราต้องเป็นคนเรียนเองนะคุณผารอถามอะไรไหมครัคุณผาเสร็จยังไม่มีแล้วจ้าค่ะวันนี้เข้ามารายงานตัวเจ้าค่ะ ดีเห็นหน้าเห็นตาแล้วดีใจเห็นลูกหลานมีความสุขสบายภูผาจะจะเข้ามาเรือยังมาแล้ค่ะภูามาแล้วก็มาทักทายกันหน่อยไเดี๋ยวจะไปล้วูามามาคะมากราบลงตาก่อนลงตาหลานหาแล้วเอาทราคาสางเก่งอะ คุณอาบน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จเนีัวเะไรสื้อแล้วก็กาลงตาก่อนดูจ้คนอื่นรอเยอะในเสื้อหานายปีสี่พันลุ อยู่ในห้องพระหรือที่นั่งอยู่นี่ค่ะค่ะช่วงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานิยมก็วันพระยมพระลูกๆถือสิ่แปลกค่ะ<ช>แล้วก็แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเองค่ะแล้วก็โยมรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นตรงที่ว่าเวลาเรานั่งแล้วมันจะเจ็บขาใช่ไหมคะคุณตาไอโยมผ่านจุดนั้นได้แล้วค่ะเออเี่สัญาณสตอเรามีมากขึ้นนะ แต่ว่าบางทีก็มีแบบนั่งๆไปแล้วเหมือนกับเอ็นตัวเองสับประมาณนี้ก็มีก็มีบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่เวลานั่งก็ผ่านมานี้ก็รู้สึกว่านั่งแล้วก็เจ็บขานี่คือทนได้แล้วค่ะ อ, อก็แค่ก็พูดโทรรวมเหมือ น, นะะเอฟสิบหกเลยค่ะได้ได้แล้วก็ตอนนี้ก็คื อ, อ, อนั่งแล้วก็ไม่ ว่เจ็บแล้วก็ทนได้แล้วก็เวลาที่เราออกจากสมาธิก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีเน็บชาเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะโอเคน้ขมกักเยียมากเลยนะนายอาวัยบูบาแต่งตัวเสร็จแล้วเหรออ่าใส่ชุดนอนเลยนะผมยังเปียกรีบ <laughs> <laughs> มาก <laughs> เดี๋ยวก็เข้านอนได้เลยนะมีอะไรจะทำ มีไหมมีรายงานไหมความเค็ื่นไ่วขีเลยแต่ว่าเดิเดจังโกงุมเพินมากเลยเพอมาดูจัดตเออมาดูส้นท้าตัวเองทีโอ้โหส้นเท้าระบนมนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะตแ <c oughs> ม่ให้เดินรอบบ้านสามสิบรอบครับอ๋อดีดีัด้งต่อไปต้องหกสบรอบเลยนะอ่าอย่าลืมนะตั้ง S <S ดี๋ยวนะ่าต้องพุโทโธนะอยากไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนั่งให้มีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจอย่างเดียวนะคุณป้าค่ะหนูเพิ่งนึกคําถามได้ค่ะถาว่ามาก็คือว่าเวลาหนูนั่งสมาธิกับแม่แล้วแม่จะนั่งสามสิบนาทีแล้วหนูอยากนั่งได้สามสิบนาทีเหมือนแม่แต่ครูมันจะต้องลืมตาตลอดเพราะว่าไม่งั้นมันก็นั่งต่อยาวๆไม่ได้อะ่ะก็หนูสวดมนไปนั่งนั่งต่อด้วยการสวดมนไปในใจไม่ต้องออกเสียง ช่วยด้ไหมช่วยอินทิบิสโวไปนั่งหลับตาโสดไปไม่ต้องนิ่งตาพระอาจารสุชาติเวลาเวลาเวลาผมนั่งสมาธิอ่ะเวลาผมนั่งสมาธิอ่ะครับอยู่ๆตามันจะเปิดตลอดเวลาเลยค่ะพยายามปิดแล้วอ่าก็อย่อย่าไปอย่าไปดูเดี๋ยวมันก็ไม่เปิดเองอย่าไปอยากดูให้อยู่กับพุทโธพุทโธไป ไม่ต้องไปสนใจตาไม่สนใจ <c oughs> อย่าไปสนใจตาให้มันสนใจที่พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็ไมเปิดพอเราไปสนใจเดี๋ยวมันก็อยากจะเปิดขึ้นมา <c oughs> ไม่ครับเพราะไม่สนใจตามันจะเปิดอัตโนมัติอ่ามันจะเปิดก็ช่านมันนัมันจะเปิดก็ปล่อยมันเปิ ด, ปดไปแล้วก็สวดบนของเราไปท่อพุโทโธไปก็แล้วกันนะอาจารย์เจ้าขา เวลาหนูนั่งสัมยมนั่งสมาธิค่ะเวลานั่งๆั่งไปสังเกตตัวเองนะคะถ้าผ่านสามสิบชั่วโมงไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีบางครั้งที่แบบสามสิบโอโทษค่ะสามสิบ <30 S 1> นาทีเกิกกนสามสิบนาทีขึ้นไปแล้วอะคะ่ะบางครั้งโยมจะรู้สึกหมนกับเหมือนน้ำลายมันสอที่ปากเราอยากจะต้องรู้สึกอยากขึ้นน้ำลายอย่างเงี้ยแล้วยมก็อย่าไปขึ้นอย่าไปขึนปล่อยมันไหลมันอยากจะไหลกปล่อยมันไหลไปเดี๋ยวเราไปเช็คได้ ไม่ค่มันอยู่ในรําคอค่ะก็ไม่ต้องไปเกินมันไม่ต้องไปสนใจมันมันจะอยู่ตรงไหนก็ไปมันอยู่ไปยามพุทโอพุทโรัวเลยค่ะแบบแบบโอเคค่ะพุทโธไปเรื่อยๆีล้วก็ลืมไปอ่าโอเคนะเอาเท่านี้ก่อนนะใช่ค่ะห้าทุ่มนะเด็กๆจะได้ไปจอนกันนะขอนอนหลับฝันดีวันพรุ่วนเ้มอนก่อนนะ วิท okay. uh, ูนผมด้วยวิทูนชวิทูลจากเชียงใหม่ศิลป์วัญญาณศิบป์วัญญาณเคยมาอยู่วัญญาณตอนที่เรียนหนังสืออยู่ครับนักมสการพระอาจารย์ครับวันวันนี้เข้ามาขอพระอาจารย์รักษาธาตุขันธ์ครับ อไม่ต้องขอเราเราก็ต้องรักษากันทุกคนศัต<ถ>รูพระอาจารย์มันจ ะ, ะมันจะอยู่ได้ไม่ได้กันก็เป็นเรื่องของมันดำเมินมมหน้าที่รักษาและรักษาไปจนมันจะอยู่แล้วไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของมันไปครับผแต่างคนต่างทำหน้าที่ไปสัตุอาจารย์ครับไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ไหนไปเกือบสองเดือนครับเข้ามาหนึ่งตัวอาจารย์ครับมาทักทายกันนะครับผมไ อเี้ยไปที่คุณทวนต่อแล้วคุณทวีรู้สึกมานานแล้วมันยังไม่ได้พูดเลยเพืน ค, คำดีอยู่ที่ไหนเอัดไม้ก่อนเปิดไม้ ก, ก่อนปุ่มซ้ายปุ่ม ซ, ซ้ายล่างหน้าจอนะฮะหน้าจอโทรศัพท์โอเคเอ อ, อ, อภาพหาไปใช่แล้วตัวเอดครับอ่าอยู่ที่ไหนอยู่ต่ จาบุรีค่ะอาจารย์จนะบุรีจนาบุรีค่ะพูดไป 2. 2> ไปด้เสียงมันอายไปไปค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนนาบุรีค่ะอะไรบุรีนะพัดบบ okay, ได้ยินหการจนบุรีค่ะการจนบุรีค่ะพอดีหนูไม่ได้ใส่หูฟังอไม่เป็นไรได้ยินแลมีอะไรไหม มีค่ะพระอาจาร์มีสองคำถามค่ะอะเลยถามไปเลยเพิ่งได้มีโอกาสไปใส่บาทรกับพระอาจารย์ครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเลยค่ะอืออยู่วนี้เลยมาจากจันทบุรีใม้มาจากก า, า, กาบุรีการจันทบุรีเลยค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็แฟนพอดีแฟนเขาแนะนำให้ไปใส่บาทกับพระอาจารย์ค่ะแฟนไม่สบายใจก็เลย มุ่งหน้าไปที่พระอาจารย์เลยค่ะจริงๆไม่รู้จักกับพระอาจารย์มาก่อนแต่ว่าแฟนแนะนําให้รู้จักค่ะก็รู้สึกสบายใจค่ะพอดีวันนี้แฟนไม่ได้มีโอกาสมาฟังด้วยก็เลยเดี๋ยวถามคาถามตัวเองก่อนนะคะจะได้รวดเร็วพอดีตอนไปเนะะี่ยค่ะได้นําธูปกระเทียนตั้งใจจะไปถวายที่วัดพระอาจารย์ด้วยไม่รู้มาก่อน แต่ตอนไปถึงเข้าไปในศาลาค่ะปรากฏว่ามองไม่เห็นทูบกระเทียนเลยเลยไม่รู้ว่าที่วัดของอาจารย์นใช้ยทูบกระเทียนไหมคะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าทูบกรเทียนถ้ดแล้วมันทําให้มันมีขวันเยอะอืมไม่ทราจริงๆโอเคอาจารย์ค่ะเดี๋ยวก็ต่อไปถวายได้ซื้อมาก็ไปวางไว้ที่หน้าก็เจอกับแม่ชีท่านหนึ่งเขาก็แนะนําให้ไปวางได้เลยได้ ก็ไปวางไว้เรียบร้อยก็ใช้ในเวลามีพิธีกรรเแต่ไม่ใช่มากค่ะค่ะก็อีกหนึ่งคำถามอันนี้แฟนฝากถามพอดีเขามีเรื่องของคดีที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจเนะะี่ยค่ะรือต้องไปหาพระอาจารย์ไปใส่บาทอะนะคะทีนี้อยาก จ, จะถามว่ามีบุญอะไรไหมที่จะช่วยให้เรื่องของคดีความนี้มีความยุติธรรมอ๋อ เรื่องเรื่องของคามยุติธรรมนี่เป็นเรื่องของคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่าเขาจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมค่ะพระอาจารย์นั้นเราต้องทําใจนะในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้บางทีถ้าไปเจอคนที่ยุติธรรมเราก็จะได้ความยุติธรรมแต่เราไปเจอคนที่ไม่ยุติธรรมเราก็จะไม่ได้ความยุติธรรมอืมค่ะค่ะเพื่อกําจัดความทุกข์ใจก็อย่าไปหวังอาจารย์นะ ค่ะเขาจะยุติธรรมไม่ยุติธรรมก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปเขาถือว่าเป็นวิบากของเราไปก็แล้วไปค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะเดี๋ยวมีโอกาสพอดีเข้ามาฟังซูมอะไรทำใจทำใจดีกว่านะใจที่สำคัญกว่ า, าใจสงบใจสบายแล้วใครจะยุติธรรมไมยุติธรรมก็ไม่เหดือดรอ้อม โอเคค่ะพระอาจารย์อย่าไปหวังความยุติธรรมถ้ามันไม่มีก็อย่าไปอย่าไปหวังมันจะได้ไม่ผิดหวังค่ะค่ะอถ้ามันถ้ามันจะมียุติธรรมมันก็มาทมันเองเไม่ใช่ไปหวังปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์นะโอเคคุณพัทนาพรต่อเลยคุณพัฒนาพรบัสุก ทางไงคุณจัรัสการหลครับเดียวกับท<อ>ันกี่น่าสบายดีนะสบายดีครับไณ่ไดคขับระจูครับหลวงพ่อคะอาคุณหลวงพ่อเจ้าขาจกรมัสการเจ้าขาจะสี่ลูกขับรถขอขมาเจ้าขาโอเคถ้างั้เดี๋ยวเบียร์อะไรเดียวอยากจะพูดอะไรมาอยกจะถามอะไรมาเบียร์เรามคำถามถามมาเลย อ, อย่างเช่นวันวันนี้น้องริวมีสอบครับแล้วก็ เหมือน run out time ใช่ไหมครับเหมือนเวลาหมดยังยัความเปอยู่ถาได้เมาหลคบคด้นไหมครับได้ยินได้ยินถามได้เลยเหมือนวันนี้เหมือนวันนี้ริวมีสอบครับแล้วก็เหมือนเวลาเราหมดแล้วเหมือนเราทําให้แบบทําให้เราทำข้อสอบได้ไม่ดีตามที่เราตั้งใจไว้แล้วมันก็เหมือนทําให้เราแบบเอฟุ้งซ่านตลอดทั้งวันเแบบนี้ควรทำยังไง ก็ยอมนะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาดีไงาวหน้าเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นกว่านี้อะไที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยนผ่านไปเรากลับไปแก้มันไม่ได้แล้วเดีเราแก้รอบหน้าละรอบหน้าเวลาที่เราจะสอบใหมน่นี้เราต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ดูหนังสือให้มากกว่านี้แล้วเวลาทําข้อสอบนี้ถ้ามีทริคกันก็มีเคล็ดลับอย่าไปทําข้อสอบที่มันยากที่ใช้เวลามากเลือกทาข้อที่มันตอบได้ง่ายได้เร็วก่อน แล้วค่อยกลับมาตอบไอ้คำที่มันยากครับก็คำถามที่มันยากทีหลังคือวันนี้ริวคือริวไปทํา big question ก่อนนะแบบทวนใช้เวลามากบแล้วก็พอเราเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ไม่มีเวลามาตอบคําถามได้ง่าย ตอบคำถามให้ง่ายก่อนดีกว่าที่ใช้เวลาน้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําคําถามที่มันยากที่ใช้เวลามากถ้าตอบไม่ได้อย่านะก็เสียแค่คําถามเดียวแต่เราไปตอบคําถามง่ายๆได้หลายคําถามก่อนที่มันทําให้เราเหมือน angry คือเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเราทําได้หมดทุกข้อเลยแต่เพราเราอยากอยากจะทํำแล้วไม่ได้เราก็เลยโกรธขึ้นมา อย่าประหยัดทำเท่าที่เราทำได้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับคือมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ครับข้อที่สองมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับเสรแล้วเหรอโอเคนี่ท่านี้ท่านี้ก่อนนะบอกแม่ว่าขับรถไปเรื่อยๆก็แล้วกันขอบพคุณเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อได้สาธุสาธุสาธุมันจะได้ไปที่คำถามของเฟซบุ๊กทุกคนได้ได้ถามกันหมดแล้วนะใช่ไหม รอบแรกทำได้ก็สามชื่วโมงสิบ 3, 6, นาทีแล้วคุณลามีเฟซบุ๊กเข้ามาไม่คำถามมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กและ YouTube เจ้าค่ะอะา่ามาเลยจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีห้าคำถามกราบเรียนถามพระอาจารย์คำถามที่หนึ่งเวลาลมหายใจหายไปจากพักหนูจะย้ายจากการดูลมตรงปลายจมูกไปดูความว่างตรงหน้าแทนวงเล็บ จอใจหากมีความคิดก็หยุดคิดและอยู่กับความว่างจนจนลมหายใจกลับมาอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถ้าไม่ย้ายที่ได้ก็ดีอยู่ตรงไหนก็ให้มันอีู่ตรงนั้นไปอยู่ที่ปลายจมูกไปพอไม่มีลมก็ดูความว่างไปตรงนั้นไม่ต้องไปย้ายที่คำ ถ, ถามที่สองหนูลองดูความว่างตรงปลายจมูกไปเรื่อยๆ โดยไม่ย้ายไปดูความว่างตรงหน้าพบว่าบางครั้งโฟกัสตรงปลายจมูกหายไปหนูจะเผลอไปดึงลมนิดหนึ่งเพื่อกลับมาหาจุดโฟกัสในกรณีนี้ควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะอย่าไปหาอะไเลยให้ดู เ, ยเฉยๆไปมัอนดูจอเนนี้จอมันจะมีภาพก็ดูไปไม่มีภาพก็ดูจอว่างไปไม่ต้องไปย้ายย้ายที่ดู ด, ดูอยู่จุดเดียวนัว้นแหละ ข้อที่สเวลานั่งสมาธิในช่วงที่อยู่กับความว่างแ ล, ล้วเผลอสติบางครั้งจะมีอะไรมาปรากฏหากเห็นว่ามีความกลัวและความอยากเกิดขึ้นในใจสามารถทำใจเฉยๆหยุดความคิดได้ไหมเจ้าคะหรือให้ใช้การสอนใจเช่นให้เห็นสิ่งที่มาปรากฏว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือหนูควรจะรีบกลับไปจดจอกับความว่างเจ้าคะ ก็ทำได้ทั้งสามอย่างเนียแล้วแต่ทำวิธีไหนได้ก็ทำไปเป้าหมายก็คือขอให้ใจเราเฉยๆก็แล้วแตข้อที่สิหากอยู่ในขั้นฝึกสติการนั่งสมาธิดูลมหายใจโดยสลับกับการสวดมนต์หรือบริกรรมพุทโธเป็นเวลานา น, านเช่นสามถึงสี่ชั่วโมงและอยู่กับเวทนาจะเป็นประโยชน์หรือไม่เจ้าคะ เป็นถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับเวทนาเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยเจ็บตรงนั้นป่วดตรงนี้เราก็จะอยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนข้อที่ห้าเวลาฟังถามตอบปัญหาที่ญาตติธรรมถามแล้วพบว่าเป็นการขี้เกียจ ด, ดูลมหายใจเลยเกิดความสงสัยว่าจะมีตัวชี้วัดอะไรที่เราจะทราบว่าสภาวะธรรมที่ประสบอยู่นี้ เป็นความว่างจริงๆหรือเราขี้เกียจ ด, ดูลมหายใจเพื่อจะได้ดับความลังเลสงสัยและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไปกับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะก็ตัวที่จะพิสูจน์ก็คือตัวรู้เนี่ยเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือเปล่าให้รู้ตรงนี้ถ้าเราดูลมอยู่แล้วก็ดูลมไปถ้าเราไม่ดูลมก็แสดงว่าเราเราเราไม่ดูลมนั่นเองถ้าเรา มีหน้าที่ดูลมแล้วก็เดินกลับมาดูลมต่อไปใ ห, ให้ทำงานหน้าทหน้าที่ของเราไปจากกลมันจะสำเร็จรุ่นลงไปคำถามต่อไปจากคุณอันนบหลวงพ่อครับการนั่งกำหนดรู้หนาวร้อนเย็นลมขนคืออะไรครับออเป็นการเป็นการปฏิบัติที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้อง คือว่าให้เรารู้ตามความเป็นจริงด่นั้นเป็นขั้นขั้นขั้นที่สูงอขั้นเรียกว่าวิปัสสนาแต่ถ้ า, ายังไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ดูเราจะดูไม่ได้เราต้องสร้างเครื่องมือคือสติแสมาธิขึ้นมาก่อ น, นตั่งสติมานั่งสมาธิให้ใจนิ่งใจสงบให้ใจปล่อยวางให้ได้ก่อน อาทิ น, นี้เราก็จะมารับรู้สิ่งต่างๆแล้วปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาจนเจ็บตอนนั้นก็ปล่อยมันเจ็บไปปวดตรง น, นี้ก็ปล่อยมันปวดไปแทนทิ้งเราก็ปล่อยก็ทิ้งไปให้ด่าเราก็ปลอ่อยเขาด่าไปอันนี้คือการทําขั้นต่อไปแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นได้เราต้องมีอุเบกขาก่อนถ้าไม่มีอุเบกขาใครด่าเราปุ๊บเราก็จะโกรธขึ้นมาทันที แพนทิ้งเราเราก็จะเสียใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่กดเบรคขาเราก็ดูไปว่าอ่าเขาไปแล้วไปก็ไปก็ด่าแล้วก็ด่ า, าด่ า, ก, ด า, ดาก็ด่าไปหมายทาใจเฉยได้ก็ยังไม่เป็นปัญหาเลยรเราหมายว่าการปฏิบัติก็คือรักษาใจให้เราไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ ว, ว่าจะดีหรือจะชั่วก็ตามคำถามต่อไปจากคุณสือกายเอินกวยพระอาจารย์ครับ ทำไมเวลาผมภาวนาโดยการดูลมหายใจบวกกับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกตื้อๆที่หัวแล้วเป็นมึนๆหัวครับต้องแก้ยังไงหรือผมไม่ถูกจริตกับการภาวนาแบบดูลมหายใจครับสาธุก็ลองลองใช้พุทโธอย่างเดียวเดยไม่ต้องใช้สองอย่างทาพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปดูลมเพราะมันจะทํำให้เป็นเป็นเรื่องมากโดยใช่เหตุอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียว ตื่อยู่กับวมไปอย่างเดียวถ้ามันยังเกิดอาการเตื่อยอยู่ก็อาจะแสดงว่าสติเรามีน้อยก็เลยเรามาสุดมันไปก่อนคำถามต่อไปจากคุณอาทรสุุใจตลอดเป็นกรรมหรือเปล่าครับพระอาจารย์เป็นบุญเนี่ยถ้าสมุใจตลอดก็เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปเป็นผลของบุญผลที่เกิดจากการทําทานรักษาศีลภาวนาก็จะได้มีความสมุใจไปตลอด คำถามสุดท้ายจากคุณพีธนากราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโยมฝันว่าพระอาจารย์สุดชาติมาหาที่บ้านเจ้าคะ่ะเอายามาให้โยมทานหนึ่งเม็ดเป็นสีขาวลักษณะยาเหมือนปุ๋ยฝ้ายเจ้าค่ะและในฝันยมถวายปัจจัยพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะแบบนี้คือความฝันหรือนินมิตเจ้าคะ่ะหรือเกี่ยวกับท่าปรุงแต่งเจ้าค่ะน้อมกราบขอพระคุณเจ้าค่ะ เพราว่านิมิตก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจเรานี่นิมิต yellow, ในนิมิตนอกนิมิตนอกนิมิตในก็คือความคิดปรุงแต่งว่าเราสร้างขึ้นมานิมิตนอกก็เป็นเรื um ่องจริงเรื่องเช่นเทวดาเข้ามาพบเราอะไรต่างๆนี้เห็นเรื่องที่คนเล่ามันียเป็นเรื่องที่เป็นนิมิตในปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเราไม่ได้เจอคุณเราไม่ได้รับเงินจากคุณนั่นเป็นเรื่องที่คนที่ปรุงแต่งขึ้นมาเอง ก็เท่านั้นก็พิจารณาว่ามันเป็นภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผ่านไปก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจเป็นเหตุการณ์ในหนึ่งล้ายเหตุการณ์ที่เกที่เรามาสัมผัส ร, รับรู้แล้วก็ผ่านไปหมดแล้วหมดแล้วเจ้าค่ะเป็นรูปไม่มีแล้วนะแล้วเจ้าค่ะ น, นี่ก็จะเรารอบสองดูใครยังตกข้างคำถามอยู่ยังไม่ได้ถามอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมา แล้วก็อ่านวรุษได้บาริกครับบริ ก, รกอเอาท่านๆ น, นะเพราะว่าเด็กมากว่าหลวงพกรรมของการลบหลู่ดูหมิ่นพระราษฎร์กับผู้มีบารมีมันมีกรรมยังไงบ้างอะครับหลวงพ่อเพื่อทำให้เราไม่ได้รับประโยชน์จากท่านอะไรนี่สิเราก็ยังไม่ไปหาท่านไปขอความรู้จากท่านครับถ้าเราเชื่อว่าท่านเป็นคนฉลาดคนเก่งเราสามารถสอนเราให้ ได้ีได้แล้วก็จะได้เข้าไปหาท่านได้แล้วก็จะไม่ไปกล้าล่ล่วงหนูนิ้วมืท่านี่ยกันกันก้าวล่วงนี่คือแบบต้องอาเวีจีเลยไหมครับหลวงพ่อหรือว่าพอยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอยังไม่ถึงขั้นนั้นอาเวีจีนี่ต้องทําร้ายทําร้ายผู้ที่มีพักคุณกันเราเช่นพ่อแม่ป้าหลานหรือทำให้พระเจ้าห่อเลือดเนี่ยถึงจะไปอาวีจีได้หรือฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองตายนี่ก็ไปนรกได้ อ๋อครับแค่นี้ครับอขอบคุณครับโอเคมีการอีกไหมถามได้นะยังยินดีให้ถามอยู่ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะได้ปิดประชุมได้เห็นคุณธนาทรเมื่อกี้บอกจะไปรอบสองหรืคุณธนทรเห็นไหมมีใบประโยกยกมือครับอาจารย์ใบยกว่ามาเล็วเปิดใบแต่ว่าคือถ้าแบบว่าเป็น แล้วแบบว่าไปดูสมมติเออคือคือถ้าถ้าเราเดี๋ยวนะถ้าสมมติอันนี้สูงขงการนั่งสมาธิมันมีนยีอะไรบ้างเนะรออย่าอ่นอรือทูถามอะไรไม่เข้าใจ น่สัยของการนั่งสมาธิมันเป็นยังไงคะมีอะไรนะการนั่งสมาธิขอ โ, โทษค่ะะผูพาถามว่าถามหลวงตาว่าอันนี้สงจากการนั่งสมาธิเป็นอย่างไรคะก็จะทำให้เรา ไ, ไปเกิดเป็ น, เ ป, นเป็นพรหมในในสวรรค์ชั้นพรหมนะเวลาตายไปก็ได้ไปเป็นพรหมเวลาอยู่ก็มีความสุขเวลา ย, ยังไม่ตายก็มีความสุข ผิดสงกมีความสุบพนมเมลูกพนมเมลูกถูกยิงมาสอบได้ที่หนึ่งนในห้องนพ <c oughs> อาจไหมพอาจารไห ม, มลูกพนมเมลูก <c oughs> โอเคนะเอาสั้นี้ก่อนนะือาจารย์ <c oughs> สุ ช, ชาติครับแล้วก็ผมเห็นไในไลน์มีคนเนี่ยครับส่งรูปมาปางห้ามเที่ยวครับ ไม่เอารุ่อยากคืออะไรสาระนะคือเขาถ่ายมาไม่ผมเห็นในผมดูในรายพ่อครับแล้วโผล่มาครับในไลฟ์แลคือต้งมน้าลูกไม่เอาคนรอฟังตาเยอะแเลยนะลูกเราต้งเกไม่เานะลูกระท้ค่ะลวงาโอเคขอคถามขอบพระคุณนะคะจาซาโอเคนะแล้ว มีการใช้กระถามไหมคุณ p h โฟนครับเชิญ<ท>ำอำไอจะแก้ยังไงดีเวลาเราปฏิบัติแบบว่าปฏิบัติแบบปฏิบัติดีแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอดีความโกรธอะทำให้หมดเลยพังหมดเลยะจะแก้ยังไงดูก็เริ่มต้นใหม่ก็ครับระงับความโกรธครับ ทำความโกรธด้วยการใช้สติพุโทโธพุโทโธไปให้จิต น, นิ่งก่อนแล้วก็กลับมาปฏิบัติต่ตอได้เหมือ น, นการสะดุดนะ่ะเหมือนการลอดเ่งแล้วมันพลาดตกลงไปในคลองนี่ก็ถอยรถกลับขึ้นมาคูรถขึ้นมาใหม่แล้วก็ขับต่อไปได้อย่าเลิกเพราะงบางทีบางทีคนพานิชย์คลอง ก, กูไม่ดีแล้วโกรธปัทีนี้กูไม่ทำเลยอยันนี้ไม่ใช่นะเราก็ซ่อมได้แก้ได้ ผิดพาอะไรไปน้อมแล้วก็ลุกขึ้นมายืนขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินต่อไปเหมือนเดิมไปทํำลายต่อแล้วก็ทําต่อไปได้นะอาาจรย์เอย้ายความ ร, รู้สึกที่มันาทําลายการปฏิบัติ ด, ดีของเราที่เราปฏิบัติมาอย่างต่อเ น, นื่องล้วก็ปฏิบัติต่อถ้ามันมน้อมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปนะถ้าโกรธก็ระงับความโกรธถ้าระงับไม่ได้ก็ร้อยมันหายโกรธ มันเดี๋ยวมันก็หายเองงานนิจจังทุกอย่างมานนิจจังไม่เที่ยงถ้าอย่างห้ามันหายเร็วก็พุโทโธพุโทโธก็แช่สติมันก็จะหายเร็วถ้าไม่มีกําลังก็ปล่อยให้มันไปเดี๋ยวมันก็หายเองมันหมดกําลังมันก็หายเองพอหายก่อแล้วเราก็มาเริ่มแเราก็ม า, มาปฏิบัติต่อตามที่เราเคยปฏิบัติต่อไปท่านเองไม่มีปัญหาเลยนะ พอสำคัญ อ, อย่าไปพาอย่าไปพานะครูไห้ปฏิบัติแล้วเลิกปฏิบัติเลยอไี้อันนี้ไม่ถูกเนา ะ, อะโอเคน ะ, ะค่คคะพระเจ้าอภัยมีใครไหมที่อยากจะถามถ้าไม่มีจะได้ปิดประชมุมนสลับวันนี้เพราะว่าก็เกิดภาพขุนพนเด๋ยวนะขุนพนผลเชริญขุนพน งานรัศการครับอาจารย์ยังดึกไปไหมครับที่ดึกไปไหนได้เลยครับคือจะเรียนเรียนกับเรียนถามอย่างนี้ครับคือที่ผ่านมาเวลาภาวนาก็เวลาจิตรวมแล้วก็เราก็สงบได้ตามปกติฮะแต่ว่าช่วงหลังๆช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยฮะมักจะมีอาการคือเป็นอาการที่อยู่ดีๆก็จะรู้สึกระคายคอขึ้นมาซึ่ง ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเป็นเป็นอาการปกติอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่หลังๆเนี้ยคือจะเป็นทุกครั้งแล้วก็คือตอนที่เหมือนเราใกล้จะรวมปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งเดิมแล้วมันก็จะระคายคอขึ้นมาระคายคอขึ้นมาจนถึงขนาดไอฮะพอไอออกมาเสร็จปุ๊บก็พยายามจะกลับเข้าไปรวมรวมอีกก็ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่ที่แปลกใจก็คือว่ามันเป็นเป็นที่จุดเดิมแล้วก็เป็นเป็นบ่อยะครับ ก็เลยไม่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าจริงๆมันเป็นอาการทางกายหรือว่าเป็นเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเพิ่งจะได้ยินมาก็ถ้าที่ถ้าที่จะปฏิบัติก็ก็ก็อย่าไปสนใจมันจะเป็นอะไรก็นเป็นไปครับก็ก็เล ย, ลยว่ามันมันจะไอก็ปล่อยมันไอไปแล้วก็กลับมาทําางนครัำกลับมาทำาก่กกำอนครับ ก็เป็นครับถ้ายังไม่เลิกถ้ายังทำต่อได้ก็ทำต่ออย่าเพิ่เมื่อไปไม่สะดุดล้มไปมือ้องคำถามของคณไลฟ์ฟอนอะไพี้นีลครับใช่ครับนะขอบพระคุณครับอันนี้ดึกแล้วก็จะเรงใจมากเลยครับในเวลาครัก็ดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แสดงทำสดๆล่องนอกอย่างมาคุยทางนี้ก็เปิดโอกาสให้ ถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไรก็จะได้เป็นประชุมนะสำหรัคุณรานยกมวยก็ได้เงาเพิ่งมาจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคํ า, ถ า, ถ, าถามจากคุณแมวถ้านั่งสมาธิอย่างมีกําลังอยู่ในฌานสมาธิที่สง บ, บถ้าตัวทีมันก็จเห็นว่าถ้านั่งสมาธิอย่างมีกําลังอยู่ในฌานสมาธิที่สงบอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว เราสามารถนอนวะลาสี่ชั่วโมงได้ไหมคะแล้วใช้การแล้วใช้การสมาธิทดแทนการนอนได้ไหมคะก็เราทำดูเสียงก็จะอันนี้ต้องวิสุจธิ์ด้วยชนใหญ่เขาก็นอนแค่สี่ชั่วโมงเงี้ยพวที่นั่งปฏิบัติที่เขาปฏิบัติอย่างช่องชวยกันเนี่ยเพนจะไม่ง่วงมันมีได้จิตสงบมีได้ฌานแล้วมันจะมันจะจิตจะมีความอิ่มจะมีความสบายในตัวของมันเอง ที่ภาพก็ส่วนใหญ่ก็ภาพให้กับร่างกายมากกว่าเพราะจิตมันก็ได้ภาพขวานในสมาธิของมันอยู่นะมันต้องทำเองอย่ารู้อย่าให้ตอบไม่ได้พิสูจน์เรานะอยากจะรู้ว่าทำได้แล้วไม่ก็ลองทำดูบางทีไม่อยากจะตอบคำถามท่าท่ า, าถามถามแล้วไม่ไปทามันก็ตอบไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะถ้าถ้าคุณทำได้คุณก็จะรู้เองว่าได้หรือไม่ได้ ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปทําอันนี้ไม่ต้องเป็นคําถามที่ไม่ต้องตอบนะเป็นคําถามที่คุณต้องพิสูจน์หดแล้วมั้งมีใครมีไหมคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วใช่หคุณบอยมีไหมหมดแล้วครับโอเคนะขอข อ, ขอบคุณทุกท่านที่ า, ะนะาร่วมฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจนไปเจรณาไปปฏิบัติ